วันนี้อาจารย์พรมพิไลเข้ามาก่อนเชิญสบายดีแล้วครัอาจารย์คารสบายดีค่ะฉีดยาเข็มแรกแล้วครับสวัสดีอาจารย์ครับฉีดเข็มแรกแล้วค่ะสบายแล้วเนาะเราเข็มสองกันยารเราค่ะเราเก็บตัวกันค่ะค่ะมีคําถามนิดนึงค่ะ เชิญามื่าเมื่อคืนนี้ที่ฟังจากน้องคนเด็กไทยนะคะที่ถามภาษาอังกฤษเรื่องโมเมนต์ที่แบบจะจะรักษาฐ า, านค่ะจิตสุดท้ายใช่ในในโมเมนต์นั้นเนี่ยเราควรจะทําจิตไว้ยังไงคะจิตสุดท้ายมันไม่มีหรอกจิตไม่มีสุดท้ายหะอกอันนั้นมหาใจสุดท้ายมากกว่า อารมณ์หายที่สุดท้ายสมมติตเรายังคิดอะไรอยู่นี่เราทําอะไรคะแล้วก็ปฏิบัตบิเหมือนการที่เราปฏิบัตินะพยายามควบคุมจิตนะไปให้เตือนเต้นตกใจท่านนั่นเองจิตนึงร่างกายมันจะเป็นอะไรก็เรื่องของมันไม่ใช่เราค่ะเราเป็นจิตเราก็รักษาให้มันเป็นปกติเหมือนที่คุยกันตอนนี้ท่านนั่นเองไม่ต้องไปตเตือนเต้นตกใจวิตกก่งวาดกลัวค่ะ ถ้ามันตื่นเต้นก็ต้องใช้สติพุทโธหรือใช้ปัญญาสอนมันบอกว่าย<ะ>ังไม่เป็นอะไรเหมือนคนดูหนังคนดูหนัง<ะ>ไปตื่นเต้นกับหนังทําไมน<ะ>ี่ไม่มีอะไรคว<ะ>ามหนุม่มไปคิดว่าเราเป็นร่างกายพอร่างกายจะตายเราก็คิดว่าเราจะตายไปกับร่างกายขวาดกลัวไม่อยากตายยิ่งไม่อยากก็ยิ่งทุกข์ยิ่งเครียดใหญ ความทุกข์เกิดจากความไม่อยากตายนี่ล่งทำฝึกใจให้เฉยๆไม่อยากตายไม่อยากอยู่ได้ทั้งสองอยา่างนะราะไม่ใช่เราร่างกายมันจะอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไปมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปเราไปควบคุมบางครั้มันไม่ได้มันเป็นอ น, นัตตาเราคือจิตผูร้รู้ก็รู้ตามความเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางนได้ก็เมย ค่ะเพราะว่าในชีวิตก็เคยเห็นแบบคนที่จะสิ้นใจอย่างนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าท่านคิดอะไรอยู่ข้างในเหมือนกันแต่ก็ดูดูยิ้มยิ้มสงบดีแต่านนบางค น, นก็อาจจะถึงเวลานั้นก็อาจจะตรงได้นะคะทำอะไรไม่ได้ค่ะก็ดูนนสงบอยู่ในความสมบองบนอกจากคน<ด>บางคนที่กลัวมากๆก็เป็นบ้าหลงก็เรียกหลง อเราก็วควรจะพิจารณาก่อนตายไปวันตลอดเวลานะซอมตายไปเรื่อยตอนก่อนนอนก็คิดว่านเหมือนกับตอนตอนนอนนี่ก็เหมือนตายตายชั่วคราวพยายามคิดว่าเวลาจะตายก็เหมือนเวลาจะนอนแต่คนสูงวัยคนสูงวัยจะนอนหลับไม่ ส, ไมสนิทตลอดน ะ, ะตื่นตื่นตลอดตื่นบ่อ ย, ยะฮะ ก็จิตไม่สงบนั่งเนี่ยว่าร่างกายมันไม่ค่อยปกติคตรับก็เอาพยายามฝึกจิตให้สงบให้นิ่งให้เฉยนะพุโทโธไปแล้วมันไม่นิ่งไม่เฉยก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปดูลมหายใจไปก็ได้ลืมอปองอา น, นิจังไว้แล้วอา น, นิจังทุกขาร อ, อนัตตาร่างกายเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเรา สอนจิตให้ปล่อยว่างค่ะพอใจนะนะพาใจค่ะโอเคปได้ <Okay. S 2> าาเรื่อยๆค่ะเพื่อลืมอ่ามาฟังเรื่อยๆในครนี<า>ต้ต้องต้องคอยเตือนต้องต้องตอบตัวเองบอกตัวเองเรื่อยๆไปร่างกายไม่เย็นตัวเราร่างกายไม่เที่ยงค่ะมันมอญน์อ่ะมอยน์เราก็รู้ว่มันไม่ใช่เราเดี๋ยวมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ต้องผัง แบบเดียวกันเราเป็นคนขับรถเราไม่ต้องไปเต้นเต้นตกใจกับรถยนต์ใจก็เป็นคนขับร่างกายไม่ต้องไปเต้นเต้นกับร่างกายเวลามันก็ต้องทําไปตามตามตามเหตุตามผลอย่างนี้แต่คนขับไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายให้รู้เท่านี้แหละมันจะสบายใจปล่อยวางร่างกายได้ โอเคนะค่ะขอบพระคุณค่ะกลับประจำค่ะอ่าคุณอริษวันนี้มาคิวสองเลยบริษกลับนำ้ำพระทศการหลวงพ่อครับอ่ามากเลยมีคําถามไหยครับมีครับไปอ่านของหลวงตาหนึ่งครัหลวงตาบอกว่าเออสติปัญญาเป็นเจ้าของของใจหมายถึงยังไงอะครับก็เป็นผู้ควบคุมใจนีถ้าไม่มีสติปัญญาใจก็ถูกกิเลสควบคุม อ๋อครับถูกกิเลสควบคุมเนี่ยใจของเราถูกกิเลสคุมอยู่เดี๋ยวก็อยากได้นู่นเดี๋ยวก็อยากได้นี่นเดี๋ยวก็อยากจะไปนู่นอยากไปนี่นกิเลส เ, เป็นคนคุมคนคนคอยสั่งการอาวิชชากิเลสเชื่ออวิชชาสั่งการการความคิดสังการการคิดไปหาลูกเสียงกิดรถมันได้ไปไหนหรอกเห็นไหมทุกวันนี้ก็เอา แต่ลูปเสียงกลิ่นรสอยากจะดูอยากจะฟังอยากจะกิดอยากจะดื่มะไรเนี่ยแล้วมันก็วุ่นวายใช่ไหมถ้าธรรมะสั่งสติปัญญาสั่งก็ไปพุโทโธนั่งไปไปนั่งสมาธินั่นไปนทำใจให้สง บ, บใจสงบแล้วก็จะเย็นสบายมีความสุดกว่าความสุขที่น่จาจะลูกเสียงกลิ่นรสต่างๆ ขอขออุบายในการแก้การเห็นแก่ตัวครับเห็นแก่ตัวนี่ไม่ได้แปลว่าไม่มีเมตตาครับเห็นแก่ตัวคือแบบอนาคตเราอยากแบบอืมแบบไนี่ยมันเรียกว่ามันอธิบายมันไม่ใช่เห็นแก่ตัวแบบเซลฟิสนะครับมันเห็นแก่ตัวแบบอัตตาอย่างนั้นนะครับจะแก้ยังไงเดียวครับพอ่อ <c oughs> ถ้าเราเห็นแก่ตัวคือถ้าเห็นกับจิตก็ไม่เสียหายตรงไหนถ้าเห็นตัวจิตเป็นตัวเรา ดังสิ่งที่เราต้องทําให้กับตัวจิตคือตัวเราก็าคือปลดเปื่อความทุกข์ให้หมดไปจากใจของเราคดยการปฏิบัติตามคํมาสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นความเป็นแกนตัวที่อัตได้เรียว่าอัตตาหิอัตโนนาทนุนสอวนเป็นที่เพื่งของตนตนจะต้องเป็นผู้ปลดเปื่อความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจของตนให้ได้ให้ใจกลายเป็นนิพพานขึ้นมา แต่ถ้าไปทางร่างกายเป็นความหลงถ้าไปกังวลกับเรื่องร่างกายเรื่องทรัพสมบัติเข้าของเองินทองอันนี้เป็นความหลง อ, อย่าไปอย่าไปสรรหาอย่าไปขวายคว้าหาทรัพสมบัตินาบสรรเสริญอย่าไปกังวยกับเรื่องร่างกายความเป็นความตายมันถึงเวลามันไม่มีใครยับยั้งมันได้อ๋อแล้ว ต้องละทิ้งความเห็นแก่จิตด้วยไหมครับหรือไม่ต้องครับคือคุณยัง พ, พูดไปรู้เรื่องอต่ตอนนี้น่าเห็นเหมือนทำตามคําสอนไปก่อนหน่ปฝึกสติไปนักษาสีไปนั่งสมาธิก่อนครับโ อ, โอเคครับจะได้เพราะเข้าใจแล้วเพราะอะไรให้ทำ<า>ํำเพื่อจิตอย่าไปทําเพื่อร่างกายโอเคครับร่างกายไม่เที่ยงเดี๋ยวก็จบแต่จิตไม่จ บ, บต้องทําให้จิตหลุดพ้น จากจากทิเละทันหาทั้งผูจากความทุกขทั้งผูมิด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาถ้าได้ละในรูแคนิฟฟ อ, อ๋อโอเคครับแล้ว ท, ท่อนหลังของอัตตาเหตุตัณาโถคืออะไรนะครับหลวงพ่ออ่าก็มีท่อนหลังเนี่ก็มีท่อนเดียวตอนในดิบเป็นของตนเหมือนได้ยินว่าอะไรอ่ะตนเป็นที่เมืงองฐานตนจะเป็นที่พึ่งให้กับอะไรทั้งหลายตนและทั้งหลายอะไรนั่นนะครับ ไม่รู้เหมือนกันในี้เรารู้แต่อาศัยอัตโนมัติเท่าถั้อออย่างนี้กเอาแค่นี้ครับหลงนี้ครับเข้าอบคุณโอเคคุณหนอภาอนสนาเชิญค่ะน้มัสักการ์ค่ะพระอาจารย์สวัสดีคุณบายกุณหลางวันนี้มีสามคำถามครับพระอาจารย์ค่ะคำถามแรกนะคะพระอาจารย์คืออยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าเการที่จะรักการมสัมพนธ์ในในนิมมอลห้ามันต่างกับการมร า, าคะในสังโยชนสิอย่างไงครับอาจารย์หรือเหมือนกันหมครับสองอยา่าง เอการมาฉันท่านที่มันเวลามันอยู่ในขั้นของนิวรณ์นี่มันคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆอยากดูหนังอยากฟังเพลงตรวงตอนนี้มีบอลยูโลอยากจะดูบอลไม่ไดูเลอไม่ยอมนั่งสมาธิอันนี้ก็เลยการมาฉันท์นะเนื่อว่าอยากจะอยู่ใกล้แฟนอยากจะนั่งคุยกับแฟนอย่างนี้แทนที่จะ ไ, ไปนั่งสมาธิ ในเรื่องการมาันแะ้งเงินส่วนในการในสังโยชน์นมันเป็นเรื่องของการเสพการร่วมหลับนอนคือตัดแบบเด็ดขาดไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวเป็นโสดตลอดไปแค่เสพการอย่างเดียวใช่ไหมคะข้อสี่ของสังโยชน์ แค่เรื่องเสร็จการไม่มีเรื่องรูปเรื่กลิ่นเสียงใช่ไหมคะมันก็รวมมันหมดนะมันก็เหมือนกันนะเหมือนกันรวมรวมด้วยรวมเสร็จการแล้วก็แล้วก็ตาหูจมูกลิ้นกลยหมดเลยรวมแล้ไม่ไม่ไม่ไม่ดูยูโรไม่ไปเที่ยวที่นู่นที่นี่อไม่เสร็จลูกเลิยงกิ่นรถอันเดียวกันอ่ะจะพูดง่ายก็ได้อันเดียวกันค่ะเดียวก็ว่าทางนิวรณ์นี่อาจจะใช้สติใช้ศีลเป็นตัวสู้กันไป แต่ด้ไปถึงตัวตัวสังโยชน์นี้ต้องใช้ปัญญาต้องใช้อสุภาษต้องใช้อนิจจังไม่เทียมอนิจนจังพุคคลอนัตตาก็ข้อสอนะรพระอาจารย์เรื่องอุปทานขันห้าค่ะพระอาจารย์คือที่ ท, ทําตามที่พระอาจารย์แนะนําก็คือว่าเรื่องของการแบบล้เรื่องของรูปของสามมีใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็คือคือเขารู้สึกว่าถ้าเรามองรูปขันให้เห็นเป็นเป็นกระดูเป็น เป็นอสุเป็นอสุภะอย่างเงี้ยได้แต่ว่าความผูกพันเนี่ยมันมันก็ยังมีถึงแม้เป็นอสุภะมันก็ยังมีความผูกพันก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราจะละความผูกพันของของคนที่เรารักเนี่ยมันน่าจะต้องเป็นเรื่องของสังขารด้วยไหมคะพระอาจารย์คือมันต้องรับนามสังขารถ้าเรามองสังขารว่ามันเหมือนกันทุกคนอะไรเงี้ยคือพยายามดูว่าเอ๊ะคือตอนนี้มันเหมือนกับว่าเรายอมรับนะพระอาจารย์ว่าเออของเราไม่เราไม่เป็นไรตายไม่มีปัญหาจริงๆแล้วของสามีกับลูกก็คือเราก็มองว่ามันก็เป็น เป็นธาตุขันเหมือนกันอืมก็เลยรู้สึกว่ากําลังกําลังมองตัวนี้ครับพระเจ้าวรวรราชได้จริงหรือเปล่าก็รู้สึกว่ามันต้องใช้สังขารด้วยไหมคะพระอาจารย์ในการจะละธาขัขนห้าของของคนรอบตัวค่ะอาจารย์เอาเรื่องสังขารกอสังขารก็คือปัญญาที่เราคิดอยู่เนี่ยคิดไปทางปัญญาเค่ะเราใช้สังขารมามาสอนใจให้เห็นว่าขันห้านี้เป็นไม่มีตัวตนเป็นธรรมชาตินะครับ แต่เรามาสมมติกันว่าเป็นลกเราเป็นสามีเราเป็นอะไรเราอต่เดี๋ยววันหนึ่งเขาก็ต้องมีการชดเชยตรงแสดงว่าถ้าเราละน้ำมันขัได้เนี่ยยังไงก็คือมันก็คือจะมันก็จะือทําให้เราละ อ, อุทานขัท่าได้มากขึ้นก็คือเราต้องทําตอนนี้กำลังพิจารณานาำมันขั น, นะคะพระอาจารย์ก็เริ่มเข้าใจก้ำมันขันน้ำมันขันีนน่ก็ให้พิจารณาตัวเวทนาเป็นต้น เวชนาผ่านนะว่าอาจารย์ไม่ไม่มีความกลัวเขาชี้เขาชี้ชชแล้วนะพระอาจารย์ที่เป็าชีโอนี น, นิ้วเปิดอะเรคิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรถ้ากลับมาต้องตัดเล็บแล้วก็ยอมเล่นเท้าเปล่าได้นะพระอาจารย์เดินจงกรมว่าไม่เป็นไรจะกลับมาปรากฏว่าไม่เป็นไรนิ้วก็หายเพระาะตอนัแรกกะว่าคือมันก็คือรู้สึกว่าไม่กลัวเรื่องเวชนาแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปเจอมาเลงขึ้นนึงยจะกลัวไม่กลัวนี่เอมตาบอดแล้วพระอาจารย์คือตาบอดไม่กลัวแล้วเพราะว่ามันเป็นหาเรื่องตาไงพระอาจารย์เขาก็แบบทำใจแล้วเออมันร่างกาย ก็ดูไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งไปสรุปว่าอย่าเพิ่งว่ามาดไล่แล้วก็อีกอันนึ่งค่ะพระอาจารย์กข้อสามก็คือเรื่องเรื่องโกรธเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือเรื่องโกรธเนี่ยละได้แต่ว่าครา้ไม่พอใจมันยังมีแสดงว่าแสดงว่ามันยังมันยังมีเรื่องของความไม่พอใจอยู่ก็คือเรื่องของความอยากในการที่แบบอยากให้คนอื่นดีอะไรยังมีอยู่ใช่ไหมอาจารย์ว่าถ้าเกิดเราละตรงนี้ได้ มันมันจะไม่ต่อไปที่ความโกรธมันมันเหมือนกันไหมคะอาจารย์ก็ไม่พอใจเล็กเล็กมันเฉยมันไม่มีความไม่พอใจมันเฉยเฉยเพราะจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาไปให้สัตว์แต่ว่ารู้อย่างนี้ใช่ไหมพระอาจารย์ได้ให้ับรมะให้จิตกลับมาที่โอเบกขาให้สัตว์แต่ว่ารู้ทสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องของสัพเพธรรมานตาเป็นเรื่องของธรรมชาติ อย่าไปมองว่าเป็นคนเป็นสัตว์มองว่าเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศไปจิตของเราจะได้ะเราไม่เคยยุ่กับเรื่องดินฟ้าอากาศใช่ไหมฝนตกแดดออกอายุมาอะไรมาก็เลยขงมันเราสื่อมอนาถะเราทําอะไรมันได้เปล่าแต่พอคนใกล้ตัวเราเนี่ยจะเอามาเป็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นแฟนเป็นลูกเป็นอะไรไปหมดฮ ความจริงเขาก็เป็นเหมือนกับดิ น, ด น, นน้ํานดะินฝ้าอากาศนี่แหละแต่เรามองไม่เห็นว่าเป็นดินฝ้าอากาศคือรู้สึกว่าถ้าตัวเองอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าแฟนหรือลูกไม่ไม่อยู่หรือว่าเสียเนี่ยเราเราอ่ะเรารับได้นะพอาจาร์แต่เราตอนนี้เรากำลังเร า, าไม่ต้องพูดหรอกรับได้ก็ดีไป น, นะคะแล้วไปยุ่งกับเขาทําไมไปกังวลเขาเมื่อเรารับได้ว่าเข้าไปเพราะว่ากลัวว่าเขากลัวก็ไม่กลัวทำไมก็แสดงว่ายังรับไม่ได้ อย่างกลัวอยู่ก็ยังแสดงมันรับไปได้เรารับได้แต่กลัวเขารับไม่ได้มันเรื่องอะไรของเราที่ต้องไปกลัวเขาอ๋อค่ะเขาจะรับไปได้ก็ในของเขานะอ๋อต้องคือตัวเราใช่ไหมว่าระวังกิเลสมันหลอกไปหลอกมาเนี่ย ตัวเราไม่ตัวเราไม่กลัวแต่เรากลัวคนอื่นกลัวแทยคนอื่นตอนนี้รู้สึกว่าเข้าเริ่มทำได้ง่ายขึ้นชอบกลัวแทคนอื่นที่แบบทางเข้าใจแล้วอแม่าจารย์ต้องต้องต้องการจริงๆเพราะว่ามันกลายเป็นเหมือนกับว่าเออกลัวคือเหมือนกับกลัวเขาเป็นห่วงเราอะไรเงี้ยจริงๆเพราะเราเรารู้สึกว่าเรายอมเรารับได้แล้วแสดงว่ายังไม่ได้เพราะว่าเรากลัวเขาเป็นห่วงเกิดเขาไม่เป็นห่วงเราก็เสียใจอย่างเงี้ยไม่เสีเป็นห่วงเขาไม่เส่เสียไม่เเป็นห่วงเขาเพราะกลับไม่ไม่ไม่เป็นห่วงเลย ค่ะขอเขาจาจัดว่าอาจารย์ค่ะต่อเขาอาจารย์ทำจะทําเนี่ยค่ะทำาบเกอรม่งเขาเหมือนกับเป็นคนอื่นนะคนอื่นที่เราไม่รู้จักนี่เราไปกังวลกับเขามไหามองเขาแบบนั้นนะถึงยังถึงยังมองอย่างถูกต้องคก็ไม่มีไม่มีความสัมพันธ์ไม่มีความสัมพันธ์เป็นเรื่องชิดจอยความจริงเป็นเรื่องใหญ่เพราะนึก ควาจริงกับเรื่องใหญ่ก็คือเขาไม่มีความสัมพันธ์กับเราหรอกอที่เป็นสัมพันธ์นี่เป็นแค่เป็นสมมุติเหมือนเราไปเล่นละครบนทีวีช่วงขนาดอยู่บนเวนะทีนั่เองนี่นี่มีความสัมพันธ์กันพอออกจากเวทีกลับบ้านก็ไปคนละที่คนละทางนะเนี่ยคือความสัมพันธ์ที่เราเป็นกันอยู่นี่เหมือนกับตัวเล่นลเล่นละครบนบ น, บนเวทีเดี๋ยวพอละครจบ พอเลิกพอเล่นก็นกลับบ้านเป็นคนละทิศคนละทางนะสามีเราลูกเราพ่อแม่พี่น้องเราก็เป็นตัวละครอย่างนั้นะที่เจ็ดแต่และดวงมาเล่นกันเล่นเป็นพ่อเล่นเป็นแม่เลเป็นลูกเลเป็นพี่เป็นน้องแล้วพอละครจบก็ไปคนละางไม่ได้ไปบ้านเดียวกัน ตอนนี่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีก็ต้องไปบ้านเยาวชนถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นของจริงะละครเขาไม่เขาไม่เขาไม่ไปด้วยกันใช่ไหมถึงมันจะเล่นบทสามีภรรยาถึงเวลาเขาก็ไม่เขาก็ไม่เลย ไ, ไปด้วยกันเพราะนั่นจะเป็นสมมุติเปนเวทีเราก็รกูร้ว่าเป็นสมมุติเนี่ยยเนะี่ในโลกนี้ก็เป็นโรงละครเป็นเวทีโรงใหญ่โรงละครโรงใหญ่เรามาสมมุติเล่นกัน แต่ว่ามันละครที่ยาวหน่อยกว่าจะจบหลายปีมันก็เลยคิดว่าเป็นจริงเป็นจังกันเยพอตัวละครตัวไหนาตายตัวนั้นก็ปักก็หมดหมดหม ด, หมดสมมติกันไปนให้เข้าใจนะำมันให้เห็นว่ามันเป็นไม่มีความรักมันกันอย่างแท้จริงเป็นความสมมติชั่วคราวความสมมติเที่ยง มันเหมือนการตั้งให้เล่นกันบนบนเวทีขอ ง, งน้องละครนั่นเองพระอาจารย์ครถ้าถ้าเกิดว่าเราอ่ะอยากสมมุติเราเรารู้สึกว่าเราตั้งใจในการทําพอเราเข้าใจเราลาได้นเนี่ยถ้าเราอยากจะให้คนคนแบบไปกับเราด้วยหมายถึงว่าไม่ใช่แบบว่าถ้าเข้าใจแล้วก็หลุดออกไปด้วยอย่างเงี้ยมัน มันน่าจะเป็นความอยากที่ดีใช่ไหมัระอาจารย์เลยยังเป็นความอยาก่เหมือนกัว่าอยากให้เขาบรรู้เห็นมวงตาเห็นทําไปด้วยกันเพอเราตั้งใจทาก่อนเรายังไม่มยิ่งห่วงเขานะแต่ว่าเราตั้งใจพระพุทธศาสนพระพุทธเจ้าบรรลุแล้วท่านยังไม่อยากจะสอนใครเลย <c oughs> ตัวเรายังไม่บรรลุเอาให้ตัวเราให้มันเสร็จก่อ <c oughs> นค่อยไปกงังวลกับคนอืนอ๋อค่ะพระอาจาได้คนที่บรรลุแล้วนะจะสอนใครก็ต้องดูว่าค่อยเขาอยากจะให้สอนหรือเปล่า แล้วก็ไม่สอนก็ไมส่สอนในเสียเวลาเห ม, <า S 1> มือนเหมือนสาดน้ำเทน้าใส่หลังหมาอะ้รเป็นไงค่ะเข้าขใจแล้วพระอาจารย์อ๋อเข้าใจเลยค่ะ <c oughs> แต่ถ้าหมาตัวไหนมันชอบอาบน้ําก็เอาไปอาบเลยพอพฉีดน้ำใส่วิ่งหาเลยไม่วิ่งเลย <c oughs> แสดมันชอบน้ำอ๋อไอตัวนนที่สบายไอตัวที่สบ<ม>ัดน้ําทิ้งก็อย่าไปเสียดายอย่าไปอย่าไปเทน้ำใส่มันืลย เนี่ยติดตรงนี้เลยพระอาจารย์เข้าใจเลยอะค่ะเพราอพระอาจารย์โหแบบติ่งตรงนี้แหละพระอาจารย์โหบบเข้าใจและะ้วค<ม>่ะติ่งตรงนีะตรงที่แบบเ อ, ออยากเข้าใจและะ้วค่ะจะได้ทําของตัวเองต่อขึ้นมาอีกใช่ถ้าเกิดโยมจะให้เงินใครสักล้านหนึ่งก็ไม่เอานนเนี่ยทำยังไงเนี่ยไปยัดเยืยดให้เขาก็าไม่เอาก็ดีเก็บไว้ใช้ด<ม>ีกว่าแล้วให้คนอื่นเปล่าให้คน<ด><ด>อื่นให้คนที่เขาอยากได้ไปดีกว<ด>่าค<ด>่ะ แม้เราอยากจะให้เขาแต่เขาไม่เอาทำไงโอเคนะหมดแล้วนะคำถามอ้าขอบคุณมากเลยค่ะพระอาจารย์ขอบคุณหมอแอนต่อวันนี้หมอหลายคนหมอฟันตอนนี้หมอตาอันนี้โอกาสหมอกลับหมพ่อเจ้าค่ะอะไรมีคำถามอะไรไหม ดูมีมีหกข้อเจ้าค่ะเอาเลยมาเลยมาเลยโอเคข้อแรกก็คือกรรมฐานเรื่องผิวค่ะเวลาดูกรรมฐานเรื่องผิวในเรื่องของสมถานี่จะดูผิวให้มันสวยงามหรือว่าจะดูให้มันเป็นหน้าเลยเจ้าค่ะคือเราต้องการที่จะตัดความหลงเราต้องมางทีเราเห็นปัจจุบันมันสวยผิวมันเราก็ต้องเตือนใจว่าอนาคตมันจะต้องเหี่ยวมันต้องโยน่นเพราะมันไม่เป็นของจรงังทาว อ, อน เราไม่สามารถที่จะไปะยับยั้งความเสื่อมของผิวได้ต่อให้มียาวิเศษขนาดไหนมันก็ทําได้ชั่วระยะในที่สุดมันก็ก็ไปดูนางามจักรวาล น, นางามทั้งหลายที่แนด่ดีที่ตอนนี้หน้าตาเขาเป็นอย่างไงผิวก็เป็นอยังไงนั่นแหละก็คือให้ดูอันนี้จำมาไม่เที่ยงของผิวถ้าเรามีความหลงรักผิวเรา ก็ต้องบอกว่าต่อไปชั่วันหนึ่งมันก็จะต้องเขียวมันต้องยน่นนีรอยอะไรต่างๆริ้วรอยต่างๆโผล่ขึ้นมาแต่ที่หลวงพ่อพูดมันเป็นเออเป็นวิปัสสนาใช่ไหมเจ้าคะใช่แต่จะใช้เป็นสมถะยากถ้าดูผิวเป็นสมถะนี่มันก็ต้องนึกถึงผิวแล้วก็ไม่ให้ไปคิดถึงต้องให้หยุด เป็นไม่ค่อยมีมีใช่ไม่ค่อยได้ยินใครใช้กันเป็นสมถานค่พอดีกรรมฐานหนูหน้าจะเป็นเรื่องของผิวหน้าเนี่ยล้วเจ้าค่ะแล้วพอดีพระธรรมก็มาสอนในฝันว่าหน้าหนูหนเนี่ยมันที่นี้มันก็จะเละเป็นก้อนที่นี้จะเป็นเส้นเลือดงอกอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นวิปัสสนามันไม่เทีมันต้องเสื่อม เ, เป็นวิปัสสนาแต่ว่าสมถาของหนูยังยังไม่แน่นเลยเจ้าค่ะ ก็เพราะว่าหนูหนูต้องใช้หนูต้องใช้อะไรเป็นเป็นตัวที่หยุดความคิดไม่ใช่ปล่อยให้มันคิดเพื่อจะได้สมถะหนูก็พยายามอย่างเดินจงกรมหนูก็พุทโธเดินแล้วหนูก็เอาหน้าที่มันเละเนี่ยแล้วค่ะรวบรวบมาเป็นก้อนนึงแล้วก็จ้องอยู่ตรงนี้แล้วก็เดินให้จิตมันไม่ออกไปอ่านจั แล้วมันทําได้ปะทําให้จิตมันทําได้ที่ไม่ต่อเนื่องเป็นชั่วโมงค่ะมันก็ทําได้แล้วจิตก็หลุดเอ่อมันจะรวบเหมือนกับว่ารวบหน้าเละของเราเนี่ยด้วยความที่หน้าเละแต่ละอันเนี่ยมันไม่เหมือนกันเราเวลาเรามองหน้าเรามันมันก็เลยกลายเป็นดูตําแหน่งอะค่ะมันก็เลยไม่ไม่รวมกันเป็นจุดเดียวเจ้าค่ะก็เลยใช้วิธีรวบหนังมาเป็นก้อนอันเดียว แล้วก็เพ่งไปอยู่อันเดียวแล้วก็พูดโธตามเนาค่ะแล้วมันได้ไหมนะมันใช่หรอแม่มันหยุดคิดได้บ้างมันก็หยุดคิดได้บ้างเนาค่ะแต่ว่ามันจะสู้สู้ที่เราพิจารณาเป็นอ น, นิจจังไม่ได้เจ้าค่ะอันนี้พูดถึงตอนเดินจงกรมหรือ ว, ว่าตอนนั่งสมาธินะ่ะตอนเดินจงกรมกับตอนนั่งสมาธิใช้แบบเดียวกันเล ย, เยแบบเดียวกันใช่เนาะค่ะก็คือคือหนูเนี่ย พระธรรมเหมือนกับว่าหนูฝันฝันว่าพระธรรมมาสอนว่าหน้าหนูอันนี้มันเป็นก้อนปูดเป็นเป็นก้อนปูดเป็นสีดําด้านข้างสองก้อนใหญ่แล้วก็ด้านข้างเป็นเส้นเลือดงอกตาก็เส้นเลือดงอกแล้วตอนฝันเนี่ยจิตมันพิจารณาเป็นอนิจจังแล้วมันถอดจิตออกแล้วมันมันยอมรับว่าฉันไม่เอาไอ้หน้าหรืออะไรก็มีความสุขเป็นอิสระอันนี้คือในฝันค่ะแต่พอมาใช้ใน ในไม่อยู่ในฝันเนี่ยมันทําไม่ได้เหมือนในฝันคือมันไอที่ที่นนี่มันเป็นปัญญาเนะมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นสตินะใช่ค่ะหนูก็เลยว่าจะจับไอ้หน้าเละเนี่ยมาเป็นการเพ่งเจ้าค่ะหนูก็เลยรวบรวบไอ้หน้าเละทั้งหมดนะมันเป็นก้อนเหมือนเอาผิวหนังรวบออกมาเป็นก้อนเดียวแล้วก็เพ่งเข้าไปเขเพ่งไปเรื่อยๆจนกว่าจิตมันจะสงบ หนก็พุทธโทไหวก็ลองทำไปดูสิว่ามันจะได้ผลหรือไม่ค่ะเพราะว่าถ้าคนดีหนูทำงานทั้งวันด้วยผัสสะมันจะเยอะช่วงเนี้ยค่ะแล้วหนูคิดว่าสติหนูมันน้อยมันก็เลยจับไอเนี้ยอยู่ไม่ไม่แน่นเจ้าค่ะแต่ถ้าเราถ้าเราสติดีๆทั้งวันเนี้ยมันจะจับอยู่เจ้าค่ะอยู่ที่สติของเราเ่ แต่หลวงพ่อบอกว่าถ้าเพ่งหนังมันจะยากใช่ไหมคะก็ไม่รู้แหละแต่ละคนมันอาจจะมีความพอใจไม่เหมือนกันสำหรับคนอื่นอาจจะยากแตสำหรับหลาจะม่ายก็ะดันี้ก็ต้องทดลองดูว่ามันใช้ได้ไหมมันใช้แทนลมหายใจได้ไหมใช้แทนพุทโธได้ไหมว่าห้จิตรวมเป็นหนึ่งได้เปล่าสักนะว่ารู้นิ่ง ความคิดปูแต่งหายไปหายไปเดินจงกรมของหนูกับตอนเดินจงกรมของหนูหนูจะเห็นร่างกายหนูเป็นกระดูกเดินแล้วก็เพ่งที่หน้าที่รวบขึ้นมาเนี่ยค่ะเป็นก้อนแล้วหนูก็จะอยู่กับเขาได้เนี่ยค่ะแต่ว่ามันจะเป็นกรรมฐานเหมือนกับว่าเห็นกระดูกเป็นโครงเห็นหน้าเป็นหนังรวบแล้วก็พุทโธเนี่ยมันถึงจะเอาอยู่นะครับันดาลถ้าควบค <c oughs> ุมความคิดได้ก็ใช้ได้ แล้มวมันจะทําให้มันโดมหรือไม่เท่านั้นเองตรงนี้ ต, ต้องลองฝึกทําดูนะอาจารย์ค่ะอ๋อเจ้าค่ะเอ่อข้อสองเลยนะเจ้าค่ะเพราะโสดาบันพระโสดาบันนี้เขาเขาถือสี่ห้าสมบูรณ์เจ้าค่ะแต่หนูสงสัยว่าศีลข้อสีของพระโสดาบันนี่เขารวมกันมาบทสิธิไปด้วยไหมเจ้าค่ะเรื่องพูดเอ่อพูดเพอเจอร์ อันนี้ต้องไปถามพระสุดาบันก็ได้ไถามพระอาจารย์ก็ได้ถามพระอาจารย์ก็ได้คือหนูไม่แน่ใจว่าพระสุดาบันเนี่ยท่านปกติพาะอริยะท่านก็ไม่ไม่พูดอะไรเพ่อเจออ้อพูดคํำอยา่างท่านพูดสนทนาธรรมสังเกตด้เวลามีรูปถ่ายของพระนั่งคุยกันนี่ก็จะเหมอกําลังสนทนาธรรมกันเห็นพระอริยะบุคคลทุกระดับนี่ท่านไม่พูดเพ้อเจอไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดสอนสิแน่นอนไม่พูดไม่พูดกลัคือแล้วก็ไม่พูดเรื่องอกุศลด้วยใช่ไหมเจ้าคะ่ะเอกจากว่าถ้าพูดอกุศลเป็นแนวทางเป็นแนวทางสอนเ น, นี่ได้วให้ละอกาุศล น, นี่ได้ให้การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรนี้ได้อืมเจ้าค่ะข้อสามเจ้าค่ะจิตจิตที่เมตตาค่ะเราเราจะเมตตากับคนที่เขาคิดร้ายเรา ได้ยังได้ยากเจ้าจค่ะแตจะเมตตาอย่างไงเจ้าค่ะก็เบื้องต้นก็เมตตากับคนที่เราทําได้ก่อนเจ้าค่ะคนที่ยากก็ก็ต้อ ง, งอต้องฝืนต้องบังคับนอืมต่วนฝืนต้องบังคับต้องบอกว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เรามีความเมตตากับทุทกๆคน ส, สัตว์สัตตาสัตวทั้งหลายทั้งปวงเราอย่าไปมีเวรกับเขา เดี๋ยวเขาทำร้ายเราก็าพูดร้ายให้ละาพูดใส่ร้ายเราสร้างความเสียหายของเราก็ฝืนใจบังคับให้ไปให้อไปของเขาอยากไปจองเวรจองกรรมอย่าไปกอดแค้นกอนเพื่อนอาจจะให้ใช้เหตุผลที่ว่าถ้าไปจองเวรกันมันก็เรื่องยังไม่จบนะเราเขาทาให้เราโกรธเราเราก็ไปแก้แค้นร่าแค้นเขาด่าเราเราก็กลับไปด่าเขาเดี๋ยวก็กลับมาด่าเราเรื่อมทา เขากดมากขนั้นก็อาจจะมาตีเราอย่เงี้ยมันก็จะทําให้เรื่องบาดตายแล้วในที่สุดก็ดีไม่ดีก็ตายกันทั้งคู่หรือไม่ก็ตายหไปขึ้นตายไปฝ่ายหนึ่งฝ่ายก็ต้องไปติดคุกติดตารางในขีดแบบนี้นะมันก็อาจจะเห็นด้วยเหตุด้วยผลว่าไม่ควรที่จะไปมีเรื่องมีราากับใครก็คือให้หลีกเลี่ยงนะเจ้าค่ะที้คือให้ให้ระงับถ้าเราอยายเรา มันทําให้เราเสียหายแล้วเราก็อยากจะไปทำร้ายเขา่านี้เราก็ต้องระลึกให้ได้ใั้นึกถึงว่าถ้าเราก็ไปทําเขาเดี๋ยวก็ต้องกลับมาทําเราอีกแล้วมันจะรุนแรงเพิ่มขึ้นไปไเรื่อยเรื่จนกลายเป็นการฆ่าฟันกันก็ได้อเจ้าค่ะข้อขอสี่เจ้าค่ะหลวงพอ่อจ้ะค่ะเออเออหนูไปอ่านมาเขาบอกว่าถ้าถ้าเราจะหลุดเป็นเจตัวนี่ก็เป็นพวกที่เก่งทางด้าน ดนด้นสมาธิสามารถมีอิทธิปาฏิหารได้อย่างพระโมกคลานะนี้โโท่ถือว่าเป็นเจโตวิมิตนะท่านท่านชานาญทางสมาธิมากกว่าชํานาญทางปัญญา<ม>ส่วนทางราษารีบุตรนี่ท่านชํานาญทางปัญญามากกว่าทางทางสมาธิท่านไม่เก่งทางสมาธิแต่ท่านเก่งทางปัญญาแต่ถ้าเข้าสมาธิเข้าฌานได้ส่วน พระโมคคัานี้เก่งทางทางสมาธิเข้าฌานแล้วสามารถไปไปรู้เรื่องราวต่างๆมีอิทธิมิตปาฏิหาริย์ต่างๆได้แต่ท่านไม่เก่งทางปัญญาแต่ท่านก็มีปัญญาพอจะละสัโยชน์ได้แต่ท่านจะไม่มีปัญญาอย่างกว้างขวางเหมือนพระพุทธเจ้าหรือพระสารีวุฑนในการเอาธรรมะมาแสดงทําให้แก่ผูน้นี้คือความหมายของปัญญาไมมุดกับเจตโตวมมุต ทั้งคู่ต้องมีทั้งสมาธิทั้งปัญญาด้วยกันเป็นแต่ว่าคนหนึ่งชํานาญทางสมาธิมากกว่าทางปัญญาหมือคนถนัดซ้ายมากกว่าถนัดขวาอีกคนหนึ่งถนัดขวามากกว่าถนัดซ้าย <S S S S S แต่ทั้งทั้งสองคนก็ใช้ใช้มือทั้งสองได้ใช้ขวาก็ได้ใช้ซ้ายก็ได้แต่ถ้าถามว่าอันไหนถนัดเขาก็จะถนัดนก็จะมีมือถนัดของเขา สำหรับพระพุทธเจ้านี่ท่านเป็นทั้งเจโตทั้งทั้งปัญญามีท่านเก่งทั้งสองด้านทั้งเจโตท่านก็ ร, รับลึกชาติได้ท่านมีอภิญญาต่างต่างทางปัญญาท่านก็มีความรู้ความฉลาดที่สามารถนำธรรมมาสัมพอนธ์พูดได้อย่างออ่ยางง่ายดายท่านพูดฟังแล้วเข้า อ, อกเข้าใจได้อย่างง่ายดาย น, นนี้ก็คือความหมายของปัญญากับเจโตเป็นมู แต่ทั้งสองท่านนี้ทั้งสองฝ่ายนี้ต้องมีศีลมีสมาธิปัญญาถึงอย่างมีสมาธิในระดับอพื้นฐานก็คือมีฌานสี่มีปัญญาก็สามารถเห็นนักตายรักเห็น<ล>อริยสัจสีได้แต่ความรู้อื่นอาจจะไม่กว้างกวางอมไม่จำกัดเจ้าค่ะปัญญาคนะ่ะข้อที่ห้าเจ้าค่ะอันนี้ทางโลกนะเจ้าค่ะเออแม่หนูว่ะเขา เขา<อ IF AD>ไปทําไร่ทําสวนเขาอยากให้หนูช่วยเจ้าค่ะหนูก็ใจหนูอ่ะหนูไม่จะ่เขาไม่ีความสุขในการให้หนูช่วยแต่ว่าหนูรู้สึกมันเสียเวลาในการทําหนูแต่หนูก็ไปช่วยคุณแม่นะเจ้าค่ะแต่ว่าหนูมันก็ว่าหนูไปส่งเสริมคุณแม่ทําในทางกิเลสนะเจ้าค่ะก็บางทีเราก็ต้องดู Lucky, ความสามารถของเขาว่าเขาทําอะไรได้ถ้ายัทางทําทำไม่ยังไปไม่ได้ก็เราก็ไม่สามารถที่จะ ดึงให้เข้าไปในทางทำได้หนูาตายตายอย่างเงี้ยคือตอนขณะป่วยแล้วจะตายนี่คือหนูอหนูไม่ให้เขาทราบนะเจ้าค่ะเพราะว่าคือเขาต้องแบบเสียใจมากเลยเงี้ยเจ้าค่ะหนูจะไม่บอกเขาเลยได้ไหมเจ้าคะมันจะมันจะเป็นรรยังไงไหมเจ้าคะก็ไม่มีใครรู้กําลไม่มีใครรรู้ว่าจะตายเหมือนจะต้ อ, ตองบอกเขาว่าเราจะตายวันนั้นวันนี้ออเจ้าค่ะนอกจากเขาถาม เราสานเราบอกเราไม่รู้เราไม่มีใครรู้บ้างว่าวันตายของเราวันไหนกันไม่มีใครรู้เลยไมบอกว่าเป็น เ, เป็นการพยากรณ์นการคาดคะแนงกันทั้งนั้นหมอง ก, ก็บอกอยู่ได้หกเดือนบางทีคนไข้ยอยู่ได้หกปีก็มีอ๋อก็คือไม่บอกว่าเราป่วยแล้วไม่บอกว่าเราใกล้จะตายแล้วก็ไม่ต้องบอกเขาก็ไม่ไม่จําเป็นจะต้องบอกเขาอะก็ค่ะ ถ้าเขาถา ม, มนะถ้าเขาถามเราก็เฉยๆา่าเราก็ <c oughs> เราก็ไม่สบาย <c oughs> ก็บอกว่าไม่สบายแต่จะตายเมื่อไหร่ไม่รู้หรอกค่ะ <c oughs> <c oughs> อาจจะมียาดีหมอดีมาทำให้ไม่ตายก็ได้ใครยังไม่รู้อ๋อเจค่ะก็มีกรณีภาพรูปหนึ่งเป็นศิลป์หลงตานี่ยนะรุ่นท่านอาจารย์อินถวายนี่ท่านเป็นรุ่นเดียวกันช่วงที่อาตมาอยู่บ้านตาแต่นั้นท่านก็เป็นมะเร็งใ น, ในในกระเพาะไม่า แล้วนะหมอหมอก็ผ่าออกมาดูว่าบอกว่มันมันมันกระจายไปแล้วเขเลยไม่ไม่ไม่ทําการรักษาบอกให้กลับไปวัดเตรียมตัวตายเถิดท่นก็กลับไปวัดท่านก็ไปภาวนาแล้วก็กินยาสมุนไพรแทนแล้วถ้าเกิดมีอาการปว่วยมากๆก็ถึงจะไปหาหมอที่ที่ในเมืองให้ช่วยฉีดยาระงับความปวดให้แล้วก็ทําอย่างนี้มาอยู่สองสามปีมะเร็งก็หาย แล้วก็กลับมาเป็นปกติใช่ค่ะยังไม่มีใครรู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นยังไงคใช่ค่ะเราก็ไม่มีไม่มีการจําเป็นจะต้องบอกใครใค ร, ใครถามว่าคุณจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้เหมือนกันหมอบอกหกเดือนแต่ไม่รู้จะหกก่อนหกเดือนหรือหลังหกเดือนก็ไม่มีใครรู้เป็นการโกงใช่ค่ะาเราไม่รู้ <laughs> ว่าะเป็นการค่ากรณีใช่ไหมนะ แล้วค่ะหลวงพ่อหลวงพ่สุดท้ายนะเจ้าคะคือตอนนี้โควิดแล้วแล้วคนเข้าเครียดเยอะค่ะแล้ ว, แ ล, วแล้วเราไปทํางานอะไรเงี้ยเราเราก็จะรู้ว่าอ่าภาษาในการเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นความร้อนเยอะค่ะอ่าเราจะเลือกที่จะหนีหนีออกหนีออกจากกลุ่มคนกลุ่มนี้ไม่สนใจหรือว่าจะเข้าไปเพื่อทดสอบเป็นข้อสอบของเราเองเจคะก็ได้ทั้งสองอย่างอยู่ที่อยูที่ความต้องการของเรา ถ้าเราจะทดสอบว่าการปฏิบัติของเราไปถึงไหนแล้วใจยเย็นไหมอยู่ทําการในสิ่งที่เราไม่ชอบและไม่ถูกใจเราเราสามารถควบคุมใจเราให้เฉยเฉยได้หรือเปล่าถ้าต้องการทดสอบใจถ้าทดสอบแล้วมาันสอตบตอบว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมที่ก็ออกไปแยกกับตัวไปไปไปเพิ่มพลังของอุเบกขาต่อไปก่อนแล้วค่อยไปทดลองใหม่ทดลองใหม่ดูว่า แพ้ไหมหรือชนะไหมยโอเคใช่เด okay. ี <público> ๋ยววลาจีบตาเป็นพ่ค่ะกลับขอบผูคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะพบแลเราเจ้าค่ะคุณหมอเบพาไม่ได้ไม่ได้เข้ามาทำงานอยู่นะยุ่งอยู่เจ้าค่ะโอเคกาบขอบผูคุณค่างั้นเชิญคุณกัฟี่จะตาบคุณกัฟฟี่จากสุราษธานี ยังไม่เปิดไม่เปินนะครับขับนมัส ก, การพระอาจารย์ครับมีคำถามอะไรบ้าไหเล ย, เลยก็หลังจากที่พระอาจารย์แนะนำเรื่องรักษาศีลแปดนะครั บ, รบก็ได้ไปปฏิบัติครับก็เห็นเป็นอารมณ์คือแบบมีความสุขอยากเสียสละอนุนันนี้เพื่อออกปวนเลยครับแต่ก็ห้ามไว้ก่อนแล้วก็ที่นั่งสมาธิไม่ได้ครับเพราะเรื่องเรื่องขาเป็นอุมาตอยก็ ปรากฏว่ากลางคืนนะครับก็อยู่ก็เข้าสมาธิได้ครับผมประมาณสี่สิบนาทีครับแล้วก็พ่อนออกเพว่าเดี๋ยวจะไม่สบายครับก็ถือว่าดีมากๆครับแต่พอกลับมาอยู่ปัจจุบันที่แบบไม่รักษาสิมแปดครับกิเลสก็ทํางานเต็มที่เหมือนกันครับผมเมื <c oughs> ่อที่จะบวชเนี่ยท่านจะบวชจริงๆนี่ต้องเป็นคนที่ไม่ปวดตาย กลัวตายมันก็จะเป็นอุปสรรคเดี๋ยวเจ็บนั่นปวดนี่หน่อยก็ทอ้อถอยแล้วแตคนที่ตั้งใจปฏิบัติตั้งใจที่จะบรรลุนี่เขาไม่ยอมเขาไม่กลัวตายยอมตายจะไม่ให้มันมาเป็นอุปสรรคครับเรื <มา S 2> ่องเรื่องเรื่อ ง, งตายคือคือตอนนี้มันหมแบบว่าเราต้องทําหน้าที่แบบว่ามีกิจการนะครับเพราะแม่เขาว่าง อ๋อลงทุนไว้ให้ก็แบบว่าก็แบบคือมันต้องสมองมาแบบวางแผนกลไรยลุ์นุ่นนี่อะครับอาจารย์ก็แล้วแต่เราเนี่ยเราเราเพียงจะพูดให้ฟังเท่นเน้นว่าท่านจะไปบวช น, นีต่ต้องต้องตัดได้ทุกอย่างตัดครอบพ่อแม่แตัดครอบครัวตัด อ, อะไรทักอย่าครับผมผมก็เข้าใจครับแล้วก็ เมื่อกี้มันเข้าใจที่ที่พี่หมอพูดด้วยก็เมื่อก่อนก็เคยนั่งสมาธิแล้วแบบว่าเห็นตัวงนอนตายอยู่ในโลงครับก็เอาอันนั้นมาพิจารณาครับได้หรือไม่อยู่ด้วยกันถึงเวลาตายมันก็มันก็ต้องแยกกันอยู่ดีครับก็ก็แบบเหมืนได้เห็นสภาวะต้องมาพิจารณาความตายอยู่เรื่อยๆนะมันจะทําให้เราไปความกล้าเนียไปปฏิบัติเครับพาด แต่ยังอยากอยู่ยังเที่วจะต้องอยู่ไปจนวันแก่ตายนี้มันก็อาจจะไปปฏิบัติมามาแล้วเจ้านายมาแล้วยัเจ้านายใหญ่สวัสดีครับแมดิ้นด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดิ้งเนะมีปรันตัดิ้นเท่าไหน่สัครับะโอเคไปได้ มีลูก แ, แต่จะวุ่นๆน่นนมีลูกก็มีปวงต้องแะนะะวุ่นเลยค่ะอะไรมีอะไรไหมมีคำถามไหมอนดยไม้ไมไปปิดอันนี้ไม้ปิดอยู่่อเดี๋ยวปปับนะคะ่ะอาโอเคสาดแล้วค่ะ ก็อาทิตย์ที่แล้วค่ะที่ที่ที่โดนที่ฝึกตัวเองก็ได้อยู่แล้วค่ะก็ะเขาด่าก็รู้สึกว่าสงสารเขาที่เริ่มรู้สึกรับไดไ้ไม่ไม่ไม่ถูกแล้วค่ะกับคําด่าของเขาอดีพยายามพยายามฝึกไปเรื่อยอย่าประมาทอย่าไปเดาคำไปเจอคำด่าที่มันกินใจก็อาจจะโกรธขึ้นมาได้แล้วแล้วถ้าสมมติว่าเขาทํางานแล้วเขาแบบว่า ทำงานที่กับห้องกับกับผู้หญิงแล้วเอาเงินมาให้เราใช้อะไรอย่างเงี้ยเราเราใช้นี้เราเราเร า, เราบาปไหมคะใช่ไปถึงคนที่เขาไปทํางานกับผู้หญิงแล้วทำเงินมาให้เราหมายถึงพ่อข อ, อ, องเด็กๆกันค่ะอ่อก็เรื่องของเขาก็จะไปหาเงินยังไงมันไม่ใช่เรื่องพระนี่ไม่สนใจใครอามาใส่บาตรใครเอาเงินมาถวายพระเอามาแบบไหนแล้วไม่ไปถามเขาแบบว่าทําผิดศีลหรือเปล่าใช่ไหม อ๋อเราก็ไม่ต้องต้อ ง, องสน<ส>ใจเลยสนใจก็ามาให้เราก็รับไว้ท้นถ้าเราทําทประโยชน์ได้เอามาทําประโยชน์ได้เราอย่าไปทําผิดศีลก็แล้วกันเงินที่เขาให้มาอ๋อได้ค่ะเพราะว่าหนูก็ทําบุญใส่บาตรอยู่อย่าทำบุญใส่บาตเรเอามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอะไรเลี้ยงลูกนะอะไรนีได้อยู่เขาให้มาถ้าเขาให้มามันเป็นเรื่องความความความพอใจของเขานี่เขาต้องการจะใ ห, ให้เรา นั่นก็คิดว่าเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องให้เงินเรามาสชว์เวลามิธีการหานหนึ่งเขาก็จะหานตามแบบนั้นนี่มันไม่ใช่เรื่องของเราอโอเราก็ไม่ต้องไปสนใจเราทําหน้าที่ของเราคือพอเออค่ะตอนแรกหนูก็กังวลเพื่อทานกันมานี่ไม่กลัวไม่ไม่ไม่ไม่ค่ะไม่ไม่อยูุ่เขาแล้วแต่เขาจะทำเขาถูกจับว่าเขาเป็นคนติดคุกไม่ใช่เราไม่คิดโอ้ฮ่า ก็ไม่มีอะไรเวลาเข้าไปอบัยเราก็ไม่ได้ไปอาบัยกับเขาก็เหมือนกลัวว่าเขาจะดึงเราไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เกี่ยวเราเราเราอยากเราไม่เบี่วนเรายจะเป็นเรายจะเป็นไปบอกเขาว่าลกันเป็นการบอกหรือยุยงนี่ก็อาจจะทําให้เราเบส่วนส่นด้วยอ๋อเราไม่บอกค่ะเพราะว่าเราก็อยากปฏิบัติธรรมแบบให้ให้ให้มันถึงถึงก็ก็แค่อยากรู้ว่าสิ่งนี้มันจะแบบผิดบาปหรือเปล่าแต่ไม่บอกก็ อาจารย์ก็ถามเราว่าผิดไหมว่าถ้ามันผิดแล้วก็ว่าผิดไม่ควรทำเพราะบัญญัตสอนไม่ให้ทําแต่เขาเขาไม่เชื่อหรอกค่ะเขาบอกว่าเขาบอกว่าเกิดมาชาตินี้ต้องหาเงินก่อนเรื่องบูญทานเอาไว้ชาติหน้าก็เลยบอกแต่ก็เชื่อว่าโอไม่ทำแต่ก็เชื่อว่าโอไม่ทําช่ค่ะเขาไม่เชื่อแล้วมันเหมือนเดินกุฎิทานก็เลยปล่อยเขาแล้วแต่เขาใช่หอกกรรมใครกรรมมันค่ะก็เลยเอาเราก็ตามทางของเราค่ะ ขอไม่อะไรค่ะสาธุพยายามรักาใจเพื่มามาเหยียบย่ำทําให้ใจเราทุกข์ได้นะความทุกข์เราอยู่ที่ตัวเราเองเราไปไปไปเอาคนอื่นมามาเหยียบย่ำเองถ้าเราไม่เอามาเหยียบย่ำเขาทาร้ายเราไม่ได้ก็ทําร้ายใจเราไม่ได้ค่ะค่ะได้ได้ขอคิดากเลยนะคะสาธุค่ะคนยาหญ้าหรยอยาผู อยากดูซ่ายาเลยอาจารย์อ๋อใส่เป็นชื่นไม่ได้แก้คไ่ด้ค่ะสงสัยไม่ได้แก้ค่ะไ่กัธนพลอย่งใช่ค่ะพอดีธนพลพอดีน้องหมาล้องค่ะมีถามอะไรไหมมีคำถามอะไรไหมเีื่องวันรร์ครับอ่าป้าถามก่อนนะไม่มีคถาม้าไม่มีคำถามับ อาจารย์เจ้าคะเวลาในกลุ่มเพื่อนอะคะ่ะส่งลาสวัส ด, ดีค่ะอในกลุ่มเพื่อนในกลุ่มเพื่อนอะคะ่ะเอส่งไลน์มาเป็นคลิปที่พระแสดงอิทธิฤทธิ์อะคะ่ะทีนี้เนี่ยเจ้าคะ่ะเ อ, อเวลาเห็นเนี่ยแล้วก็เ อ, อใช่หรือไม่ใช่แต่ถึงแม้จะใช่เ อ, อพระก็ไม่น่าไม่น่าแสดงฤทธิ์อย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็แล้วก็เลยไปหาข้อมูลมันก็อันนี้คือสามารถ สามารถทําได้ทําได้อ่ะค่ะโดยโดยเขาเรียกโดยเรื่อนกลอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราก็สองจิตสองใจว่าจะไปบอกเพื่อนเป็นเพื่อนกลุ่มใหญ่อะค่ะว่าไปบอกก็ดีไหมว่าอย่าอย่าอย่าลงเชื่อเออหรือเราควรจะวางเฉยอ่ะค่ะเจ้าค่ะก็ถ้าเขาไม่ถามเราเราก็เฉยนีกเ่าเดี๋ยวไปมองคนบางคนเขาเชื่อแล้วว่าเชื่อแบบสุดๆเวลาไปคุยกันแล้วมันจะทําให้เสียเพื่อนได้หนึ่งก็ปไป เนเรื่องของความเชื่อของแต่ละคนน็ขึ้นอยู่กับข้อมูลของเขาเขามีข้อมูลมากน้อยเขาว่าจะไม่รู้เรื่องดาวที่ที่ถูกตั้งว่าเป็นยังไงเจ้าค่ะพอาจารย์แล้วก็คําว่ากิเลส ก, กับอาสะวะกิเลสเหมือนกันไหมคะเหมือนกันนะเพนดาท่านเปรียบเยบะะทียมอาสวะนี่ท่านหมือนว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสีที่มันติดอยู่ในผ้าเนี่ยมันกิเลสมันเป็นกิเลสที่มัน ติดอยู่นึกก็เลยว่าเป็นอาสวะอยู่ในเนื้อผ้าส่วนกิเลสอื่นอาจจะเป็นแบบเศษดินเศษอะไรที่เกาะติดอยู่กับภพาที่หลุดออกง่ายกว่าอาสวะนั่นแสดงว่ามันมันความก็ไปในใจลึกแล้วอาสวะแล้วก็เป็นกิเลสเหมือนกันเลยอย่างที่ท่านบอกมีกิเลส บางทีตั้งก็แบ่งเป็นอยากการละเอีกโรคละเอียดยื่นก็อาจจะเป็นโวคอาสวะนะที่จัดยากใช่ไหมคะใช่หรือว่ามันฝังอยู่ในอนุสัยอย่างนี้ใช่ไหมกใช่มีอะไรค่ะเออน่ารักพระอาจารย์เจ้าคะบางทีเวลามีปัญหาค่ะมีอย่างอย่างที่พี่เป็นเมือกีเจอค่ะเวลาเจอคนมาทำร้ายหรือว่าอย่างเนี้ยค่ะก็นึกว่าเออเวลาเราโดนเนี่ย เราก็นึกว่าถ้าเราถามผูอาวุโะอาจารย์ก็ต้องตอบว่าให้กลับมาดิถึงพุโทโธก็นึกถึงคาอู้อาวุโสนะคะมันก็มันก็สงบลงได้เจ้าคะ่ะอะไรอยู่แคนสอบเองครั บ, รบวันแล้วใช่ไหมคาถามนีไหมหค่ะเล้วค่ะวันแล้วเลยค่ะคุณสายสายที่อยากมาแล้ท่ า, า, านทนนี้อยู่ข อ, อนแก่นนะ วันนี้อยู่ศาลละครค่ะพระอาจารย์แต่ว่า อ, ออกมาอยู่ห้องถูกค่ะมีคำถามไหมมีมีเรื่องที่จะถามพระอาจารย์อยู่เหมือนกันค่ะคือมีมีคืนนึงฝันว่าที่บ้านเริ่มเริ่มเริ่มนิ่งๆแล้วก็เลยบอกเขาว่าขอลาไปบวชบอกที่บ้านว่าลาไปบวชนะเพราะว่าที่บ้านเริ่มสงบแล้วอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือความฝันแล้วก็แต่พอวันขลวงวันกันนะคะก็มาคุยกับคุณพ่อ แต่จริงๆได้ขออนุ ญ, ญาตทุกคนที่บ้านไว้เราเผื่ออนาคตจะเป็นบวชทุกคนก็อนุญาตแต่ว่าเหมือนไม่อนุญาตค่ะคืออนุญาตแต่ว่าเขาคงที่บ้านคงไม่ไปหรอกอะไรประมาณทีนี้คุณพ่อบอกว่าเนี่ยมีแม่ชีคนหนึ่งเขาไปปฏิบัติธรรมแต่พอแก่มาแล้ว ก, ก, ก็ต้องกลับมาให้ที่บ้านท้าสุดพอตอนป่วยไม่มีใครดูแลนะก็ต้องกลับมาอยู่บ้านอยู่ดีอะไรเงี้ยค่ะพอเราได้ยินคนํานี้เราก็เริ่มเอ้ยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย เราควรจะทำใจยังไงดีคะก็เหมือนค น, คนฉีดโควิดนี่ฉีดวัคซีนบางคนก็ป่วยบางคนก็ไม่ป่วย <konuş> คนนี้เป็นแม่ทีบวยแล้วก็มีลูกศีลูกค้าเยอะแยะ ก, ก็มีมีเป็นเจ้าสํานักเป็นเจ้าสํานักก็มีนั่นมันอยู่ที่แต่ละคนนะที่บวชแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือไม่มากาค่ แม้แต่พระก็เหมือนกันพระถ้าไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ไม่มีใครเหลียวแลจิ้มจุดต่างอยู่ที่ตัวเราเนี่ยอิูที่ตัวเราอย่าไปมองคนอื่นนะทำให้เราค่อยคุยเดี๋ยวดูคนที่เขาดูคนที่เขาสาเร็จดีกว่าดูพระอริยสงฆ์ดีาว่าแต่ว่าคุณพ่อเขบอกท่านก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันแต่ท่านก็ท่านก็ไม่เดือดร้อนพระอริยสงฆ์ทั้งหลายท่านก็ไม่สิบ อีกใจหนึ่งเราก็คิดว่าคือถ้าถ้าป่วยเราไม่ได้เป็นภาระใครแล้วก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆก็แก่ไปกับชุดขาวหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยค่ะจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้ไ ม, ไม่เราก็คิดประมาณเนี้ยค่ะแต่พอคุณพ่อพูดมาแล้วก็เอ๊ะเราจะไปเป็นภาระคนอื่นไม่น่าอะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องกลัวเราถ้าถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วจิตเราถึงขั้นนั้นมันจะไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของนักทายถ้าไม่มีใครดูแลก็ปล่อยมันก็ดูแลไปตามมัรคภาพ แ, แล้วบอกได้ว่าถ้าถึงขั้นนั้นน่าจะมีคนยินดีมาดูแลเยอะแ่ะคลยคนอยากจะ<ต>ทําอุจภาพอะไยนี้นะแ ต, แต่แต่ก็คุยกับ ค, คุณพ่อคุณพ่อก็บอกอยู่แต่ว่าถ้าปฏิบัติดีมีลูกศิษลูกหาก็ไม่เป็นอะไรอะไรเงี้ยค่ะไปถึงคุณพ่อบว่าถ้าปฏิบัติดีก็คงไม่น่าห่วงดีไม่ดีมามามาดูแลพ่อแม่ได้ซิโดยทําไปค่ะถ้าเกิดพ่อแม่เป็นอะไรไปไม่ไมีการดูแล นี่ไม่ดีแม่เชียครับจะมีบารมีมาดูแลพ่อแม่สิหนูหนูคิดอย่างนี้ได้ไหมคะพระอาจารย์ก็คือถือว่าเราได้ได้ออกไปบวชชีจริงๆริงพอที่บ้านไม่สบายเราก็ค่อยมามาดูแลเขาแล้วเราก็ไปปฏิบัติต่ตอเมื่อเมื่อเขาโอเคแล้วหรือว่าเมื่อจบสิ้นกันแล้วอะไรเงี้ยค่ะคิดแบบนี้ได้ไมั้ยนะก็ก็ต้องดูเหตุการณ์ว่ามันขัดกับการปฏิบัติของเราหรือเปล่าแล้วก็เขามาปฏิบัติเข้าได้เข้าเข็มอยู่อย่างนี้ ถ้ามาดูแลเขามันอาจจะทําให้การปฏิบัติเราชะงักนี้หลายคนทำได้อย่างพระนนทร์ท่านก็ท่านได้เป็นพระสวราณบานก่อนที่จระเจ้อเอเอาองค์เขาตั้งให้พ้านนเป็นพระอุปัฏฐาพระนรินทก็เลยชะงักการปฏิบัติไปถึงยี่สิบกว่าปีได้ไงอต่พอพระเจ้าตายแล้วพ้านรนก็ว่างก็ไปปฏิบัติได้สามเดือนก็บรรลุได้ถึงขั้นสูงสุดได้ แต่ยังน้อยท้านก็ได้ขั้นแรกนะเหมือนฉีดยาเข็มแรกแล้วท่านปลอดภัยแลนะปลอดจากปลอดจากการที่ร่งกับบาวินไหวตายเกิดไม่เกิดเจ็ดชาติาค่ะจริงนะครับแ้ดูฐ า, านะภาพของเราได้ว่าเราไปอยู่ตัวเราอยู่ขั้นไหนแล้วตัวเราดูแลตัวเราเองได้หรือยังถ้ายังไม่ได้เราไปดูแลคนอื่นเดี๋ยวเราก็จมไปคนไหว้นะ้ําไม่เป็นไปช่วยคนจงน้ําก็จงไปได้วยการน้ำคุณค่ะ ก็มีคำเต็อนพาเราบอกพี่สาวที่สาวก็บอกว่าจะทิ้งพี่ไปเหรออะไรเงี้ยค่ะต้องมีทห่วงไม่มีไม่ทิ้งเราก็เจอกันมาเยี่ยมกันได้มาเยี่ยมกันที่วัดที่อะไรได้แอบคิดในใจว่าคิดถึงก็ไปบวชด้วยกันสิแทนที่เราจะอยู่กับเขาเดี๋ยวแอบชวนก็ไปหวชอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าที่บ้านคงคงไม่เราเพีเปลี่ยนอาชีพท่นเ่เปลี่ยนอาชีพแล้วก็เปลี่ยนบ้านอยู่อยากจะได้อยากจะพบปะกันนี้เมื่อไหร่ก็พบปะกันได้มาเยี่ยมเยียนกันได้ค่ะงั้น ก็ก็ดูเป้าหมายที่เราเอาจจะมีแกว่งมากไม่แกว่งมากก็คุยกับพระอาจารย์ก็สบายใจขึ้นค่ะว่าเราก็ยังไปได้อยู่แล้วก็ค่อยว่ากันว่าจะยังไงต่อไปค่ะในอนาคตก็แพนแพนไว้อยู่ค่ะพระอาจารย์ก็ดูพระพุทธเจ้าพระสาวองค์ทั้งหลายเป็นตัวอย่างถ้ามีแม่มีลูกมีครอบครัวกนะมัก็มีวันนี้มี คำถามอาจารย์เพียงเท่านี้ค่ะโอเคถึงคุณตระดาจากสัตย์เยนสวสระบาดนะค่ะระบาดหนักค่ะแต่ว่าไม่ได้ไปไหนค่ะอยู่บ้างมีคำถามอะไรไหมไม่ไม่มีค่ะอาจารย์ขอฟังค่ะต่อนะค่ะนี่เป็นคุณแดนสุปาดายากรสัการ์ค่ะใช่ค่ะ มีคำถามไหมวันนี้ไม่มีคําถามค่ะยินไปคุณ อ, อ้อมจอนคุณอ้อมจากบอวินน่าจะมารค่ะพระอาจารย์อาจารย<ช>์มาใสา<ะ>่บาทที่วัดใช่ไหมจําไม่ได้ัอใช่ค่ะ เ, เราต้องมองขันห้าเป็นไตรักใช่ไหมคะพระอาจารย์อมองว่ามันไม่เที่ยงเช่นร่างกายแล้วก็ไม่เที่ยตัวเรา มีความเชื่อมโยงกันกับการทำสมถะค่ะตัวที่เป็นสังขารแล้วก็วิญญาณเพื่อคุมมันไหมคะอ๋อแล้วคุมมันได้เป็นพักๆแต่เหมือนร่างกายเราก็คุมมันได้เป็นพักๆตอนนี้เราคุมร่างกายได้แต่ต่อไปมันเวลามันจะไม่ให้เราคุมมันจะเป็นมะเร็งนี้มันจะตายนี่าก็ไปคุมมันไม่ได้ ในที่สุดเราจะคุมมันไม่ได้แต่ในช่วงช่วงนี้ทวพ<ช>ุทธก<ช>็อยู่จิตได้ใช่ค่ะแต่ก็จะให้มันอยู่คิดไปตลอดไม่ได้อ<ม>เราถึงต้องให้มันคิดไปในทางปัญญาแทนถ้ามันจะคิด ม, มันคิดไปทางปัญญาเพราะทางปัญญามันจะทําให้ไม่เกิดทุกข์นั่นเองถ้าปล่อยมันคิดไปทางกิเลสมันก็จะเกิดทุกข์ขึ้นมาม พระพุจ้าว่ายังคิดอยู่หลังจากตัดสักนู้แล้วท่านก็ยังคิดอยู่เพราะสาวก้าแล้วก็ยังคิดอยู่แต่ท่านสอนให้มันคิดไปทางปัญญาคิดอะไรให้คิดแต่ทางตายรักเห็นอะไรก็เป็นตายรักเป็นท่านก็ไม่ทุกข์กับอะไรเ อ, อ่อตัวเวทนานี้เรามีอุเบกขาอยู่ด้วยใช่ไหมคะค่ะอาจารย์ไม่หรอกเวทนาก็เป็น แต่ตัวตัวที่ไม่สุขไม่ทุกนี้เราเป็นเรียกว่าอุเบกขาแต่ไม่ใช่มันเป็นเป็นไม่สุขไม่ทุกเวทนาเวทนามีสามสุขเวทนาทุกขเวทนาแล้วก็ไม่สุขไม่ทุกขเวทนาแต่ไม่ใช่อุเบกขาใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่อุเบกขาอุเบกขานี่คือใจกราสจากอารมณ์รับชังกลัวหลงใจใจนน่แต่บางทีคนเข้าใจผิดไปใช้คำอุเบกขาเวทนาไม่สุขไม่ทึกว่าเป็นอุเบกขาเวทนา แต่ไม่ใช่มันเป็นเป็นเป็นเมตนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์เหมือนยกตัวอย่างเวื่อความเมทนาใช่ไหมเวลาอิ่มข้าวกินข้าวอิ่มไว้ก็สุขควเวทนาใช่ไ่มช่วงที่ไม่หิวไม่อิ่มนี่เป็นยังไงนั่นละเ่ไม่สุขไม่ทุกข์อ่าไม่เพรเลยเฉยเลยก็เลยคว่าเป็นดูเวขแต่ไม่ใช่ไม่ได้ไปดูเค่ะ เวลาไม่ไม่สุขไม่ทุกข์นี่เวลาไม่อิ่มไม่หิวนี่ใจมันยังอยากจะกินขึ้นมาก็ได้มันใช่ไหมั้งมันไม่หิวมันไม่อิ่มมันก็มันไม่อิ่มแต่มันก็คิดว่าน่าอยากจะกินนะใจเพราะว่าอุเบกขาที่ใช้ผิดอุเบกขาที่แท้จริงนี่ใช่ถึงเกี่ยวกับความรู้สึกของใจอืใจที่เป็นการใจที่ว่างจากความรักชังกลัวหลงอืม ใ, ใช่ใช่ที่ศัก์แต่ว่ารู้เห็นอะไรคนด่าก็ไม่มไม่ไม่โกรธนะคนชมก็ไม่ไม่ดีใจไม่รักไม่ชังครับคือเหมือนขั้นต้นเราก็ฝึกภาวนาเพื่อที่จะมาคุมตัวเวทนาแล้วก็สังขารไหมคะพระอาจารย์แต่สุดท้ายแล้วมันก็ถือว่าเป็นไตลักษณ์มันคุมไม่เราเราไม่คุมเวทนาเราเวทนาเราคุมไม่ได้เราคุมใจ ไม่ให้ไปรากชังกับเวทนาได้อตอนนี้เราคุมไม่ได้ใจเราเวลาเกิดสุขเวทนาก็ยึดติดอยากให้มันสุดไปนานๆ<ะ>เวลาเกิดทุกขเวทนาก็อยากจะให้มันหายไปเร็วๆแต่ถ้าเรามาฝึกจิตให้มีอุเบกขาจิตเราก็จะเฉยเฉยกับเวทนาสุขก็เฉยทุกขก็เฉยคนละตัวกัน ตัวสังขารที่คิดปรุงแต่งได้ใช่ไหมคะก็ได้ละคิดปรุงแต่งนี่นมันถ้าคิดไปทางกิเลสมันกลายเป็นสมุทยัยเป็นตัวต้นเหตุของความทุกข์ใจเช่นอยากให้แฟนรักเราเปนานานน็นนานๆอย่างนี้กังวลแล้วพอเห็นแฟมไปคุยกับคนานั่นคนนี้หน่อยก็ทุกข์ใจขึ้นมาละแต่ถ้าไม่อยากใหเขารักเราเป็นนานๆเขานอยากจะเลิกเมื่อไหร่ก็เลิกได้แล้วก็ไม่สนใจเขาจะไปคุยกับใครก็ไม่เดือดร้อน นั่นคิดไปในทางคามเป็นจริงคิดว่าไม่มีอะไรแน่นอนใช่ไหมเป็นแฟนกันวันนี้พรุ่งนี้อาจจะกลายเป็นศัตรูกันก็ได้ค่ะคิดให้เป็นไตรักไปเลยอให้ได้เป็นใตรักไปอยู่ด้วยกันในวันนี้พรุ่งนี้อาจจะแยกกันแยกทางมันอยู่ก็ได้เนี่ยคือไม่มีอะไรแน่นอนเนี่ยคือความจริงใช่ไหม ก็ดูดูดูคนที่ก็เป็นคู่กันเป็นทัพทัเนี่ยเขาม่ยากกันก็ได้มันก็ไม่ยากกันบางคู่เขาก็ไม่ยากบางคู่เขาก็ยากไม่มีอะไรแน่นอนยิงไปหวังไปหวังให้มันแน่นอนไม่ได้ไม่แยกวันนี้ก็แยกวันหน้ากไม่ใช้อะไรก็ต้องตายจากกันต้องมีการทัดท่าจากกันเป็นธรรมดาก็ต้องสุดายใช่ไหมคะ คิดอย่างนี้เราก็จะสบายใจเวลาเกิดการแยกกันเวลาไม่แยกก็ไม่เดือดร้อนอ่ะเวลาไม่แยกก็อยู่ด้วยกันไปนี่คือสังขารนะสังขารมันต้องคิดเนี่ยเราต้องบังคับว่ามันคิดไปในทางปัญญาคิดไปทางไทยละอืะอย่าคิดไปทางสมุทยัยถ้าเป็นสมุทยัยโอ้ยเขาต้องรักเราต้องเป็นของเราไปตลอดเขาไม่เปลี่ยนแปลงเสมอต้นเสมอไป ไม่นับรู้นับทางอะไรเนี้เป็นความที่ของกิเลสนะเพราะเราจะไปรู้แล้วเขาจะเป็นอย่างที่เราอยากให้ก็เป็นได้หรือเปล่าค่ะ อ, ะอาจารย์ั้ถ้าจะสังขารนี่ก็บังคับให้นคิดไปทางปัญญา ฝึกสอนให้มันคิดไปทางปัญญาแต่ตอนต้นยังบังคับมันให้คิดไปทางปัญญาไม่ได้เพราะกาลังเราอย่างน้อ ย, อยสติอย่างน้อยก็สอนสอนให้มันหยุดคิดก่อนเพิ่มแค่มันหยุดคิดก่อนใช่พุโทโธพุโทโธพุโทโธก็เป็นสังขารอีกตัวหนึ่งเวลาต้องพุทโธเราก็ใช้สังขารเหมือนกันทีนี้เราใช้สังขารที่มาหยุดความคิดอื่นๆกัน ค, ความคิดอย่างอื่นไม่ให้เกิดขึ้น พรถ้าเราท่องพุโทโธพุโทโธเราจะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ค่ะเพะจดจ่ออยู่กับพุโทโธอา่า น, นเขาเป็นอุบายวิธีที่จะทําให้เราหยุดคิดถึ ง, ถงเรื่องราวต่างๆคิดหยคิดไปทางกิเลสได้แล้วตัวเวทนาเขาค่ะเวทนาก็คือผลจากปานผลผ ล, ผลที่ได้รับจากการกระทบมันทางตาหูจมูกลิ้นกายนะเวทนามันมาสองทางมาทางร่างกายทางหนึง่งทางใจ แล้วทางใจก็เกิดจากความคิดของเรานี่นหละอ่าค่ะก็คือสังขารสังขารที่ไปในทางกิเลสก็ทุกข์ใจขึ้นมาค่ะคิดไปทางธรรมันก็สุขใจขึ้นมาอ่าอาจารย์นะแล้วให้คิดไปทางคิดแแล้ววต่่าทางทางใจหรือทางกายจะรีแอคใช่ไหมคะจะมีปฏิกิริยากับมันคือทางร่างกายบางทีเราไป ควบคุมบั ง, บงคับไม่ได้เช่ร่างกายมันจะป่วยแล้วก็จะไปห้ามมันไม่ได้แต่ความทุกข์ทางใจนี่เราห้ามมันได้เพราะมันเกิดจากสามทางความคิดปรุงแต่งขอใจเราให้มันอย่าให้มันคิดไปทางกิเลสมันก็ไม่ไีเกิดความทุกข์ใจได้ค่ะยังความทุกข์การรู้สึกทุกข์นี้มันมามาสองทางมาทางร่างกายมาทางตาหูจมูกนิ้วกายแล้วก็มาทางทางใจ บางทีน้องเอ ม, มาผสมกันเช่นทางตาเห็นรูปแล้วก็เปลี่ยดเขาขึ้นมาอย่างนี้ก็เป็นกิเลสนะเป็นทุกข์ใจนะพยายามทําทความเข้าใจตัวนี้อยู่ค่ะใจปรุงแต่งโดแล้วมอรูปเหมือนกับกล้องอะกล้องมันมองทั่วมันเฉยๆยังไมันมันไม่มีรักไม่ชังกับรูปที่มันเห็นตาเราเห็นรูปแล้วใจเราก็ต้องอสักว่ารูปอย่าไปรักไปชังเนี่ยเราต้องมาฝึกสมาธิเพื่อได้ทุ่มเด็ดขา ล้ว ต, ต่อไปมันก็จะเห็นรูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะสักแต่ว่ารู้เห็นไปยังไม่มีรับชัำกับรูปเสียงกลิ่นรถมันก็จะไม่เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาแตแต่รูปเสียงกลิ่นรสบางอย่างนี้เราก็บอกทบมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้เช่นเสียงดังร่าดิเงี้ยมันก็ทำให้ปวดหูแสบหูขึ้นมาอันนี้ก็เป็นทุกข์ทางกายทางทางหู เราเห็นเห็นแสงสว่างจ้าในกรทั่งตาผ้าตา m ูเนี่ยมันก็เป็นทุกข์ทางตาแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสังขารทางทิตติแต่เกี่ยวกับความบกพร่องของร่างกายทางการนี่เราหลีกเลี่ยงได้บางทีก็หลีกเลี่ยงได้บางทีก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยหลีกเลี่ยงไม่ได้เขาถึงมีหมอตาหมอหูมอมีหมอจมูกไปมาคอยซ่อมให้เ่ย เพราะเขามันใช้แบบมันก็เก่าลงนะเก่าลงมันก็เสียได้เหนียวตาก็เก่าเหนียวหูก็เก่าเหนียวอะไรมันก็เก่ามันก็ใช้งานมันก็ได้นี่ใครรู้ก็แล้วมันเป็นอนิจจ์นะอันนั้นตาเราไปควบคุมไปสั่งให้มันดีไปตลอดไม่ได้ไม่ว่าจะตาหูจมูกเน้นกายมันไปบังคับให้มัน มันไม่ช้าก็เลยก็ต้องเสียโรงยาบาลแล้วพอซ่อมไม่ได้ก็ูไปสู่วัด ต, ต่อเข้าลงต่อไปขค่ะคอาจารย์ค่ะ <c oughs> หมดคำถามแล้วค่ะค่ะบ<อ>ุญนัทต่อบุญนภัทรอยากกอธรอยังยมบุญนภัทรการนมัสการเจ้าค่ะ ก็มีประมาณสามหัวข้อเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็คือก่อนหน้านั้นที่ลูกเคยเรียนพระอาจารย์ว่าลูกตั้งแต่วันอัมีบูชาลูกเริ่มทานข้าวแค่หนึ่งมื้อกับสองมื้อนะเจ้าค่ะตอนแรกบอกว่าทานหนึ่งมื้อในวันที่ไม่ได้ทํางานแล้วก็ทานสองมื้อในวันที่ทํางานปรากฏว่าพอเป็นไปเป็นมาเรื่อยๆเจ้าค่ะพระอาจารย์แม้แต่ในวันทํางานมันก็ไม่อยากกินมื้อที่สองแล้วเจ้าขังพระอาจารย์ ม, มัน มันเป็นไปโดยไม่แน่ใจมันอัตโนมัติหรือเปล่าเจ้าค่ะพาจารย์เพราะว่าพอซื้อข้าวตอนปกติถ้าวันทํางานจะซื้อข้าเช้ากะเข้าเที่ยงมาใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์<ม>ได้เอาเข้าวเที่ยงอะค่ะไปให้คนอื่นทานเพราะว่าเราเรามันไม่อยากทานเองอะเจ้าค่ะพอาจารย์แล้วก็ลองประมาณช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือลองทํางานแบบ แบบปกติเลยคือทำดึกทาอะไรทาหนักปกติแต่เรากินข้าวแค่มือเดียวก็อยู่ได้เจ้าค่ะอาจารย์ยังนี้คือถูกจริตเราใช่ไหมเจ้าค่ะพอาจารย์ได้ถ้าทำแล้วมีความสุดแล้วก็มันก็ช่วยป้องกันในบบนิมมอนต่างๆได้ค่ะเหมือนกับว่าความมีสติมันมากขึ้นด้วยเจ้าค่ะอาจารย์ในการทำงานด้วยเจ้าค่ะอันดีเพียงแต่ว่า อยากจะเอามาใช้ทางธรรมจะดีกว่าแต่ถ้ายังใช้ทางธรรมไม่ได้ก็ใช้ทางโลกไปก่อนค่ะก็ทางธรรมก็ยังกลับขอเข้ามาพระอาจารย์ยังไม่ได้สมถะตามที่เคยเคยพระอาจารย์เคยแนะนําไว้แต่ก็พยายามใช้สติระหว่างวันมากขึ้นเพราะเพราะช่วงช่วงเดือนจูนยเนี่ยค่ะช่วงมิถุนาเนี่ยค่ะลูกทํางานแทนคนอีกคนหนึ่งด้วยเจ้าค่ะมันก็เลยเหมือนกับว่า ถืองานสองอย่างมันเธอเลยทําให้เวลาการทํางานมันกินเวลานิดหนึ่งเจ้าค่ะผ่าจังแต่เดี๋ยวเดือนจะลองดูเดือนเดือนกรกฎาต่อไปเจ้าค่ะปฏิบัติมากขึ้นเจ้าค่ะผ่าจังเราจะพุ่งเป้าไปที่การปฏิบัติเพิ่มให้มากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าต้องการให้มันก้าวหน้าทันทำก็ต้อปฏิบัติทันทำให้มากขึ้นไปเรื่อยๆเจ้าค่ะผ่าจังแล้วก็เมื่อเมื่อวันที่ยี่บเก้าคือเมื่อเมื่อ เมื่อวานนะเจ้าค่ะก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่วัดวัดภูมิธรรมภูมิปัญญาเหมือนกันเจ้าค่ะพระอาจารย์คือเราไปทํางานนอกสถานที่แล้วก็ต้องอยู่กับสาขาอย่างเงี้ยค่ะต้องทํางานเหมือนอยู่อยู่มีแอคทิวิตี้ตลอดเวลาแล้วในการเทสระบบอย่างเงี้ยพอเราเราเริ่มทํามันเขาเขาระยะเวลาที่ใกล้จะเย็นแล้วเนี่ยเขาก็โทรมาเร่งเราอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าว่ า, วายังไม่ทํำไม อต่ยังไม่เสร็จเหรออย่างเงี้ยเจ้าค่ะเราก็มีอาการหนึ่งคือตอนแรกเขาไลน์มาไลน์มาถามว่ายังไม่เสร็จเหรออะไรเงี้ยเจ้าค่ะอาจารยเราก็มีอาการหนึ่งคือโทรกลับไปหาเขาว่าเราขอเวลาพักนิดหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าเราเรายืนยืนในการทํางานมานานแล้วอะไรเงี้ยเจ้าค่ะเราใช้แอคทิวิตี้ใช้เอเนอร์จีในการทํางานมานานแล้วขอเวลาพักนิดหนึ่งแล้วก็มาว่า การส่งงานมันช้าทําให้มาช้าที่เราเห็นเจ้าค่ะแต่ลูกมีความกังวลนิดหน่อยเจ้าค่ะว่าน้ําเสียงของลูกอะค่ะคือลูกไม่ได้พูดไปในลักษณะที่ต่อว่าว่าว่าหรือด่าอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะพะอาจารย์แต่น้ําเสียงของเราคือเหมือนกับมันเป็นน้ําเสียงที่เหมือนมีอารมณ์นิดๆอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพอาจารย์มันก็ยังไม่เหมาะสมใช่ไหมเจ้าค่ะพอาจารย์อาจารยต้องการปฏิบัติเพื่อกําจัดอารมณ์ัก็แสดงว่าเรายังทําไม่ได้อ๋อค่ะ งั้นก็ใช่เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามันมีการใช้น้ําเสียงที่ที่มีการมีการใส่อารมณ์นิดหน่อยด้วยเจ้าค่ะแสดงว่าถ้าจริงจถ้าเรามีโอเบกขาจริงๆเราจะต้องแบบไม่ไม่ตามเหตุตามผลไ ป, ป, ไปคุยกันตอนเนี้อ๋อเจ้าค่ะอืเจ้าค่ะคุยกันตามเหตุตามผลไปนะจ๊ะไม่มีอารมณ์เกี่ยวข้องด้วยอืมไม่มีความไม่พอใจเกี่ยวข้องด้วยอืมเจ้าค่ะพระจ่า แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือจากการปฏิบัติมาเรื่อยๆอะค่ะพระอาจารย์ต่อเนื่องอะ่ะต้องขอยืนยันว่าที่พระอาจารย์บอกว่าพอพอเราปฏิบัติมากขึ้นมีความสันโดษมากขึ้นน่ะเจ้าค่ะเงินเราจะเหลือมากขึ้นเจ้าค่ะพระอาจารย์อย่างที่ลูกเคยมีมีเกิดขึ้นกับตัวเองคือสมัยก่อนลูกก็คือ เวลาซื้อรองเท้าเนี่ยจะซื้อคู่ละสามพันห้าพันอย่างนี้เลยนะคะทีละมากกว่าหนึ่งคู่ด้วยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพอหลังจากปฏิบัติมาปฏิบัติธรรมมาเรื่อยๆแล้วก็ไม่อยากได้สิ่งนั้นเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ตอนนี้คือใช้รองเท้าประจําอยู่แค่คู่สองคู่เดียวหรือมีอีกคู่หนึ่งไว้อีกนิดหนึ่งไว้สำรองอย่างเงี้ยเจ้าพระอาจารย์มันก็ทําให้เราอ่ะมีเงินมีเงินเหลือพอสมควรเลยเจ้าค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือก่อนหน้านี้ก็คือไปสมัครฟิตเนสไป ออกกําลังตายมันก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงใช่ไหมเจ้าค่ะเราเราก็ไม่เห็นความสําคัญเราก็เลิกอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์เงินเราก็เลยมีมาช่วยในแง่ที่ว่าดูแลตัวเองด้วยแล้วก็พอคุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนต้องการให้ช่วยเหลือเรื่องเงินหรือเงินเวลาเราอยากทําบุญแล้วก็มีเงินทําบุญมากขึ้นอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ใช่เพราะเงินที่เราไปใช้กับกิเลสมันมันลดน้อยลงไปเรื่อเมื่อเราปฏิบัติธรรมแล้วใจเราเริ่มมีความอิ่มมากขึ้น มีความอิม่มมีความสุขในตัวไม่ต้องไปหาความสุขทางตาเหมือนก็เลยไม่ต้องเสียเงินเสียทองค่ะเพราะตอนนี้ก็คือเงินที่ใช้หลักๆ ก, ก็จะเป็นอะค่าอาหารค่าเดินทางอย่างนะี้เจ้าค่ะพอาจารจริงๆเลยนะเจ้าค่ะงานที่จําเป็นต้องใช้อ่ะครับมันกับสิ่งที่จําเป็นแต่ถ้าทางทางกิเลสเ น, นี่นก็ถ้าจะถ้าจะแทบจะปิดประตูกั้นได้หมดอย่างนี้ใช่เจ้าค่ะเพราะว่าอย่าง <pouch. S 2> ที่ผ่านมาลูกขออนุญาตเจ้าค่ะลูกโทรไปบอกคุณแม่ว่าท e. ี่เคยสัญญาว่าจะพาจะพาไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ขออนุญาตไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่รักษาสัญญานะเพราะว่าเราความรู้สึกเราคือเราไม่อยากไปเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วเราก็ควรเออต้องโทรไปขอเขาเพราะเราเคยสัญญาเขาไว้แต่ก็โชคดีเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรลูกก็เก็บเงินไว้ทําอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ก็มันไม่อยากไปเที่ยวไม่อยากไปไหนเลยไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์ ถ้าจะถ้าจะไปก็ไปวัดกันไม่ลองถามแม่ดูจะเจ้าขเ <laughs> จ้าขาพระอาจารย์ค่ะแล้วก็มีคุณป้าที่อยู่ในเ c e b o o k ท่านเดิมฝากถามนิดนึงเจ้าขพระอาจารย์พอดีท่านน่ะเป็นเป็นคนสูงอายุนิดนึงที่อยู่อยู่บ้านอยู่บ้านคนเดียวแต่ก็มีญาติอยู่บ้านติดกันนะจะค่ะแล้วก็ท่านก็อยากจะสอบถามคําแนะนำจากพระอาจารย์ว่า ขอคํำแนะนาพระอาจารย์ว่าการปฏิบัติของท่านในแง่ที่ว่าเป็นคนที่อยู่บ้านคนเดียวแล้วก็อยู่อยู่เฉยๆไม่ได้ทํางานเนี่ยค่ะหลักการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจําวันของท่านควรจะเป็นอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็คอยควบคุมจิตใจด้วยสติอยู่ตลอดเวลาอย่าป่อยให้ใจคิดไปอดีตไปอนาคตแค่อยู่ในปัจจุบันให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ ให้อยู่กับอยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่หยู่บ้านกําลังอาบน้ําเพื่อให้อยู่กับการอาน้ํารับประทานอาหารทำ ก, กับข้าวเรื่องอะไรก็ให้อยู่กับงานที่เราทําำให้อยู่ในปัจจุบันอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วอย่าไปคิดถึงเรื่องที่จะมาต่อไปในอนาคตตอนนี้ฝึกจิตให้ว่างจากความคิดก่อนให้จิตมีสติหยุดความคิดให้ได้ แล้มีเวลาว่างก็ให้นั่งสมาธิให้เท่าฌานให้ได้หรือถ้าเวลาอื่นถ้าไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้นั่งสมาธิก็ไม่ได้ทํางานอะไรก็ฟังเทศฟังธรรมไปอ่านหนังสือธรรมะไปเพื่อเพื่อเสริมความรู้ทันทันไปเรื่อยๆก่อนหรือถ้าไปทางปัญญาได้ก็เวลาจะคิดถึงใครก็ให้คิดว่าเป็นไตร ล, ลักษณ์ไปให้คิดถึงอะไรก็คิดว่าเป็นแม่ข้อม คนนี again, ้เดียวก็แก่เจ็บตายคนนั้นก็ต้องแก่เจ็บตายเป็นเกินแนวทางของการอยู่คนเดียวอยู่ยอยู่อยู่กับการปฏิบัติธรรมเจริญสตินั่งสมาธิในความเทศจความธรรมในปิจนาธรรมพิจรนาธรรมปัญญา อย่างอย่างปัญญานี่คือจะไปในเรื่องไหนก็ได้แต่ขอให้ลงใจรักอย่างนี้ใช uh, ่ไหมเจ้าค่ะคิดถึงใครก็ต้องเป็นใจนะหมดคิดถึงเพื่อนคิดถึงเงินทองคิดถึงอะไรก็คิดถึงร่างกายเราก็ลงไปที่ใจรักหมดอ๋อเพราะคือทางปัญญานี่คือจับใจรักอย่างเดียวคือจบเลยใช่ไหมเจ้าค่ะจบเลยอ๋อก็ก็ก็ดีมีหลักการที่ที่ที่อย่างเดียวเลยเจ้าค่ะเจ้าค่ะ ข่าพราะจารย์แล้วก็สุดท้ายเจ้าค่ะพระจารย์ไม่ลูกไม่แน่ใจที่ลูกส่งของไปไม่รู้ได้หรือเปล่ายังไม่เห็นมีพระท่านใดโทรกลับมาแต่ลูกก็ไม่ได้กังวลมากนะเจ้ า, าค่ะแค่แค่กลัวว่าลูกส่งไปผิดที่ผิดอะไรหรือเปล่าแค่นั้นเองอ่ะเจ้าค่ะอออืถ้ามีหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่เราก็สั่นพากันไว้แล้วถ้าใครรับก็ช่วยตอบให้ด้วยเจ้าค่ะบางทีเราก็ไม่ได้มาคอยติดตามหรือคอยเปิดดูของที่รา คนส่งมาส่วนใหญ่แล้วก็เมื่ไหว้พระก็ช่วยจัดการให้ถ้าไม่มีอะไรที่มันเจาะจงที่กับเราโดยตรงนี่ถ้าแบบว่าพระใช้ได้แล้วใครต้องการใช้ก็แล้วก็ให้ก็ไปใช้ไปค่ะยิน ด, ดีเจ้าขาเป็นสังฆทานไปเลยเจ้าขาค่ ะ, ะลูกก็ตั้งจิตอย่างนั้นไว้เจ้าขาพระจ่าถ้าถ้าส่งไวแล้วก็ก็อย่าไปกังวลกับมันนะทีว่ว่ามันหมดหน้าที่เราแล้ ว, ลวมันจะถึงไม่ถึงนี้เราก็ มันเราก็ทําอะไรไม่ได้นะจะขอจะขอาลาดจ้ะค่ะแต่ถ้าอยากจะให้ง่ายเวลาเวลาส่งไปถ้าเขียนเบอร์โทรศัพท์ไว้ได้ก็ดีเขาจะได้ตอบเพร า, าสะสมัยนี้นึ่นงทางไปรษณีนี้มันไม่ค่อยสะดวกจดหมายทางไปรษณีย์ไม่ค่สะดวกค่ะเพราะทีบ้านที้อยู่หา่างจากที่ทําการไปรษณียต้องเกือบสี่สิบโลโอย่างเงี้ยยี่สิบโลโอย่างเงี้ยสามโลมัไม่สะดวกที่จะส่งจดหมายกั อันนี้ก็ใช้โทรศัพท์เดิมเดี๋ยวนี้ก็มีไลน์กันนี่นะคะนะคะค่ะก็ก็เดี๋ยวลูกก็คลายความกังวลไปเจ้าค่ะอาวุโสค่ะสำหรับวันนี้ลูกมีประมาณเท่านี้เจ้าค่ะอาจารยบวลกราณเท่านี้าค่อุณสุสหรละา่เคุณสุสาหรัวันลมะคุณสุีจ่อาวะับวันนี้ลูกมีประม่น้จา้อากำรับนมั้การเจ้าค่ะ้าวรบะาจารย์ มนคำถามแมมีเรื่องหนึ่งเจ้าค่ะคือแม่เขาอยากให้ลูกเนี่ยทําบุญให้น้องแล้วที่นี้เป็นประเพณีทางอีสานหนูว่ามันบุ่นวายหนูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อยากเอาเง่ายๆก็เลยจะถามอท่านพ่อจันให้ชี้แนะด้วยเจ้าค่ะคือน้องผูกคอตายแล้วที่นี้แม่เขาก็ อยากให้เอาไปอีสานหนุ้ยบอกว่าหนูจะทําง่ายๆแต่หนูจะถามท่านพระอาจารย์ว่าเราต้องทำไงบ้ า, บางก็ส่งเงินไปให้แม่ทําแทนให้เราก็ได้แมแม่อยู่กับกับกับนูเจ้าคะ่ะอ๋อแล้วแม่แม่อยากจะไปทําบุญที่อีสานตอนนี้อยู่กรุงเทพนุ้ยแม่อยู่ไทยใ ห, ให้ให้ลูกสาวเลี้ยงที่อรุงเทพนุ้ยอยู่กรุงเทพ และทีนี้เวลาไอ้หมดโควิดเนี่ยหนูก็เลยบอกว่าถ้าไปบ้านเราอะ่ะหนูว่ามันไร้สาระเพราะว่าอะไรพิธีกรรมนู่นนี่นั่นมันเยอะคนที่เขจนก็เหมือนแบบมาลุมกันยังไงก็ไม่รู้ค่าวัวค่าควายหนูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ตรงนี้ก็เลยอยากให้พ่อาจารย์แนะนําว่าเออทำอย่างนี้แล้วก็จะไปไปไปบอกคุณแม่ค่ะก็ทำบุญสะดวกดีที่สุดที่ไหนใกล้ จะเหลเราทําที่นั่นทําที่วัดไหนก็ได้หรือทําที่โรงพยาบาลก็ได้โรงพยาบาก็ได้สถานที่เห า, <บ>านี้แบบสังฆทานหรือว่าเลี้ยงพาอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะแล้วแต่เราจะจะทำที่ดีควรจะไปดูว่าผู้ที่เขารับนี่เขาต้องการอะไรอยูดีกว่าบางทีไปให้ของที่เขามีเหลือเฟือแล้วเพราก็รับไปเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ทําให้มีผลแตกแตกต่างกับเขาะ ถ้าไปถามก็วัดขาดหรืออะไรที่ต้องการอะไรที่วันที่เราไปให้สามปรถทานแด้ครับวัดยังค้างค่ า, าไฟอยู่สามเดือนนี้เราสามารถทานไปจ่ายค่าไฟไม่ได้จ้ะไอโ น, นก็ว่าจะไปมอบเป็นไหนไออะไรที่ใช้เหมือนแบบว่าเป็นเงินเป็นอะไรแต่ความตั้งใจหนูว่า ถ้หมดโควิดหรือว่าได้ฉีดยาหรือว่าอะไรหนูก็ชวนแฟนว่าจะไปกราบน้ามันปลาจาย์แล้วก็จะถวายเป็นค่าอะไรไปให้ทางวัดแต่เป็นเงินทีิตนี้หนูว่าทําอย่างนี้มันจะงาจะ่า ย, ยมากกว่าจ<า>่ง่ า, งายเพาะบางทีสังฆทานที่ทุกคนมาสังฆทานสังฆทา น, านแลมันเต็มไปหมดนะนไม่คอ่อยไม่สังค่อยไม่่คอยเอาแบบนัะส่วนมากหนูนะจะเอาแบบมีประโยชน์ แล้วก็ถ้าไปทางอีสานก็ชาวบ้านหนูรู้สึกว่าไม่ค่อยศรัท ธ, ธาแล้วมั่งว่ามันรู้สึกคนจนก็จะมานั่งลุมเขารู้สึกว่ามันนู่นอยากกินลาบบัวอยากกินนู่นกินนี่หนูก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยถูกนิดใจหนูสักเท่าไหร่ทำบุญได้อยอมกินมากกวาให้ภาคกินนช่ไหมทำ <laughs> บุญใาคนไี่ไปร่วมบุญด้วยกันใช่ไห ไ อ, ไอ้ตรงนั้นหนูก็ไม่ว่าหรอกแต่ทีนี้มันรู้สึกจุกจิกอันนู้นก็ขาดอันนี้ก็ขาดแล้วมึงมามึงจะมาเอาอย่างนี้ให้กูกินหนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่ได้บุญน่ะหนูรู้สึกว่าหนูว่าเอ้ยน่าลาคาญและทีนี้ก็คุยกับแ ม, แม่แม่แม่เสียนะอย่าให้หนูเป็นบาปนะหนูไม่เอาแม่ไปอีสานหรอกหนูรู้สึกว่าหนูว่ามันไม่ได้บุญน่ะ <laughs> ทีนี้ไอ้ไอ้ เอ้ชาวกได้กิดไอ้แม่ค่ะอยากได้ก็เขาทําไปเหอะหนูเนะี่ยไปในงานแม่แต่หนูไม่เอาแบบนี้ <Okay. S 2> ไม่รู้ว่าหนูจะเป็นบาปหรือเปล่าคุยกับแม่อย่างเนี่ยก็ไม่หรอกมันก็เป็นความจริงใช่ไหมทบุี ม, มันต้องเกิดประโยชน์กับผู้รับแล้วก็เกิดประโยชน์แล้วกผ็ผู้ให้ก็จะมีความสุขใจอิในใจแน่เนี่หนูชอบตรงอย่างนี้แหละ<อ>ชอบอะไรที่แบบว่าสบายแล้วก็สะดวก<อ>แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงๆ นั่นนะควรจะเะลงไว้ตรงนั้น ด, ดูประโยชน์ของผู้รับเขา ก, ากาดแคนอะไรให้สิ่งที่าก็ขาดแคลนลนี้่ะแล้วอผู้ตายเนี่ยเราก็กวัดนา้บออทิปแล้ ว, วก็อุทิศได้จ้ะจ้มีมีแค่นี้เละเจ้ า, าค่ะขอบพระคุณจ้ะจ้าทุกคุณยินดีมาจากเมือง น, นอกจากเมร อ, องเลกกาเจ้าทลายหน้า สวัสดีค่ะท่านอาจารย์เข้ามากราบค่ะท่านอาจารย์เดวิดเข้ามากราบด้วยคับแก่นะไม่คำามเลยนะกราบฝากเซียนสวัสดีกับเดวิดด้วยนะขอบพระคุณมากค่ะท่านอาจารย์โอเคเมืเช้านี้น้องชายก็มาทรายบารบอกเขาว่าคืนนี้พี่จะเข้ามาถ้าอยากเห็นพี่ก็เข้ามาดูได้อาจารย์ค่ะเราดูอยู่เปล่าค่ะขอบพระคุณมากค่ะที่ที่ท่านอาจารย์เมตตาเขาอะค่ะเพราะว่าเออ่น้องชายเนี่ยจะกลัวท่านอาจารย์มากค่ะ หนูก็เลยแบบหนูดีใจค่ะคือที่แบบก็หนูก็ไม่เคยกล้าพูดหนูไม่กล้าพูดอะไรอันนี้โอเคนะเอาท่านนี้ก่อนนะท่านไม่มีอะไรขอบคุณมากครับในที่คุณปรีดีต่อคุณปรีดีพานเปอร์เซ็นต์พระอาจารย์ครับกลับมามาตรการครับพอาจารย์ครับได้ยินไหมครับพระอาจารย์ได้ชัดเจนได้ยิชัดเจนครับมีบคําถามไหมวันนี้ วันนี้มีคําถามแล้วพระอาจารย์ครับก็พยายามเจริญสติครับเดินเดินโจงกรมอยู่พอยิ่งพยายามเยอะขึ้นการนั่งสมาธิมันก็เหมือนกับถอยลงไปเรื่อยๆครับพระอาจารย์ครับอย่างยังแต่ ก, ก่อนเคยแต่ ก, ก่อนเคยนั่งได้วันประมาณสักสองชั่วโมงครับแล้วก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกดีครับหมายความถึงว่า มีสติรู้ถึงคำพุโทโธครับพอสักอาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมาเหมือนกับจะนั่งสมาธิไม่ดูคล้ายๆกับจะไม่ได้ครับอาจารย์ครับพอพยายามนั่งปั๊บก็ได้สักประมาณสามสิบนาทีบ้างสี่สิบนาทีบ้างครับแล้วก็แล้วก็วกคือ คือการเข้าสมาธิมันดูเหมือนกับจะไม่เข้าครับรู้ตัวว่าพุโทโธพุโทโธแต่รู้สึกเฉยๆครับไม่มีความรู้สึกว่ามีความไหลอะไรเลยครับพระอาจารย์ครับถึงแทนที่จะมีสมาธิดีขึ้นหรืออะไรขึ้นกับดูน้อยลงถอยลงไปเรื่อยครับพระอาจารย์ครับแทนที่มันน้อยลงแล้วะสติเราหย่อนยานลงไปนั่เนเองผลการปฏิบัติจะดีและไม่ดีอยู่ที่สติของเรา ยันได้จะไม่ได้เจริญสติมากพอเหมือนเมื่อก่อนนี้รืเปล่าครับก็เดินจงกรมก็ถือไปเยอะนะครับพอาจารย์ครับแล้วก็ื่อเมันเดินบแบบไหแบบนเดินแบบใจนอนเนเดินแบบในสติมันไม่เหมือนกันมันไม่ได้อยู่ที่เวลาครับดูเอ่อพอพอใจลอยปั๊บก็พยายามหาบทสวดมนต์ครับแล้วก็ก็องั้นทำไมไม่กลับไปทําแบบเดิมหนกัน ถ้า แ, แบบที่ไม่ดีก็กลับไปทําแบบเดิมดูครับดีไหมครับจะลองดูก็ปกติก็พยายามทำอย่างนั้นอยู่ <ทำ S 2> แล<บ>้วแบบเก่านี้ก็แบบใหม่ก็กลับไปใช้แบบเกา่าแล้วแบบใหม่ไม่ดีครับก็เลยก็เลยแยกไม่ค่อยออกครับอาจารย์ครับว่าเอ๊ะทาไมเหมือนกับกับเอสมาธิ จะดูดูเข้าสมาธิไม่ได้ครับอาจารย์ครับเพราะนั้นแหละเพราะว่าเราไม่มีสติปล่อยให้ใจมันจะปล่อยให้ใจอยากเข้าอยากเข้าแตความอยากเข้ามไม่ได้ทําให้ใจเข้าได้มันต้องหยุดความอยากเข้าอาจจะหมามัน่นปั้นเมยมากเป็นไปแล้วมันนี่ยันส <c oughs> มองเยอะต้องนั่งสมาธิต้องได้ต้องเข้าได้ครับ <c oughs> พอาจารย์ครับ ลองกลับไปทําแบบเก่าดีกว่าครับครับพระอาจารย์แต่แบบเก่านั่งสงบดีกว่าแบบใหม่แล้วก็กลัไปใช้แบบเก่าครับพระอาจารย์ครับกระดับขอบพระคุณพระอาจารย์มากครับบางทีบางทีปัญหามันก็พื้นๆแต่ว่าไม่ทราบว่าจะจะถามใครครับก็พอมีสูมก็เลยเลยได้ได้ได้เข้ามากระับถามท่านพระอาจารย์ครับ คือ น, นี้ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าการเป็นโยกม์ไม่ดีนะความจริงถ้ามันเดินถูกวิธีมันน่าจะเวลามันมนั่งสมาธิมันน่าจะนั่งได้นานกว่าได้สมดุลได้มากกว่าครับอาจารย์ครับ น, นี่เราก็ไม่ทราบมันเป็นเพราะอะไรเราก็เพียงแต่วิราะแบบรวมๆว่าถ้านั่งไม่ได้ผลก็แสดงวาสติไม่ดีครับอาจารย์ครับเงแบบั้นพอเข้าใจแล้วครับขอบขอบพระคุณพระอาจารย์อย่างสูงครับพระอาจารย์ครับผมมี ปัญหาอยู่ประมาณนี้แค่นั้นดีครับอาจารย์ครับสาธุเดี๋ยวยไปที่ท้านต่อไปนะคุณสุทธัชรีคุณหมออันนี้ก็หมอสัวาวแพทย์มีคําถามอะไรบ้างวันนี้วันนี้ไม่มีมมไม่มีคําถามนะไม่มีค่ะโอเควันนี้ก็ขอผ่านนะแต่ที่คุณสุภากร<อ>ต่อ พาพรไม่มีคำถามค่ะโอเคเน้นไปที่คุณทวิสาอยากสวสิตเซอร์แลนด์คุณทวิษากล่าวและมั ส, สการท่านอาจารย์ค่ะมีคำถามไหมไม่มีคำถามกค่ะอาจารย์เข้ามาชัดตลางกับอาจารย์ค่ะก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมอยู่ ค่ะเหมือนเดิมค่ะทุกวันพุกเช่นเดิมคับพระอาจารย์พยายามรักษาไว้นะแล้วก็ทำเพิ่มมากขึ้นค่ะจะพยายามเพิ่มแต่บางทีก็ยังเพิ่มไม่ได้ค่ะพระาจาย์แต่ก็ย้ายมันน้อยลงก็แล้วน่ะย้ายมันน้อยมีบ้างอยู่ค่ะพระอาจารย์เดินถอยหลังเดินเก้าเข้าไปข้างหน้าเดินสองเก้าถอยหลังมาครึ่งหนึ่งอีกแล้วค่ะแต่ว่าจะดี พยายามมากขึ <unlucky> <AM LGBTQ> ้นค่ะพระอาจารย์ได้การพยายามรพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะค่ะพระอาจารย์ค่ะบขอบพระคุณค่ะค่ะคือคุณอบคุณริชจากวายองใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ไม่มีคำถามเจ้าค่ะขออนุญาตเราฟังเจ้าค่ะน้นคุณสภัทนาจากบอเวนน ไปยังไงมีคําถามไหมอยากมาสักการ์ดอาจารย์แล้วค่ะก็ฟังหลายท่านตอบมาได้คาตอบแล้วจ้าอาจารย์หลายหลายข้าวขาบินกันนะคะวันนี้ก็มากราบอาจารย์แล้วก็ขอฟังทำานอเคเห็นคุณโอเลดมคุณโอเลดมอยู่บ้านอยู่บ้านค่ายอยู่นะยองนั่นอยู่กวแดงครับผมกวางแดงยังไงมาสักการครับผมวันนี้เข้ามาได้ยังไง ยิ่งทำเป็นครับครับยิ่ทำเป็นขอโอกาสครับคือการทำบุญทำทานเนี่ยยิ่งทําเหมือนมันไม่มีความอิ่มความพอเท่ที่เลยครับมันทำน้อยไปมันต้องเพิ่มมันไปเรื่อยๆทาให้มากขึ้นมันมันชิง่ยงยิย่งได้ครับยิ่งได้มาเกี่ยวข้องกับการทำโอวาทธรรมครูบาอาจารย์แล้วก็รูปภาพของครูบาอาจารย์มันทําให้จิตมันส่งออกนอกไปเยอะครับผม ก็อาจจะทำทาทานให้น้อยแล้วก็ไปติดวิเวกให้มากขึ้นไปอยู่คนเดียวในจรินสติไปนั่งสมาธิถ้าอยากจะให้มีความสุขมีความอิ่มมากขึ้นก็ต้องทำปฏิบัติธรรมออคือมันเคยมีสภาวะที่ติตอนนั้นอะ่ะมันไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งครับมน ม, มันไม่สุขมันไม่ปรุง แล้วก็มันรับรั่วล้มได้ไวมากครับตอนนั้นคือคือมันไปต่อไม่ได้ครับหลวงพ่อครับคือมันจะหยุดนิ่งเหมือนมันทื่อครับผมตอนนั้นมันมันมันมันเป็นสูตรทางของสมาธิหนักสมาธิก็เพื่อให้มันนิ่งให้มันไม่ให้นักทามกลัวหลวงถ้าอยากจะไปต่อก็ตรองไปทางปัญญาต่อลองพิจารณาไวยวางสิ่งต่างๆที่เรายังยึดติดอยู่ มาเป็นของไม่เที่ยงทุกวันจะต้องมีการพัดพาดจากกันถ้ายึดติดอยู่เวลาจากกันก็นจะทําให้เราทุกข์ทำให้เราไม่สบายใจถ้าไม่ต้องการที่จะทุกข์ก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจปล่อยวางเตรียมตัวรับกับความความพัดพาดจากกันที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ นใจแเราก็จะสุขมากขึ้นเอกใจเบามากขึ้นไม่ไปหนักอกหนักใจกับคนนั้นคนที่สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่พักหลังมันมีความอยากที่จะไปจุดจุดเดิมนะครับของพ่อมันพยายามปฏิบัติแล้วก็มันเหมือนจะไปน้อมจิตน้อมใจให้มันเหมือนอยากไปเป็นสภาวะเดิมแล้วทําให้จิตมันนิ่งมันดิ่งลงพวังนะครับแต่ก็ได้ภาวนาทำกับพระที่ทำ ก็ทําทได้นะก็ใช้สตินแต่อย่าไปใช้ความอยากความอยากมันไม่พายเราไปสู่จิตจุดนั้นต้องใช้สติต้องใช้มุทโทมุทโทอย่าไปคิดปูงแต่งมันเดี๋ยวมันก็จะกลับเข้าไปได้แต่ถ้านั่งแล้วอยากจะให้มันเป็นไม่เป็นต้องใช้สติทําให้มันเกิดขึ้นมานะบางคนพอนั่งแล้วก็นั่งคิดเมื่อไหร่จะสงบเมื่อไหร่จะเป็นเหมือนคราวที่แล้วสักที ก็นั่งกินอย่างนี้ไปไม่มีทางที่จะที่จะเป็นได้ต้องไม่รู้ไม่ชี้ต้องรีบบันทึกที่ผ่านมาแนละ้วต้องไม่คิดถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้นให้อยู่ในปัจจุบันกับพุโทโธพุโทโธแล้วดูลมหายใจเงียบอยู่ยเดียวอยันเดียวก็จะเข้าสู่ความสงบได้แล้วมันก็มีความอยากเลือกที่จะออกไปอีกพิเวรกแต่มันติดที่ครอบครัวมีตัวครับ ก, ก็ต้องยอรับสภาพว่ตอนนี้ยังไปไม่ได้เพราะฉะนั้นผลที่เราอยากจะไ ด, ได้มันก็ยังไม่เกิดมันยังเกิดไม่ได้ต้องอยู่กับสภาพเราไปก่อนแล้วกับสิ่งที่เราเราเราเรามีมันมันเกิดก็มันน ะ, <อ>ะ น, นะครับครับโอเคยัง ทันต่อไปคุณฟังว่าอะไรใช่คุณฟังว่าอะไ ร, ไรใช่ตอบนักมาศการเจ้าค่ะวันนี้มีคำถามแค่คำถามเดียวค่ะก็คือปกติแล้วยมยมจะมีคำถามอาจารย์ว่ายมจะเป็นทุกข์กับความอยาของตัวเองค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นคนอื่นเป็นทุกข์เป็นทุกข์ให้กับเราเพราะว่าเราเขาอยากให้เราฟังเขาอยากให้เราทําแต่ว่า โยมก็ทําเฉยเฉยทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเขาเขาก็เลยมองเราว่าเราเขากําลังมีปัญหากับเราค่ะตรงนี้เราต้องวางวางใจอย่างไรเจ้าค่ะ เ, ออเวลาเราเกี่ยวข้องกับคนเราก็ต้องใช้ความเมตตาเป็นหลักอาจะไปวางเฉยไม่ไดเออ้เราต้องให้ความสุขกับเขาแล้วเขาอยากจะคุยกับเราเราก็ต้องคุยกับเขาหรือว่าถ้าอะไรน่าคุยเรื่องไร้สเราก็ขออนุ ญ, ญาต ขอตัวไปแยกไปอันนั้นถ้าเราแยกได้ก็แยกแต่ถ้าเราแยกไม่ได้เราที่จะต้องทำความต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีเราก็ต้องเราก็ต้องฝืนใจเราทํในสิ่งที่เราไม่อยากจะ ท, ทําปนเราอยากจะเฉยๆแต่ก็อยากจะคุยด้วยคุยกับเขาไปในความเป็นการแผ่เมตตาให้ความสุขของเขาปัญหา ท, ที่ไปอยู่ตอนนี้ก็จะไม่เกิด วันนี้เราไม่ให้ความสุขกับเขาเพราะอะไรเกิดความไม่สบายใจขึ้นมามนีเ ท, ท, ท่านี้เท่าค่ะน่ะเรื่งต้งแผ่เมตตาตอนที่เจอกันอย่ามปแผ่เมตตาตอนที่นั่งสวดมนต์คนเดียวนะ่ะก็ค่ะแล้วก็เมื่อ่อนเมื่อก่อนเนี้ยสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาพอได้ผู้ฝังพระจันทร์ อสอนหมดครั้งตอนนี้ก็ใช้วิธีที่อาจารย์สอนใช่ไหมคะส่วนเป็นคนเดียวแผ่เมตตาแต่เวลาไปเจอกับคนอื่นไม่ยอมแผ่เลยหน้าบึ้งเติมเหี่ยมเดียวอย่าคุณสุภาพตาเนี่ยผ่านมาแล้วเดี๋ยวมอย่าไปดีคุณสภาตาต่อนะคุณสุภาตาจากดัลลัสเท็กซัสต้องแผ่เมตตาเวลาเจอกันนะอย่าไปแผ่เมตตาตอนนั่งสวดคนเดียวไม่มีใครเ้ารู้ว่าเราแผ่ให้เขาหรอก จย์เจ้าค่ะไม่ไม่มีคําถามเจ้าค่ะลูกของมาร่วมฟังการปฏิบัติดีใช่ไหมดึกไม่มีคําถามเรื่อยๆเจ้าค่ะลูกถือว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละก็ก็ไปเรื่อยๆเจ้าค่ะไม่ทุกข์ก็แล้วกันนะไม่ทุกข์ไม่ทุกอย่างเจ้าค่ะทุกอย่างมันก็เป็นอย่างนี้แหละก็เป็นอย่างนี้เจ้าค่ะ เดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอยู่แค่นี้สองตัวเดี๋ยวค่ะเจามีรูปฝากเซฮัลโอมาแล้วก็ถึงญาติธรรมทุกท่านด้วยเจ้าค่ะอกลาบขอบพระคุนเจ้าค่ะขั้นต่อไปคุณนัทวุฒิแต่ไม่ใช่คุณหมอนะเป็นนัทธวุฒิอยู่ไม่ใช่เป็นพระหรือเปล่ากลับนมัตการกลัอาจารย์งไเป็นครับเป็นพระอยู่ที่ไหน ยูรัฐบุรีครับรัฐบุรีมีกี่พรรษาแล้วปีนี้พรรษาที่สองครับมีคำถามอะไรไหมพอดีผมมีคำถามครับตัวผม<ด>เองลูกคนเดียวครับพาจาจรย์แล้วก็โยมพ่อยมแม่เขาก็แบบที่บ้านไม่ไม่มีภาระอะไรครับเขาก็ ผมผมไม่รู้ว่าจะยูต่อหรือว่าจะลาธิ่ค่าไปแบบไปดูที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับผมยังไม่ยังไม่แบบว่า <c oughs> เป็นที่ท<ำ>แล้วลองถามตัวอะไรนึ่ว่าเราเราชอบทางไหนอนะเราชอบทางทำนี่เลชอบทางเล่าอันนี้เร า, อาชอบช<า><า>อบถัดไปตัวก็ผมเป็นลูกคนเดียวด้วย ไม่เป็นไรหรอกพระพุทธเจ้า ก, ก็ไป็นลูกคนเดียวเหมือนกันเนี่ยอย่าไปเอาคำามาลูกคนเดียวมาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจเราถามตัวเราว่าเราชอบทางไหนถ้าเราชอบทางธรรมเราก็อยู่ต่อไปเราชอบทางโลกเราก็เกสกออกไปเพราะเราทําในสิ่งที่เราไม่ชอบนั้นเราจะทําไม่ได้และเราจะทุกขนั่นเอง ไม่ได้อยู่เพราะว่าเราเป็นรูปคนเดียวหรือว่ามีสมบัติเราเราอยู่หรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้เราอันนี้ไม่ไม่ไม่สําคัญสำคัญที่ใจเราต่างๆว่าเราเร า, เราต้องการอะไรเราชอบอะไรเราต้องทําตามสิ่งที่เราอยากได้ครับ ถ, ถ้าถ้าตามถ้าถ้าทําตามคําสอนก็ต้องไปทางธรรมนั้นแหละเพราะทางธรรมเป็นทางออก ทางหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายถ้าไปทางโลกก็กลับเข้าไปทางทางการเวียนว่้ตายเกิดที่ไม่มีวันสิ้นสุดอขจาใจั้ยครับโอเคนะ่เอาไปเอาไปนั่งคิดดูเรื่อยๆต้องต้องชังน้ำหนักรือว่าเราชอบทางไหนกันแน่ถ้ายังไม่พร้อมทางนี้ก็กลับไปก่อน แล้วอาจจะอีกสั้พักใหญ่อาจจะเห็นความทุกข์ทาุนแรงขึ้นก็อาจจะเปลี่ยนใจกลับมาปวดใหม่ก็เห็นมผมก็ผมเห็นความทุกข์เหมือนกันนะครับเพราะผมก็ทุกจากการผัดผ้านะครับมันก็ทุกข์มากมากน <laughs> ั่นแหละก็ต้องถ้าทุกข์ก็ยังจะกลับไปหามเลยก็แสดงว่างง น, น, นะครับ อย่างอยากจะกลับไปหาทุกอย่างเหรอโอเคนะไม่มีอะไรนะใช่ไหมมีคำถามอะไรไหมไม่มีครับครับนมัตการครับในที่คุณนุ่มที่ว่า่นนุ่มที่ว่าการพนัการเจ้าข่าวขาจางวันนี้ไม่มีคาถามเหมืนอนเดิมใช่ไหมเหมือนเดิมน ะ, ะคุณพระชมน์ตอบเป็นพรชมน ได้ยินแม่คุณแม่ชมนุนอ่ะหลายๆแลการนมันนะ bye bye. มนสการพระอาจารย์เจ้าค่าพะพอดีดว่ามีคําถามเจ้าค่ะคืออยากจะถามพระอาจารย์ว่าหนูจะมีสภาวะที่พูดถึงหรือระลึกถึงอพระพุทธเจ้าไม่ได้มันจะเกิดอาการร้องไห้ค่ะหนูก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงหนูพยายามควบคุมตัวเองแต่มันก็ มันก็จะเป็นบางทีก็คือแบบสะอื้นแรงมากเอ่อจนถูกว่าหนูปฏิบัติแล้วเพี้ยนนะเจ้าค่ะพระอาจารย์หนูควรที่จะแก้ไขปรับปรุงอาการนี้ยังไงะเจ้าคะฝึกใช้สตินะฮัดใช้ท่องพุทโธบริกรรมพุทโธพุทโธไปพอจิตเริ่มเกิดอาการอันนี้บริกรรมพุทโธพุทโธไปมันก็จะหยุดได้เราไายามฝึกนั่งสมาธิให้มาก ถ้าเรานั่งสมาธินั่งจิตสงบได้จิตเราจะเริ่มมีอุมเบกขาแล้วการที่จะมีอารมณ์เหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นในยามต่อไปเลยพยายามฝึก ส, สตินั่งสมาธิให้มากๆเลยเวลาเวลามีอารมณ์จะเกิดอารมณ์ไม่ใช่เฉพาะอารมณ์นี้อยาเดยอารมณ์อะไรก็ตามเราใช้พุโทโธพุโทโธนี้หยุดมันได้ ถ้าสมมติว่าคือจะโดยปกติแล้วอารมณ์ทางโลกมันจะไม่ค่อยเกิดแต่มันจะเป็นเวลาที่เอ่ยถึงพระพุทธเจ้าหรือขณะที่จิตเราลืมหรือระลึกถึงนะคะพระอาจารย์แต่ถ้าเกิดอยู่คนเดียวมันก็ไม่เป็นอะไรแต่บางทีเราพูดกับคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะออกอาการทันทีเลยพระอาจารย์ตอนนั้นหนูก็เนี่ยมันมันแล้วมันก็จะเป็นบ่อยแล้วก็เป็นเยอะหนูก็พยายามที่จะควบคุมหนูก็ควบคุมไม่ได้ ก็พระสติเรายังมีน้อยไป ย, ยามฝึกสติให้มากมากต่อไปพอมันจะเริ่มไปทางนั้นเราก็หยุดมันได้อย่าไปพูดทางนั้นอย่าไปคิดถึงพระพุทธเจ้าพูดเรื่องอื่นไปแทนเวลา ม, มีสตินี้เราจะควบคุคมความคิดของเราได้เราไม่จะคิดไปถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าทําให้เราสะอึกสะอื่นขึ้นมาแล้วก็อย่าไปแล้วก็หยุดอย่าคิดไปทางนั้นแทน มันต้องฝึกสติไปเรื่อยๆแล้วสตินี่จะเป็นตัวคอยควบคุมอารมณ์ต่างๆได้ต้องพยายามต้องพยายามพุโทโธเจริญพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปไดเรื่อยอต่อไปเวลาไปพูดไปคุยเรื่องอะไรวราจะเริ่มมีอาการแล้ก็หยุดเหมือนได้อต้องเจริญสติแล้วก็ต้งนั่สมาธิให้ได้แล้วเราจะมีกําลังหยุด แล้วงการได้หยุดอารมณ์มันก็จะหยุดได้ทันทีแล้วแล้วการนั่งของหนูเนี่ยถึงหนูจะนั่งสองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงจิตหรือความรู้สึกของหนูมันก็จะอยู่ในในกายในในการรู้ลมหายใจในการรู้ว่าเรานั่งคือเขาจะไม่ได้เงียบหายไปเลยค่ะพระอาจารย์หนูทําถูกต้องหรือไม่ถ้าทําแบบนี้ก็ยังไม่ถูกต้องถ้ามันสงบจริงๆแล้วมันต้องหายไป หรือจิตไม่ไปสนใจกับอารมณ์ต่างๆจิตจะอยู่กับตัวมันเองสักแต่ว่ารู้อนั้นก็ต้องให้บางครให้มันอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวแล้วอยู่กับลมอย่างเดียวแล้วมีมีอาการอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจผูกใจไว้กับพุโทโธผูกใจไว้กับลมหายใจอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวจิตก็จะเข้าไปสู่ความว่างได้เข้าขใจนะ เจ้าขาอาจารย์คุณกันโอบอ้อนคุณกันโอบอนอยู่อเมริกาไม่ะไรเรื่องอยู่อยุธยาอายุธยาใช่ค่ะอยู่จากอายุธยาค่ ะ, ะมีคำ<ม><พ>ถามไหมนีม่ค่ะอเชิญถามได้อยากจะถามว่าเวลาที่เวลาที่โดนข้อตีเนี่ยค่ะคือเราเจ็บนี่คื อ, อบอกว่าแล้วเราทนเจ็บนี่คือเรา แล้วเรามีความรู้สึกโกรนี่เราเป็นบาปไหมคะถ้ายังไม่เป็นพูดแล้วเป็นกระทําอะไรที่ทําให้พ่อเขาเสียหายก็ยังไม่บาปเป็นเพียงว่าเป็นกิเลสเป็นเหตุที่ทําให้ใจเราไม่สบายถ้าเราโกรธใครไม่ว่าจะโกรธพ่อโกรธแม่และโกรธใครก็ตามมันจะทําให้ใจเราทุกข์ขึ้นมาแต่ยังไม่เป็นบาปเป็นอกุศลก็คือว่าการ การที่การที่หนูแย่หนูเล่นร้อยเล่นกับพ่อร้อยเล่นอะนก็คือแต่ก็โดนตีหยอกมาอะไรมาแล้วก็จะตีกลับเ่าจะบาปไหมคะคือปกติไม่ไม่ควรจะเล่นกับพ่อนะถ้าเป็นโลูกถ้าเล่นก็ต้องมีธนรมะระวังอย่าไปลงไม้ลงมือกันอย่าทำให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวกันอ<บ>าจจะอาจจะทําให้โกรธขึ้วม า, า จ, จะทําให้ตอบโต้กันรุนแรงขึ้นไปได้ ก็จะพยายามค่ะอาจารย์พยายามอย่าไปเล่นกับผู้หลักผู้ใหญ่เห็นไหมผู้ใหญ่ก็อาจจะเมตตาแต่เราก็ไม่ควรที่จะไปเล่นกับผู้ใหญ่สำรวมดีกว่าน ะ, นะให้เรียบร้อยจะได้ไม่มีปัญหาตามมาคําถามมีแค่นี้ะาานะคะพระอาจารย์โอเคค่ะสาธุทีนี้แทนคุณบอสคุณมอสทั่ว เป็นยังไงมีคำทางอะไรไหมผมเอามาฟังมาฟังทำครับนะาาบบการทำการทำการปฏิบัติเคลืนได้ดีก็ช่วงนี้ก็เวลามันเช้าถึงเย็นก็มีงานเข้ามาตลอดก็<อ>เลยพยายามตามตามสตินะครับอืมก็นั่งสมาธิมาก่อนพยายามนั่งกว่าจะชั่วโมงตหลังมันก็ดูดโดนงานโดนอะไรดึง ไ, ไปครับนะทถ้า <พอ S 2> ว่าก็อย่างนี้ละนะทั้งวัาวันนี้ทำงา น, านเยอะครับนะ งานทั้งโลกนี้ถ้าบอกไม่มีวันหมดใช่แต่ละงานทางทํานี่มีวันหมดมาเสร็จภารกิจแล้วก็ไม่ต้องทําอีกต่อไปเห็นมาทำพยายามปิดวิเวกให้มากดีกว่าถ้าออกไปมันจะจัดได้เวลาได้ทำตลอดเวลาไปปิดวิเวกคิดอยู่ครับ งั้ก็ขอไปที่ท่านต่อไปนะได้ครับขอบคุณท่านคุณสายฝนเชิญคุณสายฝนได้ยืนไหมคุณสายฝนคุณสายฝนปิดไมค์ ก, มก่อนต้องปิดเสียงหน่อยได้ไหมเสียงมันย้อนกลับเข้ามา โอเคอาจารย์เจ้าค่ะคือว่าโยมอยากจะขอความเมตตาจากพระอาจารย์อยากจะถามว่าเราจะเอาชนะยังไงกับมารที่มาแกล้งเราเวลาเราทํากรรมฐานเจ้าค่ะเราต้องใช้สติเนี่ยคสู้กับมันต้องใช้พุทโธพุทโธถ้าเรานัง่นงพุทโธแล้วก็อย่าไปสนใจกับมานมันจะมายั่วอายุเราเราไม่ต้องไปสนใจ ให้เรากอดติดกับพุโทโธพุโทโธไปหรือถ้าเราดูลมหายใจก็ให้อยู่กับลมหายใจไปนะควไม่ต้องไปสนใจกับมาที่มายั่วมายุมาหลอกมาล่อกอย่าไปตามมันเดี๋ยวพอจิตเราไม่พา น, นิ่งมากขึ้นมันก็จะหายไปเองไม่เอาสติให้มากหายใจเราเด็นเดี่ยวแน่ๆอยู่กับ กรรมฐานคือพุโทโธและลมหายใจเข้าให้เป็นที่ยึดเนี่ยจิตใจอย่าให้มันไหลไปตามกระแสของมารให้พยายามรู้สึกตัวทั่วพร้อมไว้ใช่ไหมเจ้าคะไม่หรอควรจะอยู่กับพุโทโธและอยู่กับลมในป่าเพราะมันจะมันจะมีกำลังมากกว่าที่จะเป็นรู้แบบทั่วตัวเนี่ยมาน ม, นมามันก็จะเดิงไปได้ง่ายกว่า เวลาที่เราคิดคําว่าพุทโธหรือว่าพุทโธธรรมโมสังโฆให้เราเนื้อคิดถึงคํานั้นเหรอคะพระอาจารย์อยู่อยู่คำนั้นอย่างเดียวกพอไม่ตําเป็นนึกถึงอะไรทั้งนั้นไม่ไม่ต้องทำนึกเราก็รู้สึกตัวไม่ต้องทำไปเลยพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆนี่ยไปเจ้าค่ะืน้ำใจมันก็จะไม่ไปไปไปยุ่งกับเรื่อง แต่ถ้าเราไม่ไม่มีอะไรให้มันทําเดี๋ยวมันมีอะไรมาล่อมันก็ไปทันทีเจ้าค่ะขอนะบคุณเจ้าค่ะอากใช้คําบริกรรมเนี่ยดีเป็นตัวที่ดึงใจไว้ให้อยู่กับกับตัวเองได้ดีที่สุดถ้าไปรู้รอบตัวเนี่เดี๋ยวมีอะไรมามันไปจะควรไปนะเจ้าค่ะนะโอเคนะเจ้าค่ะคุณต่อไปคุณอานุ ม, มา รากอุดรกาลนำมัสการเจ้าค่ะมีอะไรไหมไม่มีคำถามเจ้าค่ะมระกาศพระอาจารย์เจ้าค่ะมี่ะเป็นพี่คุณชลินทรอจากอเมริกากลับน้ำมสการพระอาจารย์เจ้าค่ะมีอะไรไหมพระอาจารย์คะเวลาที่เราปฏิบัติแล้วเราตั้งสติอยู่ที่พุทโธค่ะ แล้วแม้กระทั่งว่าเราไม่ได้ตั้งใจแต่มันก็จะมีตัวพุโทโธจังๆอยู่ข้างในใจเราแล้วในขณะที่เรานั่งสมาธิแล้วเหมือนกับว่าจิตเราก็ยังไม่สงบอะค่ะพระอาจารย์แล้วใจก็ยังไปคิดนู่นคิดนี่แต่ในขณะเดียวกันเราก็ยังพอมองย้อนกลับมาเราก็เห็นทั้งความคิดแล้วเราก็เห็นทั้งพุโทโธไอตัวอย่างเนี้ยใช่ใช่กันใช่กันต่อสู้กันระหวา่างกิเลสกับธรรมไหมคะ แต่ว่าต่อชื่วอย่างนี้ก็ได้แล้วจว่าเราขี้เกียจไม่พุทโธขึ้นมาก็ได้ถ้าถ้าโยมถ้าโยมเห็นแล้วว่ามันมีทั้งสองตัวอยู่ในตัวคือถ้าเราหลงไปเราก็แล้วเราเอาตัวเดียวเราเรพุ่งไปที่พุทโธตัวเดียค่ะถ้าถ้าโยมกลับมาเห็นปุ๊บแล้วเราก็แบบเอ้ยเราลืมไปแล้วเราเผลอไปแล้วเราต้องกลับมาพุทโธละแล้วคราวนี้โธพุทโธก็ดินขึ้นมาแทนอันนี้คือการที่เรา ผสมความสำเร็จใช่ไหมค่ะได้สติดขับคืนมาแ่่เพราะว่ารู้สึกว่าหลังๆมันจะมีพุทโธขึ้นมาเองแต่ในขณะเดียวกันเราก็ยังหลงหลงยังยังยังไม่ไม่เต็มที่อะค่ะพระอาจารย์อย่าไปร้อยมันขึ้นมาเองนะพวรู้ควารู้ไปคิดเรื่องนู้นนี้ก็รีบดึงพุทโธตั้งพุทโธขึ้นไปเลยอย่าไปว่าเออวันยังไม่มาสักทีนะพุทโธยังไม่มาบางทีมันไม่มาหรอกมันมาแล้วมันสอัวแล ปกติเวลาที่นั่งสมาธิโยมก็จะต้องกาหนดพุทโธพุทโธแล้วความในลักษณะที่เรากาหนดมันก็จะเด่นตัวพุทโธจะเด่นขึ้นมาแต่เราก็แอบเผลอเพราะเวลาที่มันเริ่มเข้าพวังมันก็เผลอแล้วบางทีก็หลงหลงลืมไปในนั้นนะคะแต่มันไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีความคิจารณาเลยก็ไม่ต้องพุทโธอะไรให้อยู่กับความว่างไปค่ะแตาพอมีความคิดเมื่อไหร่นแสดงว่าพุทโธเราหายแล้วเราต้องดึงพุทโธกลับมาค่ะค่ะ ค่ะคก็วันนี้ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์เข้ามากับนวัสการพระอาจารย์เป็นกำลังใจอะค่ะ เ, คเข้ามาคุยกับพระอาจารย์แล้วรู้สึกมีความปรับตื้มใจจะได้ไปปฏิบัติต่อค่ะ ด, ดีพยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆนะค่ะนวัสการค่ะพระอาจารย์สาธุคุณมารวิทยาอะไรใช่คุณมารวิทยานวัตกา ร, รว่าอาจารย์ครับอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหน ผมผมทํางานอยู่ที่เมืองโบราณสมุทรปราการคร่ะมีคำถามไหมอะไรนะครับอาจารย์มีค<ท>ำถามไหมมีมีครับเอ่อพอดีผมผมฟังเทศจากจากออพระาจารย์ท่านหนึ่งครับคือท่านท่านท่านเทศในเรื่องของอ่เหตุที่ได้มาเกิดเป็นผู้หญิงนะครับทีนี้ ก็มีมีบางช่วงหนึ่งที่ที่บอกท่านบอกว่าจะได้ไปเกิดเป็นกระเทยหรือว่าเพศที่สามอะไรอย่างเงี้ยครับพอพอมาเกิดในเพศนี้แล้วอะ่ะผมตื่นเต้นนิดนึงครับพอมาเกิดในเพศนี้แล้วอะ่ะอท่านท่านเทศว่าเป็นชาติที่อาภัพแล้วก็ถ้าหากอปฏิบัติเนี่ยก็จะได้ก็จะได้เพียง กันญาณธรรมแล้วก็ศีลทานอะไรประมาณเนี้ครับแล้วก็ถ้าปฏิบัติเนี่ยจะจะไม่เข้มแข็งแล้วก็จะไม่สามารถปฏิบัติเก้าเก้าไก่ 9, 9, 9, 9, ไปไ ด, ได้ครับอย่างเงี้ยในในคำสอนของพุทธเจ้าก็องได้ตัดตัดในเรื่องนี้ไว้ไหมครับว่าถ้ามาเกิดเป็นเกศที่สามแล้วเนี่ยจะไม่มีโอกาสที่พัฒนาในด้านทางปฏิบัติได้ครับ ถ้าที่เราได้ยินได้ฟังมาก็ไม่มีนะมันไม่เกี่ยวกับเพศนะการปฏิบัติที่มันเกี่ยวกับกิเลสมื่อมีกิเลสมาก น, น้อยหรือเปล่าการปฏิบัตินี้ปฏิบัติเพื่อกํจาจัดกิเลสโดยไม่ต้องใช้เพศเพศหญิงเพศชายเพศอะไรก็ได้ก็ริงมันมีแค่สองเพศเท่านั้นนะเพียงแต่ ว, ว่าที่เรามีสามเพศสี่เพศก็เพราะว่ามันมันใช้จิตกับร่างกายไม่ตรงกันเข้าใจครับแต่แ ต, แต่แต่ท่านก็ยัง แต่ทั้งบบจิตจริงๆเนี่ยมันมีแค่สองเพศนะมีจิตที่ชอบผู้หญิงก็เรียกว่าจิต เ, เป็นจิตชายถ้าจิตที่ชอบผู้ชายก็เรียกว่าเป็นจิตหญิงมันต้องมีอยู่สองจิตนี้เท่ะอ่าแต่ท่านก็นยังเทพเลย ว, ว่าเออคือชาติเนี้ยเป็นเป็นชาติที่อาภัพแล้วก็ไม่าอาภัพหรอกไม่อาภัพหรอกได้บรรเจอพระพุทธเจ้าได้พระธรรมพระสงฆ์นี่ถือว่าเป็นเป็นชอบวาสนายิ่งใหญ่นะแล้วก็ ปฏิบัติได้ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนจะชอบผู้หญิงก็ปฏิบัติได้ชอบผู้ชายก็ปฏิบัติได้เพราะการปฏิบัติเพื่อตัดความชอบทั้งสองอย่างนี้ออกไปจากใจเหมือนกันทีนี้ผมสงสัยในเรื่องเรื่องบวชพระอาไรครอัอย่างอย่างเช่นตัวผมอย่างเงี้ยสมมติว่าอ่าภายนอกเป็นผู้ชายปกติทั่วไปแต่ว่าข้างในยังยังชอบผู้ชายเหมือนกันอยู่อย่างเงี้ยยัง อันนี้ถือว่าเข้าข่ายพระวินัยห้ามบวชไหมครับเอ่อคิดว่าใช่นะแต่ถ้าเราไม่ไปบอกเขาก็ไม่มีใครรู้คือคือบวชได้หรือว่ายังไงครับถ้าไม่มีใครรู้เขาว่าเราเป็นอะไรเขาเขาคิดว่าเราเป็นผู้ชายเขาเขาก็บวชให้เราถ้าเราไม่ไปบอกก็ว่าเราเป็นประเภทสองแต่แต่แต่อย่างที่ผมพูดไปก็คือยังอยู่ในประเภทนี้ใช่ไหมครับ คือประเภทที่ห้ามบวชตามพระวินยัยก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยอันนี้เราไม่ไม่ไม่ไม่ชำนาญทางพระวินยัยเท่าไหร่เราไม่ไม่กล้าตอบลงไปอย่างเต็มที่แต่เราก็เห็นมีพวกประเภทที่สามาบวชกันยยยยเยอะแยะถ้าก็บวชได้แต่แต่ผมก็เลือกที่จะยังยังไม่ไม่บวชก็ได้ไม่มีใครบังคับไม่มีใครห้ามไม่มีใครบังคับ ถ้าถ้าการกบวชของเราบวชเพื่อการฆ่ากิเลสเนี่ยเป็นเพศไหนก็บวชได้นั่นนะตามที่จริงอ่าแล้วก็คําถามสุดท้ายครับอาจารย์คือผมผมก็เวลาอ่าทํางานอะไรอย่างเงี้ยผมก็ชอบเปิดเปิดอ่าพระเทศฟังอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเวลามานั่งเวลามานนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยผมยังนั่งไม่ได้นานนี่คือ คือเรายัางต้องฝึกไปเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่สติเรายัางน้อยอยู่เนี่ยควรจะฝึกสติให้มากๆเวลาทํางานก็อย่าไปฟังทำจะดีกว่าให้มีสติอยู่งานกับการทํางานจะดีกว่าทําอะไรได้มีสติอยู่การทำํำเราเวลามานั่งสมาธิมันก็จะมีสติทําให้นั่งได้นานทาให้นั่งได้ผลนะครัแล้วก็ ผมเห็นเพจของพระอาจารย์มาสักพักแล้วครับปกติผมผมติดตามเพจของเป็นเกี่ยวกับพระกรรมฐานสายสายหลวงปู่มัน่นแล้วก็ที่มีเทพของหลวงตามหมาบัวครับทีนี้ก็เพิ่งมาเจอเพจของพระอาจารย์แล้วก็เห็นมีเวลาญาติโยมไปปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าผมอยากไปอย่างเงี้ยตอนนี้ยังไปได้อยูน่นะครับ อันนี้วัดเขาปิดอยู่ยังยังไม่เปิดวัดอย่างนี้มันมี่วงระบาดอยู่โรคระบาดเนี่ต้องง้อใเปิด่อนอครับก็มีมีท่า น, น, นี้ใช่ไหมมีแค่นี้ครับอาจารย์วัศการด้วอะที่นคุณกระดนอกอะไรตอบคุกระดนกอะไรอยู่ที่ไหนยืนถามจากนรัศการพระอาจารย์ค่ะหนูอยู่ที่นนทบุรีค่ะ ไม่ค่ะมีคำถามไหมหนูมีสองคำถามค่ะพระอาจารย์คือหนูปฏิบัติธรรมมาก็นานแล้วอะค่ะก็มีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่แต่เหมือนกับคือเห็นว่าตัวเองคือมันไม่ไม่ตั้งมั่นนะคะมันมันค่อนข้างเป๋หลงไปค่อนข้างบ่อยอย่างเงี้ยค่ะ อืมก็เลยไม่แน่ใจว่าคือหนูพยายามจะ บ, บริกรรมแต่มันเหมือนมันอึดอัดนะคะเออไม่เป็นไรมันเป็นแ ส, ส, สดงว่าสติเรามีกำลังน้อยงั้นเราควรจะฝึกสติก่อนที่เวลาที่เราไม่ได้นั่งด้วยเช่นให้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายดูร่างกายแทนดูลมร่างกายเดินก็ดูว่ามันกำลังเดินร่างกายกินอาหารก็ดูกับการกินกินอาหารไป ดูไปไเรื่อยๆอย่าให้ใจไปคิดเรื่องอะ่รอย่างนี้พอเวลามานั่งนั่งดูลมมันก็จนั่งดูลมไม่ไปที่แล้วเราก็จะเข้าสู่ควาสมสงบได้ง่ายขึ้นได้มากขึ้นดูเท่าที่ดูได้ใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็ดูทั้งวันเลยตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาดูร่างกายเราตลอดเวลาพอลืมตาขึ้นมาก็คือว่าตอนนี้ร่างกายอยู่ในท่าไหนากำลังท่า น, นอน เรจะลุกขึ้นมานั่งกำลังยืนกำลังเดินก็เฝ้าดูไปตลอดนะดูร่างกายเป็นเหมือนนักโทษคอยเฝ้าหมันยาใา้คาดเคลื่อนไปจากใจเราแ้าพอเวลาเรามานั่งแล้วเขามาดูลงทางใจก็จะสงบได้ง่ายและสงบได้นานแล้วอีกคำถามหนึ่งการที่ เราไปช่วยงานพระหรืองานวัดบางสถานที่ที่ช่วยไปแล้วเราบังเอิญไปรู้ว่าท่านแบบมีอาบัตหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเ อ, อ่อเราควรจะเลิกกันช่วยไหมคะหรือว่าเราต้องทำตัวยังไงอะคะก็อยู่ที่การสบายใจของเราเริ่มเริ่ม ถ้าเราไม่สบายใจแล้วก็เราก็ไปหาที่อื่นทำก็ได้ถ้าเราไม่สนใจท่านอาบัติแม่อาบัติเราเพงแต่ทาหน้าที่ช่วยเหลือวัดเราก็ทำต่อไปก็ได้แล้วแต่เราีเราใจแต่ถ้าเราคิดว่าเราไม่อยากจะสนับนนสนุนส่งเสริมท่าทีา่ผิดจริงเราก็อยากไปทําอยากไปสนับสนุนท่านก็ไปไ มันเหมือนในใจลึกๆก็แย้งว่าเราไปสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคิดว่าเราต้องการสนับสนุนแล้วก็เปที่ยนทีทําที่อื่นก็ได้อนอกจากว่าก็มีที่ที่ทําได้ที่คนเขาต้องการรักษาสมัครได้เขต้องการเราช่วยก็มีองค์กรชาติระดับกระวงต่างๆมาช่ย อใจนะพอใจกับเขึคือคเจ้าค่ะท่านต่อไปคุณจีฟอยากแมรเวลาน USA. ลนด์อเมริารอยู่แล้วจอดแล้วหรือยังจอดแล้วมาสัการค่ะเดี๋ยวเดีจอดข้างทางกันไหมคะจอดแล้วค่ะแต่จอดแล้วค่ะอดแล้วมาสการค่ะอาจารย์นนหน้าไป็นไรมัจนะอาพอดีว่าช่วงนี้ลูกปิดเทอมแล้วค่ะาอาจารย์ ก็เลยบอกว่าจะเข้ามาก็กลัวว่าลูกจะกวนก็เออเลยฟังอยู่แต่ในในเฟซบุ๊กแม่เจ้าค่ะดีค่ะพยังาังอยู่ไม่ฟังค่ะฟังค่ะถ้าไม่ฟังก็มาาคอยตามย้อนหลังบางทีก็แบบไปแอบฟังภาษาอังกฤษบ้างอะไรค่ะก็ยมไม่มีอะไรค่ะยมก็ปฏิบัติไปเรียกยๆาบางทีช่วงนี้รู้สึกแบบ พอลูกเริ่มปิดเทอมเราลูกตื่นสายเราก็พอให้ตื่นสายแล้วพอจะมานั่งสมาธิมันก็เลยแบบนั่งไปหลับไปถ้าหลับก็ลูกก็มือนเดินอยู่ไปนั่งลูกก็มาเดินแล้วมาทําอะไรก็ได้แล้วให้มีสติงานที่เราทํายู่ก็ได้ลูกก็มาสักผ้าลูกก็มาทําอะไรก็ได้เี๋ยวนั่ง น, นั่งอ่ะ คืออยให้มีสติเวลาเราทำอะไรมื่อพอเรามีกำลังสติพอก็กลับไปนั่งใหม่จรู้สึกว่าภาพของคนนั่งไปหายไปลวสัญญาณของไม่ดีนะรู้สึกว่าคนที่เข้ามาที่หนวดนล่วนะที่ถามคำถามกลับมาแล้วกลับมาแล้ว ดีเมื่อกี้มันตัดเข้าไปอินเทอร์เน็ตในถนนนะคะก็เลยแบบสัญญามันไหมคะยมไม่มีอะไรค่ะยมเข้ามาฟังเพื่อได้พลังบวกให้นั่งได้ดีขึ้นเจ้าค่ะพระอาจารย์ดีะรักษาสุขาพควันาสาร์กับตุกท่านค่ะค่ะทีนี้ก็ไปที่คุณหลามเฟซบุ๊กที่นั่นคุณหลามมีคําถามไหมมีทั้งหมดสิบแปดคำถามเจ้าค่ะคำถามแรกจาก ทางช่องด็อกรวีเจ้าค่ะจากคุณธรรมนวันเมื่อคืนหลานชายอาการเหมือนผีเข้าลุกขึ้นมาเอาหัวโขกกับพื้นแม่เขาก็เอาน้ำมนให้ดื่มอยู่ๆก็หายอยากถามว่าอาการแบบนี้เรียกว่าอะไรคะเรียกว่ามันก็เป็นแบบนี้แหละยังไม่ต้องไปรู้ว่ามันเรียกอะไรก็แล้วกันเราก็ไม่รู้มันน้ำไม่ได้เป็นหมอ ก็เ ล, ลยแสดงว่าเป็นอาการของคนที่ไม่มีสติแล้วนั่นเพราะว่าไม่มีสติก็กทาอะไรที่มันไม่เป็นปกติคาถามต่อไปจากคุณจุมจาจากราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะหนูขอเรียนถามว่าถ้าหากสามีภรรยามีโอกาสอยู่ด้วยกันเพียงแค่หนึ่งปีแล้วสามีเกิดอุบัติเหตุตายไปหลังจากนั้นภรรยาก็ใส่บาตรทำบุญ อุทิศให้สามีทุกวันสวดมนต์นั่งสมาธิอุทิศบุญให้ทุกวันเป็นเวลายี่สิบปีทำแบบนี้ทุกวันถามว่าชาติภพหน้าเขาทั้งคู่มีโอกาสจะได้อยู่ด้วยกันไหมคะเออไม่แน่หรอว่าอนาคตไม่มีใครไปกำหนดนึกไม่ได้เนี่ยอย่างอาจจะเจอก็ได้ถ้าไม่เจอก็ได้เพราะจังหวะที่มันจะมาเกิดเป็นมนุษย์นี่มันอาจจะไม่ยเป็นจังหวะเดียวกันก็ได้ มันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าเราทำบุญทบุญส่งไปให้เขาหรือไม่มันไม่เกี่ยวกันคำถามต่อไปจากคุณเปรมวัดีการเจริญปัญญาทําอย่างไรเจ้าคะให้นึกถึงทุกอย่างว่าในโลกนี้มันเป็นของไม่เที่ยงไม่มีอะไรแน่นอนอย่าไปขึ้นอย่าไปหวังพึ่งเขาเพราะวันดีคืนดีเขาจะกระอาจจะพึ่งเขาไม่ได้พอพึ่งเขาไม่ได้ก็จะทําให้เราทุกข ถ้าเรารู้ว่ามันเขาไม่แน่นอนเราก็อย่าไปพึ่งอย่าไปพึ่งอะไรพึ่งตนเองดีที่สุดอัตตาหิอัตโนนาถุพึ่งในการปฏิบัติธรรมเพราะธรรมที่เราปฏิบัตินี้เป็นที่พึ่งได้เป็นที่ให้ความสุขกับเราได้ที่จะไม่จากเราไปแต่สิ่ง อ, งอื่นต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นของชั่วคราวไม่แน่นอนจะจากเราไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะเปลี่ยนไปเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ นี่คือปัญญาให้คิดถึงความให่เที่ยงแท้แน่อนอนของสับปสับปะสิ่งทั้งหลายที่เรามาเกี่ยวข้องด้วยคาถามต่อไปจากคุณทิติการขอกราบเรียนถามพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตว่ารูปทำให้เกิดนามนามทำให้เกิดรูปแล้วนามสามารถทำให้เกิดนามได้หรือเปล่าคะไม่ใช่หรอ่อรูปเป็นนามันไม่ได้ทำให้เกิดขึ้น รูปนามมันก็เป็นสภาวะธรรมของของกายของมันรูป่าเกิดจากการรวมตัวของธาตุสี่คือดินน้าลมไฟในร่างกายของเราเนี้ยเกิดขึ้นมาได้เพราะเกิดจากการรวมตัวของธาตุสี่ผ่านทางร่างกายของพันธาตุของพ่อของแม่มาผสมกันมันก็เกติดเป็นตัวขึ้นมาเป็นร่างกายขึ้นมาแล้วก็เติมธาตุสีในท้องแม่ไปเรื่อยๆมัน ก, จก็จะเริ่เติบโตจากรนั่น อันนี้คือการเกิดของรูปนามก็คือธรรมที่มีอยู่ในใจที่มีอยู่ที่แาดงการเกิดดับอยู่เรื่อยๆสังขารความคิดตูดแต่งสัญญาความจำได้หมารูปวิญญาณการรับรูปรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนาเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์อันนี้มันก็เกิดดับเกิดดับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของมันอยู่ในใจของเรา มันไม่ได้ที่ว่าน้ำทำให้เกิดลูกลูกไม่ทำให้เกิดน้นไม่ใช่เข้าใจผิดคถามต่อไปจากคุณสวีตคอนกราบนมัสการเจ้าค่ะเคยปฏิบัติดูกายเคร่งเครียดตั้งใจมากคันติก็มากปฏิบัติได้หลายชั่วโมงต่อมาปฏิบัติดูพุทโธดูใจและกายคู่กันสบายใจรู้เท่าทันมีสติมากขึ้น ปฏิบัติตลอดเวลาแต่ทําในรูปแบบได้น้อยอยากทราบว่าการปฏิบัติจะได้บุญเท่ากันไหมคะกราบขอบพระคุณมากคะ่ะก็ดูที่ผลนะบุญก็คือ ค, อความสง บ, บถ้าสง บ, บเท่ากันก็ได้บุญเท่ากันถ้าสง บ, บไม่เท่ากันก็ได้บุญไม่เท่ากันความสง บ, บของใจนี่เรียกว่าบุญมีคําถามสองคำถามจากคุณทิติการคะ่ะ ในเมื่อกายกับจิตคือคนละอย่างกันกายมีความเสื่อมไปตามกฎของวัฏฏสงสารจิตแยกออกมาเป็นไปตามสภาวธรรมสิ่งที่เมื่อก่อนคิดว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวตอนนี้คิดว่ามีโมหะมาติดอยู่ในจิตจึงทำให้ไม่สามารถมองแยกกันได้เข้าใจถูกต้องหรือไม่คะก็โมหะมันึงหลอกให้เราไปคิดว่าใจกับกายเป็นอันเดียวกันเป็นอันหนงนเดียวกัน มันคนสมายก่อนคนโบราณก็คิดว่าโลกนี้แบนขาดการขาดความรู้ที่ถูกต้องแต่พอมาศึกษามีนคนฉลาดมาศึกษาก็ค้นพบว่าโลกนี้ไม่แบนโลกเหมือนกลมอันนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสั้นแ้ก็จะทุกคนไม่จะคิดว่ากายกับใจเป็นอันเดียวกันแต่พระพุทธเจ้ามาตัดสั้นแล้วพระเจ้าก็บอกกายกับใจเป็นคนละคนกันเป็นคนละส่วนกัน คำถามจากท่านเดิมตอนนี้ได้ฝึกสติแล้วเห็นประโยชน์ของการอยู่กับปัจจุบันมากพยายามจะไม่นำจิตออกไปภายนอกถึงออกไปก็จะดึงกลับมาฐานภาวนาเดิมคำถามคือการที่ความคิดอายตนะทั้งหกมีการกระทบกันทั้งภายนอกและภายในโยมเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติไม่ต้องไปหยุดผัดสะ แต่ให้กำหนดรู้สภาวะนั้นแล้วถ้ามีกิเลสเข้ามาก็จะตามดูการเคลื่อนไหวไปของกิเลสโดยมีสติกำหนดเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าคะไม่ถูกหรอกถ้ากิเลสปรากฏขึ้นมาเราก็ต้องข้ามมันต้องหยุดมันไม่ใช่ไปตามกิเลสเนี่ยเราความกอดขึ้นมาก็ต้องหยุดมันเราความโลภกอดขึ้นมาก็ต้องหยุดมันคาถามต่อไปจากคุณนะรุมน การที่เราส่งจิตออกภายนอกไปตามอารมณ์เป็นทุกข์มากเจ้าค่ะหนูก็มานั่งสมาธิฟังธรร ม, มะฝึกจิตจิตก็สงบอยู่หลายวันโดยไม่ต้องนั่งสมาธิแต่ความสงบนั้นก็หายไปหนูก็มาทุกข์อีกเจ้าค่ะควรปฏิบัติอย่างไรดีเจ้าค่ะมันจะนั่งบ่อยๆนั่งทุกวันเพราะว่าถ้านั่งบ่อยๆนั่งทุกวันจิตมันไม่จะสงบความทุกขมันก็จะไม่เข้ามา แพอเราไม่นั่งบ้าเนื้วจิตไม่สงบความทุกข์ก็จะเข้ามาได้คำ ถ, ถามต่อไปจากคุณพิติการความตายมีประโยชน์ทำให้มีสติระลึกรู้ตลอดแต่โยมเข้าใจว่าความตายเกิดขึ้นทุกขณะจิตเกิดดับของเซลล์ในร่างกายตลอดชั่วอายุขจึงไม่จําเป็นต้องกลัวตายเพราะเรารเผชิญกับความตายอยู่ตลอดเวลาแล้วเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าคะ อันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องขอให้เราไม่กลัวตายก็แล้วกนันก็ถูกต้องความที่ให้ร่านกายตายได้ทุกเมืองถือว่าถูกต้องคาถามต่อไปจากคุณอนุสรการประพฤติปฏิบัติให้สันโดษแท้จริงถูกต้องในพระพุทธศาสนาต้องทำเช่นไรให้ถือว่าเป็นคนพุทธอันถูกต้องในทางโลภุตาละที่เป็นสัมมาทิฏฐิขอรับ ก็ให้ยินดีตามมีตามกาดพอใจกับสิ่งที่เรามียินดีกับสิ่งที่เราได้รับไม่มีความโลภมากอยากได้นุ่นอยากได้นี่ทาหน้าที่ทำอาหากินไปตามปกติได้มามากได้มาน้อยก็พอใจ<า>กินอยู่ไปตามอัตภาพคำถามต่อไปจากคุณทิติการ เรื่องการตัดชอบชังโยมเริ่มตัดชอบชังสิ่งภายนอกที่มากระทบได้แต่ลืมที่จะตัดชอบชังที่เกิดกับตัวเองตื่นเช้ามาคิดชังตัวเองตลอดเวลาต่อมาคิดได้ตัดชอบชังแม้แต่ตัวเองรู้สึกดีขึ้นมากกิเลสไม่มากวนใจตอนตื่นเช้าถึงนอนหลับเวลายมปฏิบัติธรรมจะน้อมนาแต่ธรรมะอันบริสุทธ ถวายเป็นพุทธบูชาไม่มีอยากหรือไม่อยากพยายามปฏิบัติตามนี้เข้าใจถูกต้องหรือเปล่าคะถูกต้องพยายามละความอยากสามชนห้ได้ความอยากในรูปสิ่งนีลความอยากมีความอยากไม่มีคำถามต่อไปจากคุณอนุสอนขอโอกาสครับการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ที่แท้จริงในพระพุทธศาสนา ต้องปฏิบัติเช่นไรเพื่อรักษาศีลอตลอดชีวิตขอรับก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำรายชีวิตของผู้อื่นไม่รับทรัพย์ไม่เอาทรัพย์ของผู้อื่นมาโดยที่เขาไม่อนุญาตไม่ไปยุ่งเกียยเยเ่ยวกับสามีภรรยาของผู้นี้ย่บุตรทิดาของผู้ยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของเราเพียงคนเดียวแล้วก็ไม่พูดปดพูดแต่ความจริงแล้วก็ไม่ดื่มยาอา ย, อยามาและของที่มึนเมาทั้งหลาย คำถามต่อไปจากคุณธนาพลปราบนมัมสการครับอขออนุญาตเรียนถามครับในขณะที่นอนหลับจิตอยู่ในลักษณะในลักษณะใดครับเหตุใดคนนอนหลับจึงฝันเป็นเรื่องเป็นราวความฝันเกิดจากวิญญาณหรือเกิดจากจิตใต้สานึกครับโดยากเจากสังขารความคิดแล่นก็นนเกิดจากสัญญาที่เอาความจํา ที่เอาเรื่องที่เคยจิตขึ้นเรื่องที่เคยจําได้ขึ้นมาคิดปรุงแต่งกลายเป็นเรื่องเป็นราวเป็นความฝันขึ้นมาคําถามต่อไปจากคุณวังกราบสาธุพระอาจารย์ค่ะขณะที่เรามีสมาธิแล้วเกิดอาการเหมือนจิตวูบสมควรจะทําอย่างไรคะสาธุเจ้าค่ะถ้าจิตวูบแล้วมีสติก็ป่อันวูกไปนั้นมันจะนิ่ง ถ้าจิตมุ่งแบบไม่มีสติมันก็จะหลับไปคำ ถ, ถามต่อไปจากออทางช ANNEL d r V ค่ะจากคุณชานชัยฝึกสมาธิสติสมาทานศีลปฏิบัติลมหายใจเข้าออกระลึกพิจนารณาด้วยจิต <c oughs> ปัญญาที่มุ่งจิตในเรื่องใดที่พึงจะเรียนรู้แบบเหตุผลถึงจะเข้าถึงปัญญาในเรื่องนั้นใช่หรือไม่ครับ กลับสาทุกต้องปัญญาต้องเห็นตายรักในว่ยงต่างๆเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าไม่เที่ยงจะสร้างจะทําความทุกข์ให้เกิดขึ้นเราจะให้ความทุกข์กับเราเออไม่มีอะไรเป็นของของเราไม่ใช่เป็นตัวเราอันนี้คือปัญญาทางทางพระพุทธศาสนาคํถาถามต่อไปจากคุณสมานราบท่านพระอาจารย์ครับนั่งนิ่งได้บ้างแล้วขอถามว่า เมื่อปรีวิเวกแล้วอะไรจะเกิดได้เพิ่มอีกครับนอกจากความสงบนิ่งแบบไม่รับรู้อารมณ์ทุกข์หรือห่วงอะไรครับขอกลับน้มัสการครับก็ฝึกให้มันํำนานให้มันนั่งให้นิ่งได้ได้ทั้งวันทั้งคืนแล้วเร า, ำาําำนาญทางสมาธิขั้นต่อไปเราก็ฝึกสอนใจให้คิดไปทางปัญญาให้คิดไปทางไตรับเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่เทียมเป็นทุกข์ว่าเราไปอยากให้มันเทียม อยากให้เป็นของเราสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ได้เป็นของเราให้คิดอย่างนี้ไปเรืแล้วต่อไปความทุกข์จะไม่เกิดขึ้นในใจเรามีสองคำถามจากทางช h a n ด e l Dr. V. รวค่ะคำถามจากคุณชานชัยฝึกจิตให้นิ่งกี่นาทีในขณะนั่งสมาธิขั้นตอนฝึกขั้นแรกแล้วเปิดจิตหลับตามองจิตหลับ จิตไม่สนใจสิ่งรอบข้างน้อมจิตไว้ที่ลมหายใจรวมพลังใจจากสมองสู่ปัญญาหาเหตุแห่งจิตเพื่อเรื่องรู้ด้วยภาวะและลึกปัญหาแก้ไขด้วยจิตครับออันนี้ไม่ใช่หรอกวิธีปฏิบัติสมาธินี้ไม่ต้องไปทางปัญญาให้จิตนิ่งสงบไปนานๆสักแตว่ว่าลุไปนานๆเรื่องทางปัญญานี้เป็นอกีอกตอนหนึ่ง ตอนที่สองตอนแรกได้ฝึกจิตให้สงบให้ว่างให้นิ่งไปนานๆคํำถามต่อไปจากคุณลีรันจิตปรุงแต่งได้ไปเองใช่ไหมคะพระอาจารย์จิตปรุงแต่งตลอดเวลาตื่นีึ้นมามันก็เริ่มคิดปรุงแต่งไปแล้วนั้นถ้าเราไม่ต้องการให้มันคิดปรุงแต่งเราก็ต้องใช้สติอยุดมันใช้สติแบบไหนก็ได้ กายกตาสติก็เข้าดูการเคลื่อนไหวการกระทําต่างๆของร่างกายพุทธานุสติก็ให้ท่องคําบริกรรมพุทโธพุทโธไปคําถามสุดท้ายจากคุณกิจธนากราบนมัสการพระอาจารย์กระผมจะทําสมาธิก่อนนอนได้ไหมครับได้ทําได้ทุกเวลาเราสะดวกที่นะันตอนไหนว่าตอนไหนก็ทกําสมาธิได้ ท, ทันทีไม่จําเป็นจะต้องมารอน ่อนก่อนนอนเพงอย่างเดียวหมดแล้วชไหคถามหมดแล้วเจ้าค่ ะ, ะมีใครในห้องต้องการจะถามอีกไหมมีมียกมือมาคนนะครับแต่ไม่ได้เปิดกล้องชื่อคุณพลกิดนะครับคุณพลกิกมียกมือสามคนครับคุณพลกิดครับ ครับนมัาตรการครับหลวงพ่ อ, อคือว่ามันมีเรื่องสงสัยอย่างอาึอาจจะอาจําเป็นเรื่องนอกทางไห น, หน่นีงนะครับก็คือว่ามีคนกล่าวว่าจิตใต้สํานึกผมมันเป็นตัวปัดอุปมันเป็นตัวเกาะอุปสรรคให้เกิดการทํางานในชีวิตผมนะครับคือว่าชีวิตทางานผมไม่สมบูเพราะจิตใต้สํานึกผมที่ไม่อยากทํางานมันไปปัดทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานทิ้งไปหมดจนผมก็เลยไม่มีงานทําอันนี้ในทัศนศิทางพระพุทธศาสนาหรือจิตตภาวนาเป็นไปได้หรือเปล่าครับ คือกาว่าติดจิตใต้สำนึกนหมายถึงสันดาห์ของเราเนี่นิสัยสันดาห์ของเราคือจิตใต้สํานึกถ้าเราเป็นนิสัยสันดาห์ที่เกียดมันก็จะเป็นอุปสรรคต่อการทํางานของเราได้ถ้าเราเป็นนิสัยสันดาห์ที่ขยันมันก็จะพาดานให้เราทํางานต่างๆได้อย่างง่ายดายั้ายดายเหมนถ้าเรามีนิสัยที่เกียดเราก็แก้ได้ด้วยการใช้ความขยันบังคับให้มันขยันเวลามันขี้เกียจจะทําอะไรก็บังคับให้มันทํา ทำไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะเปลี่ยนนิสัยสันดาจากนิสัยสันดาที่ขี้เกียดมาเป็นนิสัยสันดาที่ขยันได้ครับกราบขอบคุณครับโอเค ค, คุณต่อไปคุัคุณคารก า, าลาวิกาฮะยศนายกรับธรัมสการสุขค่ะอาจารย์มีอะไรถามได้เลยตจ้ค่ะ หนูใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเจ้ค่ะแล้วก็ช่วงหลังๆก็ได้ได้นั่งฝึกปฏิบัติสมาธิมากขึ้นเรื่อยๆก็รู้สึกว่าช่วงหลังเนี่ยก็คุมอารมณ์โมโหเราโกรธได้ดีขึ้นตจ้ค่ะแต่ว่าเมื่อวันก่อนได้พบปะเหตุการณ์ที่เหมือนเหมือนเราถูกเวสซึมเจค่ะแล้วก็ ค่อนข้างค่อนข้างสะเทือนใจกว่าที่ที่เราเคยเรารู้สึกว่าเรานึกว่าเราเราทําอารมณ์ได้ค่อนข้างนิ่งแล้วแต่ว่าพอเจอเรื่องถูกเหยียกก็เกิดเกิดอารมณ์โมโหขึ้นก็รู้สึกว่าและขอกราบนามัสการถามว่าทํำยังไรดีต่อไปที่จะ ไ ม, ม oh ol, ไม่โมโหหรือไม่โกรธหรือไม่เศร้าไม่เสียใจเมื่อเจอเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้อีกในอนาคตเล้าค่ะการนมัสการแล้วค่ะเราต้องควบคุมความอยากของเราให้ได้ควบคุมความอยากเพราะความอยากนี่มันจะพาให้เราได้เกิดความโกรธเกิดความเสียใจเกิดความผิดหวังเช่นอยากได้ดดอะไว่าเราไม่ได้เราก็จะผิดหวังเราก็จะเสียใจเราก็จะโกรธ เน้นต้องพยายามควบคุมใจของเราอย่าให้ไปอยากได้อะไรให้ยินดีตามมีตามกายตกลงไปเป็นเป็นเรื่องของเขาที่เขาจะเป็นเขาเหยียดเราแล้วก็เรื่องของเขาเรื่องของเขาตรงค่ะเราอย่าไปหวังว่าเขาจะเป็นคนเียออใช่ก็มองใหม่ต้องต้องกราบขอบพระคุณกราบขอบระคุณพระอาการอยู่ที่ประเทศไหนตอนนี้อยู่ที่ประเทศไหน อยู่เยอรมนีตัวค่ะเยอมนีวันนี้เข้ามาเป็นครั้งแรกเนะเคยเข้ามาฟังหลายครั้งแล้วตัาค่ะแต่ว่าไม่เคยได้ถามต้วค่ะขึ้นได้ค่ะเคยไปปฏิบัติธรรมที่ที่วัดเมื่อหลายปีก่อนต้วค่ะตอนที่กลับไปประเทศไทยต้วค่ะโอเคสาธุให้ปฏิบัติต่อไปนะครับนะมาสการพระสุรินทร์สาธุตัวคุณตระเล็กตัวไว้ หลวงพ่อครับการที่ภาวนาแล้วเรามีความสุขง่ายขึ้นทุกยากลงแล้วเราชอบฟังข้ออัดข้อธรรมต่างๆมันเรียกว่าการเพื่อเพลินในธรรมหรือเปล่าครับก็เป็นความความพอใจในธรรมในความพอใจแล้วก็เลยสนใจให้ให้เวลากับการปฏิบัติธรรมมากขึ้นครับมเรียกว่าเพื่อเพลินก็ได้มันก็เหมือนกันเพื่อเพนยินดีพอใจยินดีในธรรม ออยินดีในธรรมความเดียวกันพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าบอกว่าการยินดีในธรรมชนะการยินดีทั้งปวงเพราะการยินดีในธรรมจะทําให้เราได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงนั่นเองอ้โครับการภาวนาจะทาให้ครับทําให้เราแบบมีความสุขง่ายขึ้นทุกยากลงอย่างนี้ใช่ไหมครับหลวงพอ่อก็การภาวนาก็เป็นการสร้างความสุขเพราะมันมีความสุขมันก็ไปทุกข์อะไรนะพอเราอยู่ภาวนานั้ยมันจะทุกข์ ออพอหยุวนาเริ่มไปอยากยากได้นู่นอยากได้นี่นมันก็ทุกขึ้นมาทันทีความสุขมันจะเกิดพร้อมตัวทําเหตุเลยใช่ไหมครับไม่ต้องรอผลมันจะเกิดพร้อมกันเราเริ่มภาวนาเลยไหมครับมันก็ต้องมีเหตุกอ่อนก่อนจะผมะตามมาได้แต่มันอาจจะแบบรวดเร็วมากมาดูเราปุ๊บเดี๋ยวห้านาทีจิตสงบก็ผลก็ปรากฏขึ้นมาทันทีอ๋ออืหมายความว่าสุขสุขคือผลจากการปฏิบัติใช่ไหมครับ ทุกโทษได้การจัดจา ก, การแม่ปฏิบัติอ๋อโอเคครับขอบพระคุณมากครับมีการยังกระถามมั้ยกับฟเหรอกาแฟก่กครับเมื่อกี้ก็ได้เอาอที่ที่พระอาจารย์พูดเราไปคิดนะครับคือทีนี้การปฏิบัติก็ต้องย่นเข้ามาครับทีนี้คืออยากปรึกว่า ต่อไปนะั่นที่กระผมจะถือสีเนี่ยต้องปฏิบัติแบบแบบไหนบ้างครับก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทาให้ดีที่สุดทำให้มากที่สุดทาให้ถูกต้องครับก็เดี๋ยววันถ้านี้ก็จะรักษาสีลเหมือนเดิมแล้วก็ดูความก้าวหน้าครับอาจารย์แล้วก็ส่วนจะยังไงจะเค่อยวาดกันพยายามทําให้มากทําให้ถูกนะ ครับขอบคุณ ม, มากครับมีใครอยากจะถามหไหมคุณนันทพัฒนโยมือครับคุณนันทพัฒน์ข่าวพรอาจารย์เจ้าค่ะพอดีกับเรียนถามอาจารย์เพิ่มเติมอีกนิดนึงเจ้าค่ะพอาจารย์ถ้าถ้าสมมุติว่าอ่ชีวิตการทํางานนณะณนะขณะนี้มันยังต้องต้องทํางานหนักแบบนี้อ่ะเจ้าค่ะพอาจารย์ออ่ ลูกขออนุญาตใช้การเจริญสติระหว่างวันมากขึ้นแล้วก็แล้วก็ในส่วนของการทําทําการสมราธิเงี้ยเจ้าค่ะเมื่อเมื่อมีเวลาอย่างเสาว์ทิตย์หรืออะไรที่หยุดจริงๆอย่างเงี้ยค่อยทําได้ไหมเจ้าขาะอาจารย์ได้แล้วแต่เราทําทําตอนไหนได้ก็ได้ทําเอยอย่าเวลาแต่เช้าวันเสารวันอาทิตย์แม้อยู่ที่ทํางานถ้า ม, มีเวลาจักสิบห้านาทีก็ลองนั่งสมาธิไปก็ยังดีค่ะ ที่ที่ลูกคิดไว้เจ้าขาพระอาจารย์ตอนนี้มันยังเวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยเวลาที่ลูกทํางานใช่ไหมครับเวลาที่ทําได้สักพักลูกก็พักไปนั่งสวดไปนั่งสวดมนต์หรือว่าไปเดินจงกรมนิดหน่อยอย่างเงี้ยเจ้าขาพระอาจารย์อย่างงี้ก็พอใช้ได้ใช่ไหมครับได้มีเวลาว่างเมื่อไหใ่ก็เอาไปให้กับการปฏิบัติธรรมมาจะในการเจริญสติหรือเป็นการนั่งสมาธิเมื่อนา้องการพักจิตจิตนี้ต้องการความสงบต้องการพักผ่อนจิตถึงจะมีพลัง ที่จะไปทาปัญญาต่อไปได้ค่ะเพราะว่าอย่างถ้าสมมติกลับไป work at office อะคะ่ะลูกก็ตอนเนี้คือดีใจอย่างหนึ่งคือลูกจะไม่ต้องทานเขาที่ข้าวเที่ยงแล้วจาค่ะพระอาจารย์ก็จะเป็นโอกาสที่เอาเวลาเที่ยงที่ไม่มีใครอยู่ในออฟฟิศราคาพระอาจารย์ อ, อ่าดีเวลาไม่มีใครอยู่แล้วก็นั่งสมาธิหรือนาะที่จะกินข้าวให้กับร่างกายแล้วกิกนข้าวให้กับจิตใจแทน ค่ะก็ก็อันนี้คิดไว้เพราะว่าเห็นเขาบอกว่าอาจจะเป็นกลางเดือนหน้าอาจจะต้องไป work out ฟิตอย่างเงี้ยจ้าค่ะลูกก็เลยมองว่าถ้าถ้าไม่ได้ถ้ายังแบบดำลงแบบกินข้าวมื้อเดียวได้อยู่ในการปฏิบัติทํางานปกติใช่ไหมเจ้าค่ะเวลาเที่ยงเราก็ใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเงี้ยก็พอได้ใช่ไหมเจ้าค่ะได้ทำเมื่อไหร่ที่ไหนทําได้อใช้ได้ทั้งนั้นการปฏิบัติทำอ๋อเจ้าค่ะเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะเรียบร้อยเจ้าค่ะอาจารย์ขอขอบพรคุณค่ะ มีกมีใครอีกไหมอ่าคุณลาใชคุณลามีคำถามเข้ามาอีกห้าคำถามเจ้าค่ะคำถามแรกจากคุณวันนี้ที่ดีพอกราบน้ัรสการพระอาจารย์ค่ะหนูขอเรียนถามพระอาจารย์ค่ะว่าหนูฝึกจิตได้แล้วใช่ไหมคะคือเมื่อหนูมีปัญหาอะไรไม่สบายใจหนูจะรู้แล้วนึกได้ทันที ว่าที่จะเอาชนะไปได้โดยระลึกคำว่าพุทโธค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกจิต่ยังไม่หมดนะเพราะเรายังมีปัญหาที่เราจะต้องแก้เงอยยากในยันก็อย่าชะล่าใจอย่าพมา่าพยายามคอยกาจัดปัญหาที่มันที่เราสร้างขึ้นมาด้วยกิเลส ข, ของเราเนี่ยเพราะมันยังไม่หมดนะ อันนี้เป็นเพียงแต่จุดเริ่มต้นของการปฏิบัติเทรานี้นเองหมดก็ต้องไม่มีกิเลสตัณหาเหลืออยู่ภายในใจที่มีามาสร้างความทุกข์สร้างปัญหาให้กับเราคำถามต่อไปจากคุณสุรศักดิ์กราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมนั่งสมาธิได้สามชั่วโมงสองนาทีครับทุกทรมานเหลือเกินครับผ่านทุกขเวทนาแต่ละครั้งท่อนแขนขาร้นเป็นฟืนไฟ ผมก็ภาวนาพุทโธอยู่ที่กับผู้รู้ที่ปลายจมูกตามลมหายใจเข้าออกบางครั้งก็เปลี่ยนมาภาวนาพุทโธกับผู้รู้ที่ลิ้นฝีปากสลับกันไปมากับลมหายใจผมจึงอยากขออุบายพระอาจารย์ในการนั่งสมาธินานๆเพื่อให้จิตเข้าสู่สมาธิขอรับขอกราบคำแนะนาครับก็ต้องใช้สติให้มันต่อเนื่องย่าให้มันขาดตอน อย่ยางเจริสติฝึกสติก่อนที่จะมานั่งฝึกอยู่เรื่อยๆเวลามานั่งต่อไปสติเรามันจะไม่ขาดตอนแล้วมันจะเข้าสู่ความสนุนได้ง่ายได้เร็วและจะสงบได้นานคำถามต่อไปจากทาง Channel Dr. V มีหนึ่งคำถามเจ้าค่ะจากคุณโลกใบเล็กเนวะสัญญาณาสัญญาัตนะอารมณ์เป็นอย่างไรครับ ขอพระคคุณคันนี้มันเป็นเรื่องของมอรูปปญนะัญญาอันนี้ต้องไปอ่านแปลความหมายออกมากันในว่ญญาสัญญาณสัญญานี้แต่ว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่จะว่ามีสัญญาก็ไม่เฉงความหมายเทที่เคยจิตเจ้าปรนสวรมากๆเลยมากๆเนี่ยมันก็ไม่สามารถพูดได้ว่าตอนนี้มีสัญญาหรือปล่าหรือไม่มีสัญญาคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณน้ําครึ่งแก้วธรรมชาติ ทำไมพระพุทธเจ้าถึงอยากหลุดพ้นจากการเวนไหวตายเกิดในวัฏฏะสงสารเจ้าคะพระพุทธเจ้าเห็นว่าการเวนไหวตายเกิดมันเป็นทุกข์นั่นเองไม่มีใครอยากจะทุกข์คนที่ยังเวนไหวตายเกิดอยู่เป็นเพราะว่ามองไม่เห็นทุกข์นั่นเองยั่คิดว่าเป็นความสุขหนึ่งยังคิดว่าเกิดมาแล้วอจะได้มีความสุขจากการสัมผัสกับโลกเสียงกิ่นรส ทำให้มีความสุขกับลาบยศชนรษษเสริญสุขชนิดต่างๆแต่ลืมมองไปว่าการนอกจากกาวความสุขในโลกนี้แล้วมันก็มีความทุกข์ที่เป็นเงาตามตัวตามมาด้วยก็คือความทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยความแก่ความตายการพัดพลาจากกาันเนืการพบกับสิ่งที่เราไม่ชอบหรือเจอคนที่เราไม่ชอบเจอสิ่งที่เราไม่ชอบเช่นเจอคาําด่าคาอะไรต่างๆมันก็เป็นการ เป็นความทุกข์ทั้งนั้นเรืองพันพากจากของที่เรารักก็ทุกข์พอเรารักอะไรพอเขาจากเราไปมันก็ทุกข์ทำให้เราล้อมุมล้อมให้คนที่ไม่มีปัญญาจะมองไม่เห็นทุกข์ตรงนี้เห็นจะสุขอย่างเดียวพระพุทธเจ้านี่เห็นทั้งสองด้านสุขก็เห็นแลาวก็เห็นทุกข์ที่เป็นเหมือนเงาตามตัวความสุขมาด้วยจึงทาให้พระพุทธเจ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดอีกต่อไป คำถามต่อไปจากคุณอนุสรการทําบุญในกิริยาวัตถุสิบน้อมนาเช่นไรเป็นบุญที่ถูกต้องตามพุทธศาสนาครับก็สิบชนิดนี้ก็ถูกต้องเพียงแต่ว่าบางชนิดนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นบุญเสริมทําก็ได้ไม่ทำไม่ได้บางชนิดนก็ถือว่าเป็นบุญหลักต้องทําเมื่ออาหารเนี่ยอาหารมีอาหารเสริมอาหารหลักอาหารหลักนี่เราต้องกินต้องมาใช้กินข้าวกินกับข้าว ส่วนอาหารเสริมนี่อาจจะเป็นผ ล, ลไม้ขนมบางวันมีก็กินบางวันไม่มีก็ไม่กินก็ไม่ไม่เดือดร้อนแต่ต้องมีข้าวมีกั บ, ก, บกินทุกวันบุญที่เป็นหลักก็มีเช่นหนึ่งการังเพศฟังธรรมสองการทำาุญททานสามการรักษาศีลสี่การภาวนาอันนี้เป็นบุญบุญหลักที่เราควรจะทมอยู่เป็นประจาส่วนงานเสริมเช่น การไปร่วมบรรลุบูทนาบุญกับเขาเวลาเขาทาบุญเราก็ไปร่วมกับเขาอย่างนี้ถ้าไม่มีคนเขาทําบุญเราก็ไม่ต้องไปร่วมกับเขาหรือถ้าเราไม่รู้จักไม่มีใครมาบอกว่าบุญเราก็ไม่ต้องไปร่วมบรรลุบูธนาบุญหรือถ้าเราทําบุญแล้วถ้าเราไม่ทําบุญเราก็ไม่ต้องกวดน้ําปนะถ้าเราทําบุญเราก็กวดน้ํามาที่ไปอันนี้ก็เป็นบนสริมถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับ สังคมบางทีก็ต้องเป็นจิตอาสาช่วยเหลือกันทําอันนี้ก็เป็นบุญที่เกิดจากการรับใช้สังคมอันนี้ถือว่าเป็นบุญเสริมคือถ้ามีโอกาสก็ทําถ้าไม่มีโอกาสก็ไม่ต้องทําแต่บุญหลักที่เราต้องทําก็คือความเพียรความธรรมอย่างเป็นประจำเพื่อเราจะได้รู้วิธีทําบุญที่ถูกต้องวิธีได้ถูกต้องที่ต้องทําอยู่เรื่อยๆก็คือทาน ให้ให้ให้ทานใส่บาตรก็ได้ให้ให้คนนั้นคนนี้ก็ได้ให้ขอทานก็ได้ให้อะไรใครก็ได้ที่เขาเดือดร้อนอยากได้ความช่วยเหลื อ, อจากเราเราให้เขาไปดขาจะมทานศีลก็ต้องรักษาอยู่ตลอดเวลาคือศีลห้าเป็นร่มต้นหน้นาวันหยุดไปปฏิบัติธรรมที่ไว้ก็เป็นศีลแปะสมาธิก็ฝึกอยู่ดีๆนั่งสมาธิทําใจให้สงบ ปัญญาก็พยายามสอนใจให้คิดไปในทางตจลับอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำเป็นประจาถ้าต้องการให้จิตเรากข้าวหน้ า, า, นามีคำถามเพิ่มเข้ามาอีกสี่คำถามเจ้าค่ะคำถามจากคุณสุวิมลขออนุญาตคำแนะนำจากท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะช่วงนี้รูปรสกลิ่นเสียงมาเต็มเลยเจ้าค่ะควรทำอย่างไรดีคะ เหมือนจิตใจต่ำลงมีความทุกข์มากขึ้นเจ้าค่ะรู้สึกว่ากิเลสมาเต็มเจ้าค่ะก็สํำรวมตาหูจะรวมเนื้นกายออย่างอย่าไปรับรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องปิดิ้วเเนี่ยสํารวมถ้าเรามีจิตใจที่เท้มแข็งก็ถือสิ่งแปดไปถาถือสิ่งแปดจะมีรูปมากเทาไหรก็ไม่ดูมีบอนยูโรก็ไม่ดูเพราะดูไม่ได้สิงแปดห้ามเนี่ย มีคอนเสิ์ตมีเพลงดีๆมาเปิดให้ฟังก็ไม่ฟังอันนี้ก็ต้องใช้การสํารวมตา ม, มจมูกเป็นการเรียกว่าสํารวมเป็นสีสํารวมได้การถือสีแปดถ้าเรามีพลังมีกําลังที่จะถือสีแปดได้ก็ใช้สีแปดถ้าไม่มีสีแปดก็ต้องหนีไปไ ป, ปิดวิเวกอยู่ไกลๆไปอยู่ในปา่าในเขาให้มัอยู่หาาา่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆมันก็จะไม่ มันก็จะไม่เข้ามารบกวนใจเรามีสองคำถามจากคุณกูดเมริกค่ะคําถามแรกคนที่เสียชีวิตกะทันหันเช่นรถชนคงทําสมาธิไม่ทันมีสติไม่ทันหากจิตออกจากล่างเพราะอุบัติเหตุกะทันหันจะมีสติและสมาธิต่ออย่างไรคะเออไม่ไม่มมจริงแล้ อยู่ที่การฝึกสติของคนเราในขณะที่ยังไม่ตายถ้าเราฝึกสติ ด, ดีแล้วมันก็จะตายทันทีเร็วขนาดไหนสติมันไม่ยังจะเร็วกว่าสติที่มันไวไยกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับร่างกายงั้นพยายามฝึกสติเสียตั้งแต่ตอนนี้เมือามีสติแล้วพอรวลาจะตายกระทันหันมันจะควบคุมจิตได้คํถาถามต่อเนื่องจะทําสมาธิและมีสติต่อ ตอนที่ไม่มีร่างกายมนุษย์อย่างไรตอนที่ยังไม่ไปเกิดใหม่ครับนั่นเอตอนที่ไปเกิดใหม่ก็เหมือนกับตอนที่เรานอนหลับอันนั้นเราก็ไม่มีสติควบคุมจิตก็ต้องปล่อยให้มันไปนรับวิบากคือบุี่ย บ, บา ท, ที่เราทําไว้เพื่อว่าเราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ด้วยเป็นสัตว์เดรัจฉ า, านแตัตว์เราชานมันก็ไม่ค่อยมีสติเมือนกับมนุษย์เนี่ยคําถามสุดท้ายจากคุณทอสเข้ม กราบสาธุหลวงพ่อครับจะเรียนถามว่าทําไมผ่านชั่วโมงที่สองไปเท้าขวาจึงร้อนมากผมจะคิดว่านี่คือธาตุไฟจะถูกต้องไหมครับว่าเป็นอะไรนะบอกว่าพอผ่านชั่วโมงร้อนมากผมจะคิดว่านี่คือธาตุไฟถูกต้องไหมครับ คิดอะไรก็ได้ไม่สําคัญสําคัญที่ว่าเราอยู่กับมันได้หรือเปล่าถ้าเราสอนใจให้ปล่อยวางแล้วปล่อยมันมันจะร่อนก็ปล่อยมันร่อนไปใจเราจะไปเดือดร้อนกับมันนี่คือวิธีที่เราจะต้องปฏิบัติให้ได้หมดแล้วนะแล้วเจ้าค่ะโอเคนะอีกคนเพิ่งเข้ามใหม่ครับเออคุณวางได้จริงเบานหมพูดได้เลยค่ะการธรรมศส ก, การเจ้าค่ะพระอาจารย์ ว่ามาหายนาไปเลยหนยนาไปสองอาทิตย์แล้วค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์เจ้าค่ะโยมจะขอความเมตตาพระอาจารย์โยมเข้าใจว่าวิญญาณในขันห้ามันเกิดดับเจ้าค่ะแล้ววิญญาณในปกิจจะสมุดบาทตัวเดียวกันตัวเดียวกันตัวเดียวกันใช่ไหมเ้าคะโอเคเจ้าค่ะเพราะว่าแต่ว่าอถ้าถ้าทําในลึกๆแล้วเจ้าค่ะ จิตม um, ันไม่มีการเกิดดับเข้าใจถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์จิตเป็นตัวรู้การเกิดดับของวิญญาณทีน okay. ึ่งแล้วค่ะวิญญาณมันก็ทําหน้าที่เเวลาไม่มีหน้าที่มันก็หยุดพักก็อย่างนี้ค่ราะว่าดับก็คือหยุดภัพพอตาไม่ได้สัมผัสกับรูปเช่นเวลานอนหลับนหลับตาวิญญาณทางตาก็หยุดภาพทำงานชั่วคราวแล้วค่ะเวลาเิ่นไม่ได้สัมผัสกับรถมันก็หยุดทํางานชั่วคราวแล้วค่ะเวลาหูไม่ได้สัมผัสกับเสียงมันก็หยุดทํางานชั่วคราว แล้วก <Okay. S 2> ็เกิดดะคือการหยุดท <Okay. S 2> ํางานช่วงข่าวของ <Okay. S 2> ของของวิญญาณทางหาวิญญาณทางตาผมจะบอกยึ่งกายพอมีอะไรมาสัมผัสปับวิญญาณก็ทําหน้าที่อนการรับรู้ทันทีแล้วก็ส่งมาให้จิตพูดรู้ทันทีจิตก็รับรู้ว่า <Okay. S 2> เห็นภาพแล้วได้ยินเสียงแล้วอันน <Okay. S 2> ะพอมารับรู้ปั๊บมันสัญญาก็มาแปลภาพว่าเป็นภาพของอะไรภาพดีหรือภาพไม่ดี ภาพดีก็เกิดเวทนากิสุขเวทนาตามมา้าไม่ดีก ak ็เกิดทุกขเวทนาตามมาถ้าเห็นถ้าเห็นภาพของศัตรูก็ใจก็ทุกข์ขึ้นมาเห็นภาพของเพื่อนใจก็สุขขึ้นมาใช่ไหมใช่ไหมก็คือการทำงานของนามขันสี่มันทางานเหมือนมันไปเหมือนเป็นทีมแบบมันทำงานทีละข้อมันไปเลยใช่าหม่ไหมใ่่ แย่าเวลาไม่มีรายมาให้มันสัมปัสรับมันก็หยุดทํางานกันไปเจ้าค่ะแต่สังขารมันไม่หยุดถึง้าไม่มีรูปใสียงกินแล้วท่านมารับมันก็ยังชินได้คนเดียวเจ้าค่ะมันยังทํางานอยู่สังขารนี่มันทํางานถ้าจะไม่อยู่เลยเจ้าค่ะปลุกตลอดเวลาแต่ตลอดเวลาทั้งตื่นทั้งหลับเนีวลถ้าหลับก็เป็นฝันไปนอกจากนานๆที่มันเดินมันก็คํางนอนหลับบางทีบางคืนก็ไม่ฝันบ้างเจ้าค่ะ เแต่ไม่ตายนมันหยุดทํางานชั่วคราวมันทําทงานชั่วคราวนำมรรนที่ไม่ตายมันหยุดหยุดทับทำงานชั่วาคารคว า, าวแล้เข้าใจคือหมายคําว่าเกิดดับเกิดดับเที่ยวันหายมันตายมันไม่ตายเกิดดัก็คือทํางานก็นหยุดหยุ ด, ยด <c oughs> ทับทํางานเวลาทํางานก็เรียกว่าเกิดเวลาหยุดทับทำงานก็เรียกว่าดับเจ้าค่ะก็พอพอดีมีคนสงสัยเรื่องวิญญาณดับไม่ดับ อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะโยมก็มันไม่หายไปจากจิตมันไม่ตายหายไปจากจิตแต่มันหยุดทัาทำงานเจ้าค่ะเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์ตอนนี้โยมก็เจริญมรนาจิติเจ้าค่ะพระอาจารย์แบบไม่ประมาทเจ้าค่ะปฏิบัติอยู่เช้าเย็นเจ้าค่ะแต่วันนี้มาช้าเล็นึงเจ้าค่ะพอดีเด็กไปโรงเรียนแล้วโยมเพิ่งเอาเข้านอยเจ้าค่ะโอเคดีโรงเียเปิดแล้วให้เด็กกลับเรียนได้ ที่ซูโขไทยที่เปิดแล้วเจ้าค่ะอาจารย์ที่พันธุาตนี้ครับเพื่อประกาศให้หยุดต่อไปถึงวันที่สิบหเจ้าค่ะพยนธาติมันยัแพร่เชื่ออยู่เชื่อไม่มีอะไรบ้างโอเคดินดีที่ได้เห็นได้ตาเจ้าค่ะมียองไปตัดผมมาเจ้าค่ะเอกไปนั่งเฝ้าที่ร้านเลยนะคะร้องไห้กระจร้องแงกลัวแม่ปรงโปงผมตอนนี้เหลือสั้นประมาณนี้เจ้าค่ะร้องไห้สามชั่วโมง ลูกชายเนาะค่ ะ, ะยังรับไม่ได้พ่อแม่จะมาบอกเชียรเขาแซลโยมว่าวันนั้นยายถามว่าเห็นภาพมายังลูกบอกไม่เห็นเห็นแต่แม่ชีอยู่ที่บ้านดีเนาะค่ะโอเคเดี๋ยว จ, จะดูว่าจะเลืน้ามนั่นทำไหมก็ดูที่ผมเนี่ยถ้าผมยาว่าแสดงว่า ไ, ไม่จะเลื่อนถ้าผมสั้นยิ่งสันยิ่งจะเลแลก่านจบเลค่ะ ถ้าโกนหมดเราก็จะเต็มที่เลยเต็มน้อยเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะโอเคนะหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณพัฒนาบอลคุณพัฒนาบอรู้กไหมครับมีมีอีกสามคนนะอาจารย์ติดตั้งหนึ่งครับคุณพัฒนาบอไม่ให้เกิน5้าทุ่มาแล้วกันนี่เลย้นว่ามาเลยใจหลัมาสการเจ้าค่ะหลวงพ่อ ไม่ไงอันนี้อยู่บ้านนะไม่ได้อยู่ในรถนะไม่ได้ขับรถอยู่บ้านจูค่ะโรงแรมปิดแถวแล้วเหรอปิดแถมแล้วครับปิดแถมเมื่อไหร่สัต์ธันอะไรใช่ไมครับถึงต์ธันครับไม่ได้จับนะพาหลวงพ่อไม่ได้ลับนะอนนี้บางไทยระบาดมากจูค่ะคุย่ว่าจะสงบกับตอนนี้ละบาดมากกว่าเดิมนี่แค่จะับเพราะเมื่อวานนี้น้องสาวส่งลูก ที่ที่วัดยานตอนที่ที่เขาถวัตพาาาระธาตุก็ไม่มีคนเลยล็ <l ok down> อกดาวน์เจ้าค่ก็<อ>มีมีคนก็ฝากฝากทําอาหารมาถวายพระไม่ไม่ไม่อดอยากาขาดแคลนมีโยมที่บา้านอไรก็นํทาทำกับข้าวแล้วก็ใส่เป็นฐาดถาดสมเข้ามาที่วัดสาธุศาสตร์ทุเจ้าค่อนุโมทนาเรื<ะ>่องทบนญนี้คนไทยไม่ไม่ไม่ไม่หยุดครับย<ะ>ังไงก็ต<ะ>้องทํานำ ใหชำระถืสาถืสาถืออนุโมทนาเนี่ยผมออยากจะถามคุณหมอนัทวุฒินายว่ามันงานตอนนี้เขาถึงปล่อยให้ระบาดขนาดนี้มันก็ล็อกดาวน์ไม่ได้ใช่ไหมก็เขาก็เห็นทากรุงเทพเขาก็มีล็อกดาวน์ครับแต่ว่าเคสเข้าใจว่าเชื้อมันตอนนี้มันเป็นเชื้อเดลต้าครับอเก็ระบาดเยอะครับแล้วก็เคสที่สีราก็รับประมาณสี่สิบห้าสิบคนอะไรเงี้ยครับอ แล้วก็เคสพอมันเค้าก็พยายามแบ่งเตียง i อซเตียงโควิดเพิ่มฮะอย่างตอนนี้ช่วงนี้ผมก็เป็น attending ward มันโควิดเป็น attending ธรรมดาแต่ว่ามันก็จะมีเคสเพราะมันเข้ามาสี่สิบห้าสิบแต่ว่าคนหนึ่งมันนอนเดือนสองเดือนบางคนก็สองเดือนแล้วอันเนี้ยแล้วก็เคสน egative แล้วไอโควิดไม่มีแต่ว่าก็ยังวิชาร์ตไม่ได้ เขาไม่เขาไม่ไ <Zusch> ม่ไม่อยู่เหมือนเหมือนทั้งแรกๆอย่างแรกนี่ก็หยุดมันผมก็จังหวะตอนช่วงสงกรานตอนนั้นที่หลังสงกรานแบบนั้นคิดว่าถ้ามันล็อกดาวน์ตอนนั้นมันอาจจะดีกว่านี้แต่มันผ่านไปก็คงแต่ว่าคงมีเชื้อน่าจะกระจายไปทั่วอืมันก็มันก็คุมก็ช่างยากแล้วก็เชื้อพันไอ้เฟรนใหม่ที่มันที่มันที่มันแพร่เร็วอย่างเงี้ยมันก็มีครับแล้วก็ปัญหาเตียงตอนนี้ก็เยอะเพราะว่า เพว่าพอพอเตียงมันไม่พอมันก็เคสมันก็เคสที่ไม่เป็นโควิดเองก็มันก็มีโอกาสเสียชีวิตอะกันเยอะครับแล้วโอกาสที่มันจะเป็นเป็นตร่องสังขารด้วยแล้วกาสที่มันจะลดลงนี่มีมีแม้แม้ว่ามันยังจะซอมอยู่ก็จะผมว่าต้องวัคซีนต้องให้เยอะครับตอนนี้ปริมาณวัคซีนมันก็มันก็เองไม่เยอะพอครับแล้วก็เพราะว้าวัคซีนมันไม่เยอะพอก็ก็จะลำบากครับเห็นแต่เห็นต่างประเทศก็มันก็เอาวัคซีนเขาเยอะมันก็ มันก็ติดเชื้ออยู่แต่ว่าโอกาสเสียชีวิตมันก็ลดลงครับอันนี้พอพอเราบางคนยังไม่ได้วัคซีนพอติดเชื้อแล้วมันก็แพร่เชื้อมันจะตอนนี้มันจะจายแบบเมื่อตอนยังมันยังจับได้ว่าเอ๊ะมาจากคลัสเตอร์นี้มาจากไหนจากไหนตอนนี้มันมันแทร็กไม่ได้นนี้ก็ต้องคิดทุกคนก็ป้องกันตัวเ อ, อยไว้เต็มที่แล้วถ้ได้ฉีดวัคซีนไว้มันก็ก็จะเป็นสิ่งที่ดีครับอย่างน้อยเราก็ไม่ไม่เสียชีวิตแน่ๆจากโควิดนอกจากเรื่องต้องการไปไหนกั แต่คงลำบากไปเอกสักสักพักก่อนครับเพราะว่าว่าเตียงมันก็มันคือเข้ามาห้าสิบแล้วมันแค่วลไรสองเดือนออกมันเข้าทุกวันที่มันก็มันก็ยังไงก็ไม่พอตอนนี้ก็ต้องเพิ่มเตียงไปเรื่อยๆเตียงมันก็เพิ่มไม่ไม่น่าได้มากครับะเพราะมันก็มันจะมันจะคงขยายได้ขนาดเนี้ยคือมันมีเตียงมันก็ต้องมีหมอมีพยาบาลเนี่ยอะไรที่เขาจะต้องดู เคสที่นัน่นได้ดีอย่างผมเจอเนี่ยเคสบางทีเข้ามานอนมาสองเดือนแล้วแล้วก็ทุกอย่างโควิดหายแต่ว่าก็ยังก็ยังมีปัญหาเรื่องปอดถูกทําลายหรืออะไรมันไปต่อไม่ได้มันก็จะติดอยู่ตรงนี้มันก็มันก็เป็นทางที่ดีเลยก็คือพยายามฉีดวัคซีนกันไปวัคซีนใช่ครับเพราะถ้าเป็นก็อาจจะทําให้โรคไม่เป็นไม่รุนแรงนครับโอเคแล้วก็ต้องรอรให้ฉีดแล้วเปล่าแน่ ใช่ครับก็คงต้องใช้เวลาครับผมว่าถ้าถ้คงอีกสักสองสมเดือนยังครับถ้ามันได้วัคซีนได้เยอะออกมันก็มันก็จะทําให้แต่ก็ต้องดูว่าเชื้อมันเปลี่ยนสเตรนเป็นยะไรด้วยไหมอืมโอ่คงั้ก็รียไปฉีดวัคซีนกันถ้ามีับีใช่ก็ได้เป็นเรื่องทีมูลิตี้ถึงกับจะต้อนมีก็เราตํางรอไปก่อนใช่ครับโอเคสัปพักนะสับพักใหญ่ๆสักสามเดือนนะ น่าจะครับโอเคไปที่คุณท่านต่อไปคุณคุณสนดคุณสอนดนะาจารย์อาจารย์เป็นยังไงมีอะไรจะจะถามไหมมีค่ะพระอาจารย์คือว่าจะถามเรื่องเพื่อนร่วมงานหน่อยหน่อยคือว่าจะถามเรื่องเพื่อนร่วมงานนะคะพระอาจารย์จะอยู่กับ ตรงนี้ไ <Jub> ด <ilee> ้ย <card drum ming> ังไงอ่ะอาจารย์โดยที่ก็คิดว่าเขาเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศก็เลยต้องมาควบคุมบังคับเขาไม่ได้ก็ต้องอยู่กับเขาไปผลมันจะตกแดดเะออกมันจะร้อนมันจะหนาวเราก็ต้องปรับตัวเราให้เข้ากับมันแล้วเราก็จะสบายใจเขาชอบแบบอย่าไปเปลี่ยนเ้าอย่าไปเปลี่ยนเขาอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เราปรับตัวเราให้รับเขาให้ได้นี่ปสบายใจกว่า เป็นเขายากกว่เป็นเราอะไร้ะเขาอ่ะชอบพูดเรื่องไม่ดีค่ะพระอาจารย์ถ้าปล่อยเขาพูดไปเลยเราทำตัวเป็นเสารู้จักเสาต้นเสาไหยรู้ค่ะระอาจารย์เราฟัง <laughs> ไปแล้วก็เข้าูซ้ายออกหูขวาไปเราไปพูดกับเสาอสักพักเดี๋ยวเขาก็ เ, ากเบื่อไงเขาก็หยุดพูดเองถ้าเราไม่ไปตอบไปต่ไม่ไปอะไรเขาปล่อยเขาพูดไปทําตัวเป็นเหมือนเสาค่ อ, พ อ, พอจาจะเบือนรูชวนลมไป ถ้าเขาเป็นอย่างนี้น่ะนะจารยเปลี่ยนเขาได้ยังไงเขาเป็นกล้วยอย่าไปอยากให้เขาเป็นส่องเนี่ยกล้วยกขาปล่อยเขาเป็นกล้วยเขาชอบพูดอย่างนี้เขาปล่อยเขาพูดไปเราก็ทําเป็นหูทวนลมทำเป็นเสาไปไดทําใจเราให้เป็นเสาแล้วก็สบายบางทีมันก็ทํายากคระอาจารย์ใช่พูดโธทแต่ถ้ามันยากเราทำพูดโธพูดโทพอใจเรามันกิเลสมันยอมบางทีมันก็ไม่ยอมบางทีม่ยอมมันก็ไม่หยุด พอมันไม่อยู่มันก็ไม่เย็นนั่นต้องหันยอมหยุดเย็นสูตรสามยอมใช้สูตรสามยอมยอมปล่อยให้เขาทำาะไทตามเรื่องเขาหยุดต่อต้านหยุดหยุดความพยายามที่จะไปเปลี่ยนเขาแล้วใจเราก็จะเย็นอยู่กับเขาได้ลองทำดูสิทำได้แล้วสบายนะต่อไปอยู่ที่ไหนกับใครก็ได้ปล่อยเขาทำไปเขาจะดีจะชั่วก็เรื่องของเขา เพราะว่าถ้ามันมาทำให้ร่างกายเราเสียหายแล้วเราอาจะต้องหลบต้องหลีกรื้นต้องเพื่อความปลอดภัยของร่างกายเราก็ต้องหลบหลีกเขาเขาเขาเข า, เขาไม่ทําให้ร่างกายเสียหายแต่ว่าเขาพูดกระแทกใส่ใจคใครก็แทรกไปเสร็จแล้วเป็นเสาไม่กลัวอะไรกับคําพูดเนี่ยใจอ่อนใจอ่อนหรือว่าแต่เราก็ทําให้มันแข็งพูทธโทรุทธโทไปเวลามันอ่อนแล้วท่าพูดโทรพุทธโทไป อย่ไปฟังเขาพูดถ้าจะพูดอะไรก็ไม่สนใจพุทโธพุทโธภายในใจแข่งกับเขาจะพยายามหลีกมันก็สู้เลยพุทโธพอกขลเริมพูดเราก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปภายในใจเดี๋ยวพร้อมพอไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรแล้วใจแล้วก็ไม่เดือดร้อนค่ะอาจารย์ฝึกพุทโธให้ดีนะพุทโธนี้ป้องกันเอาให้จิตเราไม่วุ่นวายได้นะ พยายามอยู่กับกายแล้วก็ก็หลุดอยู่กับกายเดี๋ยวก็หลุดหลุดปล่อยมากอยู่กับพุโทโธเลยเ่าถ้ามันหลุดนี่อยู่พุโทโธเลยเ่าถ <ฮะ S 1> ้าสวดดีดีพิโสไปนะได้ดีดีดพิโสสัมปวารามสัมมาสัมพุโทโธสวดไปอย่าไปอย่าไปฟังเขาพูดเขาพูดแล้วก็ปล่อยเข า, พ, เาพูดเราก็สวดของเราไป <ฮะ S 1> โอเคนะค่ะขอบคุณาาครับป้าจ้า มีใครไหมเดียเาาเยเ๋ยวคุณจารูนยกมืออยู่ทางซ้ายข้างบนนะครับ จ, จ<ะ>เปิดไหมก่อนจาุนเปิปดให่ลับครับกลับทารมัทสหลวงพ่อครั บ, ร บ, ร บ, รบมีสองคำถามครับคำถามแรกเนี่ยเวลาเราจารัสสติไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีจะรู้สึก ว่ามันพ่วงอ่ามันมันพ่วงมันค่อยจะหลับแต่พยายามจะดึงจะดึงอ่าจิตเข้ามาอยู่กับเดึกสติเข้ uh Ish Cry Ik ามาอยูああ่กับอาลมหายใจแต่คก็ยังพ่วงอยู่ครับลกขึ้นมาเดินแทนต้องเปลี่ยนมีอาบน้ำลุขึ้นมาเดินถ้ายังพ่วงอยู่ก็แสดงว่าเรากินข้าวมากไปวันหนึงกินให้น้อยหน่อยกินกินรอเดียวดูนี่แล้วรับรับรองได้ตามมานั่สมาธิจะไม่พ่วง แสดงว่ามาจจะเกิดจากการกินขา้าวเยอะกันไปกินข้าวมากเกินไ ป, นาาไ ป, ไปต้องรู้จักประมาณในการรับประทานอาหารกินพอให้มันอิม่มพอให้มันหายหิวก็่าอย่าให้มันอิ่มแน่นท้องแล้วอยา ก, กินหลายมือ้อกินมือ้อสองมื้อก็พอถ้าอยากจะนั่งสมาธิแบบไม่ม่วงครับอีกคำถามหนึ่งครับหลวงพ่ อ, เ, อ, อเราควรจะ เ, เราควรที่จะใช้ชีวิต ใช้ชีวิตประจําวันโดยปล่อยให้โดยพิจารณาให้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันแต่ว่าเราควรจะรักษาจิตของเราอย่างนี้ไว้ใช่ไหมครับเราก็ต้องถือการรักษาจิตเป็นงานสําคัญต้องพยายามรักษาจิตของเราให้สงบด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยการรักษาศีลด้วยการตั้สตินั่งสมาธิ แต่ถ้ามีเหตุมีปัจจัยที่ทําให้เราจะต้องไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็นักนคนนี้บางทีเราก็ต้องผ่อนผ่อนตนมากเพราะเรายังต้องเกี่ยวข้องกับคนอยก็ต้องรู้สึกแบ่งแบ่งรับแบ่งสู้ถ้าถ้าเราสามารถที่จะดิกเลี่ยงการที่ไปเกี่ยวข้องกับคนได้เราก็ดิกเลี่ยงเพื่อเราจะได้มีเวลามามาปฏิบัติมารักษาจิตของเรา ขอบคุณหลวงพ่าครับ okay. มีการอยากจะทานไว้เหลืออีก4นาทีาเว ล, เ ล, เลาเลยเวลาจากเฟบุ๊กมีคำถามเข้ามาอีกหลายคำถามค่ะจะถามาถามาึงาแค่สี่นาทีนะแค่สนาทีจบน่าไมไหวนะคำถามจากคุณเหลิมค่ะการนมัสการพระคุณเจ้าด้วยความคารพผมเคยนั่งสมาธิแต่พอถอนออกจากสมาธิกลับมีความรู้สึกไม่ยินดีร้าย มีความรู้สึกเฉยๆเลยเลิกนั่งไปควรปฏิบัติเช่นไรต่อครับก็นั่งปฏิบัติเพื่อให้จิตมันเฉยเราพยายามถ้าไม่ไม่นั่งต่อเดี๋ยวความเฉยมันก็จะหายไปอย่างจิตมันก็จะมามีอาการรับช้ำปวดหลงอยงนนั่งสมาธิไปเรื่อยๆก็รักษาจิตให้เราเฉยเพราะเวลาที่เราเฉยแล้วเวลาเราเจอกับเหตุการณ์เราจะไม่วุ่นวายเราจะไม่เดือดร้อน คำถามต่อไปจากคุณเดซโพเอตตอนกราบพระรัตนตัยมีคำปรามทยพลุศสวาสพระัตนตัยผุดขึ้นในจิตโดยควบคุมไม่ได้ทั้งที่กระผมมีศรัทธาเป็นเปลี่ยมและภาวนามาได้สามปีสิ่งที่ผุดขึ้นในจิตนั้นคือสัญญาใช่ไหมครับและกระผมควรวางจิตวางใจอย่างไร กระผมพยายามวางเฉยไม่สนใจมันบางครั้งกำหนดคิดหนอมานมาหนอขอคําแนะนาําพระอาจารย์ด้วยครับก็ทำยังไงก็ได้ทําให้มันหยุดไปแล้วก็สอนใจว่าการปรามายสิ่งที่วิเศษนี้เป็นความโง่บัตรชกของเราเป็นปรามายสิ่งที่เขาดีกับเราคนที่เขาดีกับเร า, าคนที่เขามีความเมตตากับเรามันก็เป็นเป็นความโง่เข า, เบาบาปัญญาและความบัตรชของเราเท่านั้น ถามต่อไปจากคุณโลกใบเล็กกับนมัสการครับถ้าเห็นจิตแล้วรูปนามก็ว่างเปล่าหรือครับเมื่อทุกอย่างเกิดจากจิตออมันเห็นจิตมันก็จะเห็นรูปมันก็จะเห็นรูปเห็นนามด้วยมันก็จะเห็นชัดขึ้นเห็นรูปมันเป็นอย่างหนึ่งน้มก็เป็นออย่างหนึ่งคำถามตอไปจากคุณจีจีสมัศาสนาพุทธไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าและไม่เคยพูดอะไรถึงพระเจ้าใช่ไหมคะ แล้วสิ่งที่เขาลบปูชาอื่นเช่นพระพิคเนตรูปเขาลบเหล่านี้มีพระองค์มีกล่าวถึงไหมคะมันก็เป็นเทพหรือพวกที่เขารลบพวกพิคเนตพวกอ่วิศนุหรืออะไรเนี่ยเป็นสภาพจิตของของผู้ปฏิบัติธรรมที่เปลี่ยนไปตามการกระทาของเขา ถ้าเขาทาดีจิตเขาก็จะกลายเป็นเทพกลายเป็นพรหมไปแล้วเขาทําชั่วจิตของเขาจะกลายเป็นยักษ์เป็นนาฬเป็นอสุรกายเป็นเปรตไปคำถามต่อไปจากคุณธีรวัตรเดินจงกรมเป็นสมถะหรือวิปัสสนาคะก็อยู่ที่ว่าเราเดินแบบไหนถ้าเราเดินด้วยการใช้สติอย่างเดียวพุโทโธพุโทโธอย่างเดียวก็เป็นสมถะถ้าเราเดินเราพิจารณาไตรลักษณ์พิจารณาร่างกาย ว่าเป็นนสุภาพาไม่เที่ยงนี้ก็เป็นวิปัสสนาคำถามสุดท้ายจากคุณพระธานิตขออนุญาตถามนะคะการภาวนาการนั่งสมาธิส่งผลกระทบต่อพลังงานในร่างกายไหมคะเพราะมือเกิดไฟฟ้าสถิตเวลาจับสินของบ่อยค่ะอ๋อไม่มีผลกระทบต่อร่างกายเพรเป็นการกระทําที่เกี่ยวข้องกับจิตโดยตรงร่างกายอาจจะได้รับอ น, นุสงจากการนั่งสมาธิว่าจะได้พักผ่อน ร่างกายจะได้หายเหนื่อยหายเด็ด้ายเหนื่อยเพะฉะนั้นการทอนานี่ไม่มีผลกระทบที่ไม่ดีต่อร่างกายไม่ท้องขมวลเอาละแน่หมดเวลาพอดีห้าทุ่มแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาโอเคไว้คราวหน้านะเพราะว่ามันเยวไม่มีเวลานอนเดี๋ยวต้องตื่นเช้าไม่บินทบานนี้่คิดว่าพอสมควรแก่เวลา